ว่ายัางไงเอาใครก่อนวันนี้อาจารย์ผมวิลาศเข้ามาก่อนนะสวัสดีอาจารย์กาบพระอาจารย์ค่ะสบายดีค่ะสบายพระอาจารย์สบายดีนะคะอสบายดีคเดี๋ยว<ด>ต้นเดือนจะไปกาบค่ะได้ได้เ น, นัดวันกันทีถ้าเป็นผิดขอกับแล้ว ทุกคนนะครบทุกคนครับทุกคนบ่ายดีนะสบายดีครับกครับเดชดีใจที่ได้เห็นกันค่ะเดี๋ยวรับฟังเหมือนเดิมค่ะเชิญเชิตามสบายเดี๋เมื่อกี้มีอนุกูลเคยอนหนึ่งนค่ะใช่ค่ะ่ครับอ่ามันขึ้นมาไม่ได้ใส่ชื่อพวุลี่กันเลยลงเป็นยนชื่อได้โอเคน่เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะ หเดเอเสียงใครดังอืมอืโอเคคนเวลาสิเนี่ยใช่คุณเวลาสิเนี่ยอ่กลับมาสการะท่านพระอาจารย์จยากเดรมันท่านได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเกรจากเกสเดนใช่ค่ะจากเกสเดนค่ะ ทาา่านอาจารย์คะยมโยมคราวที่แล้วที่ยมติดนะคะคือแบบอะไรสักอย่างมันหดมาแล้วยมมีความรู้สึกไม่สบายตัวเลยค่ะท่านน้่นมันอึดอดมากเลยยมคิดว่ายมยมน่าจะหาสาเหตุเจอแล้วก็แก้แก้ไขตัวเองได้แล้วคะ่ะมันจริงๆแล้วมันคือความอยากค่ะท่านนค่ะเพราะว่ายมยม ยมสังเกตนะคะท่านมันจะเป็นตอนเช้าอะค่ะเพราะว่าก่อนเวลาที่ยมจะทํางานแล้วตอนพักกลางวันที่ยมเอาเวลาพักกลางวันไปภาวนาค่ะยมอยากให้มันมันสงบไวอะค่ะท่านเหมือนบังคับให้มันเข้าสมาธิไว้อะค่ะแต่ตอนก่อนนอนเวลาเราทําครบตามเป้าที่เราต้องการแล้วไปนอนภาวนาให้มันหลับไปเลยเย่นี้นะคะท่านมันไม่เกิดนะคะยมก็เลยเฉลียวใจว่ามันคือความอยากแล้วมันก็จริงๆค่ะท่านแล้วยมก็จัดมันอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเลยอะค่ะ มันก็เข้าแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็นุ่มนวลขึ้นเยอะเลยค่ะดูนี้ค่ะความอยากเป็นตัวถดวายค่ะแม้แความอยากจะไปพานิพานก็ก็ไปไม่ได้ถ้าถึงขั้นสุดท้ายแล้วตอนแรกโยมก็ยังงงๆนะคะท่านว่ามันคืออะไรเพราะว่าโยมก็ลองจับมันแบบว่าไม่ไม่เค้นมันมากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็หลับ มันวันนั้นมันก็ง่วงเลยค่ะลองผิดลองถูกอยู่หลายวันจนแบบมาเฉลียวใจว่าเอ๊ะทําไมเราทําก่อนนอนเวลาเรานอนอะไรเงี้ยค่ะท่านทำแล้วนนก็ให้มันหลับไปเลยมันไม่เกิดอาการอย่างนี้จนมารู้ทีหลังอ๋อมันนอนเรานอนภาวนาเราไม่ได้หวังอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเราทําได้ตามที่เราต้องการแล้วอะไรนะคะรอบนั้นคือเป็นโบนัสได้ก็ได้ไม่ได้ <c oughs> ก็คือรู้เลยนะคะว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วราวางใจแบบเออเหมือนทําแบบที่เล่นที่จริงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันอะไรเงี้ยค่ะท่านมันก็เลยแบบ ทำใจเป็นพากฎบัญญูกว่าทุกข้า้าครับค่ะคราวนี้ก็ค่ะหาสาเหตุเจอแล้วก็แก้ไขตัวเองได้แล้วค่ะจากนั้นก็เข้าเป็นนุ่มนวลตลอดเลยค่ะเหมือนเหมือนพระอนุนเคยได้ยินการบรรลุธรรมของพระอานุนไหมพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าภายในสามเดือนจะได้บรรลุพอถึงเกินสุดท้ายนี่ท่านก็ดิบเร่งความเพียรว่ายังไม่บรรลุยิ่งใกล้สว่างเฮ้ยทาไมไม่บรรลุสัทียิ่งพยายาม พิจารณายุยพยายามทำอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บรรลุเพราะมันกังวลเกี่ยกับค่าพยากรณ์ว่าต้องบรรลุภายในสามเดือนแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วของสามเดือนทีนี้คิดไปคิดมาว่าพระพธเจ้าคงพยากรณผิดแล้วสําหรับเราคงไม่ได้บรรลุแน่ก็เลยนอนดีกว่าพอทําท่านนุมตัวจะลงนอนก็บรรลุเลยพอหาย เรตัดสินปองว่าไม่ได้บรรลุมันมันก็เลยบรรลุไงค่ะปัญมยากความคาดหวังใช่อย่าไปคาดหวังอย่าไปตั้งเป้าว่าจะต้องได้นั่งสมาธิแล้วจะต้องเข้าได้อย่างนั้นอย่างนี้เ่ยเหมือนเราบังคับมันเข้าอะค่ะโยมบังคับมันเข้าอะใช่ไปยัดมันเข้าไปไปถีบมันก็แบบไม่เข้าหรอค่ะขมวดขวดขัดมันมากเลยค่ะมันให้ต้องเปมันไม่ให้มันเข้าไปเปิดนอกไม่ให้มันเข้าไปค่ะไม่ไม่ให้มันเผลอเลยอย่างนี้ยค่ะซึ่งมันกลายเป็นความเครียด พอเราทำชีเล่นที่จริงมันแบบปล่อยมันเผลอมั่งค่อยๆตล้งมมันเข้ามามันกลับดีกว่ากันเยอะเลยอะค่ะท่านใช่ดีก็คอยสังเกต ด, ดูเวลาถ้า<ม>จิตใจเครียดก็สัญญาก็เกิดจากความอยากค่ะอยากได้อยากไม่ได้อยากอะไรทำนองนะั้น ค่ะแล้วยมก็เห็นอารมณ์ละเอียดในใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะท่านบางทียมกำลังอ่าเหมือนกับทำอี valuation ของนักศึกษาที่จะมาฝึกงานนะคะให้ทุนคนมาฝึกงานเลยคะแล้วก็เขาให้ยมทำของทวีปเอเชียยมก็ดูไปทีนี้ยมก็หงุดหงิดใจในใจทำไมมีของอินเดียเยอะจังเลยค่ะทำไมไม่มีของเมืองไทยเลยเห็นความไม่พอใจเล็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็เห็นความโล่งใจตามมาก็คือดีเหมือนกันถ้าไม่มีมอง ไม่มีของคนไทยมาเราก็ไม่ต้องลําเอียงเนี่ยคะ่ะท่านตัดสินเป็นธรรมไม่ต้องลําเอียงเลยเห็นความรู้สึกพอใจไม่พอใ จ, อใจเล็ก ๆ, ๆน้อยๆคะ่ะที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในใจได้อะคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะไ ม, ไม่ทุกอารมณ์อะคะ่ะเป็นบ้างบางครั้ ง, ะะ อ, อ, อ, อ, งอย่างเงี้ยค่ะท่านอการทางานก็ใช้เหตุใช่ผลอย่าไปใช้ความลําเอียงค่ะถึงดีใจอะคะ่ะท่านไม่มีของคนไทยมาไม่งั้นอาจจะมีแบบโอ้ยดูอีกหน่อย ตรงไหนได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ข อ, อตอนนี้ก็ถ า, านไม่มีของคนไทยเลยก็ทำได้ตรงตามมาตรฐานทุกอย่างค่ะอินเดียคนกาเรียนเันเยอะทางไฮเทคใช่ทางทางไอทีเยอะก่เราเขาดูเหมือนเหมือนกับกระตือรือร้นที่จะหาทุนหาอินเทนชิพอะไรให้ตัวเองเยอะเลยคะ่ะใบสมัครของคนอินเดียเยอะมากเลยค่ะั้นเดีมีอะไรอีกไหม ไม่มีค่ะวันนี้อยู่มีแค่นี้ครับขอบคุณค่ะก็พยายามรักษาระดับการปฏิบัติไว้ก็แล้วกันนะอยาให้มันลดน้อยถอยลงถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆถ้าตมตอะไรถ้ามีอะไรชดเชยได้ก็ชดเชยแต่วันนี้ไม่ได้ทําเดี๋ยวไปชดเชยวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ต้องหาหาช่วงชดเชยค่ะภาคบ่ายค่ะท่านนอพยายามใหร้รักษาระดับการ ระดับการปฏิบัติเราให้มันอย่างน้อยมาให้มันไม่ให้ลดน้อยถอยลงอยู่กับที่ได้ได้มาตรฐานของตัวเองค่ะท่านถ้าวันไหนไม่ได้ก็จะทําก่อนนอนนะคะนานหน่อยอะค่ะแล้วถอยากจะอยากจะก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มเพิ่มไปทับพักก็ได้สัปดาห์ที่จะได้ค่ะท่านในระหว่างหลังถึงสุกจะไม่ค่อยมีโอกาสแล้วละคะเพต้องทํางานนะคะได้ แล้วก็อย่าไปเครียดถ้าทำได้เท่านี้ก็ยอมรับว่ามันก็ได้เท่านี้ตานนี้ค่ะเห็นโทษของความอยากแล้คะท่านเข้าไม่ได้ไปหลายวันเลยค่ะใช่ภาวาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเวลาที่เรได้ปฏิบัติมันไม่เท่ากันก็เท่าที่เราทําได้ค่ะไม่มีคำถามอ่ะขอบคุณค่ะมีเดี๋ยวค่อยถามทีหลังก็ได้ค่ะ เดี๋ยวฟังไปด้วยคะ่ะคุณหมอภาสนาจากกรุงเทพอ่านในวันสดการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณบอยคุณชายดุหลานะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมารายงานความคืบหน้าคือจริงๆแล้วรู้สึกว่าพอตั้งแต่ที่อาจารย์พระอาจารย์ให้กันบ้านที่จะไปที่วัดนะค่ะคุณสายเป็นอุบายพระอาจารย์มารู้สึกว่ามันก็จะทําให้เราตืต่นร้อนแล้วก็มีความเพียรเพิ่มขึ้น เ, นเพราะว่ามันเหมือนกับจะเปลี่ยนสถานที่ก็วันวัน ได้ได้โทรไปแล้วนะคะที่วัดเนี่ยก็โทรไปเพราะว่าวัดเนี่ยไม่ไม่ลงเฟซบุ๊กเลยโทรไปเพิดช่องนี้มามเลยก็เป็นน่าจะเป็นพระท่านหนึ่งรับนะคะไม่ใช่พระอาจารย์ตันแต่ว่าท่านก็บอกว่าเออวัดยังปิดแต่ว่าวันมาคัพูชาจะเปิดก็เลยเดี๋ยวกะว่าจะตื่นตีจะเอาจา่บ้านตีสี่เพื่อจะได้ไปทานพระ อ, อาจารย์ก็จะได้ให้พระอาจารย์สัมภาษณ์นะคะตีสี่ไปถึงวัดแล้วก็ท่านก็เทศแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเลยมาอาจารย์ก็ก็คือแบบตั้งใจตอนช่วงนี้ก็เลยตั้งใจในการทําพระอาจารย์เพราะว่าเตรียมตัว คือพอมีข้อสอบมันก็ต้องทําทําการบ้านเตรียมตัวให้พร้อมค่ะอาจารย์ก็ก็เลยคือตอนนี้ก็คือทําสติกับคืออ่านที่พระอาจารย์กระจกไปนะคะกับกำลังใจอ่ะสี่้อยกว่าจบไปห้า้อยเกือบจบแล้วก็คือพระอาจารย์บอกเริ่มเข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าทําสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาคือมันต้องไปคู่กันคือพอปกติเนี่ยพอสมาธิตอนเช้าสองชั่วโมงออกแล้วก็เจริญดวงลมเจริญปัญญา กลางวันก็ฟังพระอาจารย์แต่ว่าในระหว่างนั้นอะ่ะเราก็จะมีสมาธิอยู่แล้วนั่งเราก็จะมีสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาคู่กันไปคือพยายามทําให้มันเยอะมากขึ้นก็คือที่พระอาจารย์บอกก็คือถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์คือไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวมันต้องสมาธิคู่กับปัญญาทาระสับกันอมันก็ต้องมีสมาธิก่อนแล้วค่อยไปต่อที่ปัญญ า, าก็าไม่มีสมา ธ, มาธิก็ปัญญาก็เป็นปัญญาไม่มีกําลัง ก็จะเพราะก็คือเจอจะตอนนี้กําลังดูพิจารณาเมล็ดนิสิติของตัวเองของลูกของสามีคือแบบพยายามแบบฝึกเรื่องของเรื่องของการตายในทุกเวลาอะไรอย่างเงี้าายพ่อจันแล้วก็พิจารณา mm hmm. ก, กายกายานุ ป, ปัสสนาสติ ป, ปัฏฐาน mm hmm. เออก็จะไม่มียังไม่ไม่ไมไมไมคือมีพอพิจารณาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าถึงความไม่ประมาทถึงความที่แบบคือมันไม่ได้หดหู่นะรว่าจานันแต่รู้สึกว่าเออชีวิตเราเราไม่เที่ยงเราก็ต้องอะไรที่เราทําอ่ะไม่ได้เร่งรีบทําแต่ว่ามันก็ต้องทําไปเพราะไม่งั้นเนี่ย มันจะมาเสียดายทีหลังเขาอุตส่าห์เกิดมเป็นมนุษย์ชาตินี้อาจารย์ต่เลยรู้สึกว่ามันเจรณาได้พระอาจารย์ก็พยายามทําบางทียังเห็นหน้าพระอาจารย์มองไปอย่างเงี้ยยังเห็นให้แเล็กเลยพระอาจารย์มองมองเห็นกล้ามเนื้อเห็นมันแปบขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อเป็นอะไรอีกาเงี้ยครัอาจารย์ไม่เขงไม่เลยเห็นกะโหลกสีสันเออกระโหลกก็เมื่อตัวเองจะชอบเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าแต่ก็วันนี้ของพระอาจารย์จะเห็นเป็นกล้ามเนื้อค่ะจะเห็นเป็นกล้ามเนื้อปลากล้ามเนื้อวันทีบมาวิ่งตอนแรกว่ิ่งทำไมเห็นเเป็นนก้้าือ อาจารย์น้อยให้ทะลุถึงในโลกเลยใช่ไหมคะทะลุได้อาจารย์ก็มันมีหรือเปล่ามีมีอยู่แล้วเอาทะลุถึงสุดได้พระอาจารย์เพราะจริงๆก็ตอนนี้ก็เอาตำาแล้วให้เด็กมาเปิดเลยคือแบบเอาให้แบบเพราะว่ามันบางทีเราก็แบบไม่ได้ดูมานานแล้วแล้วก็เอามีตํำรายอยู่แล้วไงพระอาจารย์กมาเปิดแล้วก็เชื่อไม่น่าดูเราดูแฟนเราเป็นสำคัญได้ดูทุกคนเลยลูกเลิกนี่ใช่ไหมะไม่ข อ, าาของขอาจารย์คนที่คนที่เราลงรักเนี่ยคนนั้นต้องดูคนดูเขาบ่อย ดูทุกคนเลยใช่ไหมคะได้่า <ừ. S 2> ลูกตอนนี้กําลัง ด, ดูลูกนี่แหละสำคัญเลยเพราะเพรา ะ, เพราะลูกเนี่เป็นคนที่แบบเร า, ารู้สึกว่าเรายึดยึดติดท่านพี่เยอะที่สุด่ะะอก็นนอนนลูกอะไอย่างยึดติดแบบกา ร, รที่ต้องออให้ดูนี่รับตามค่ <ừ. S 2> ะดูดูแฟนได้แต่ว่าตัวเองไม่ค่อยมีปัญหายึดติดแบบกา ร, รเพราะจรงิงๆอิงอันนี้แต่ก็คือคือจะเชื่อพระเจ้าก็คือจะเลยนจสุภาแล้วก็ดูดูแฟนไปเยอะๆแต่ตัวเองไม่ค่อยยึดติดแบบการเพราะอะไรเคยไปดูผิดเปล่า ลดื้อผ้าเพื่อลดการตันหัวการมาตันหาอันนี้อยากดูเพ่มเพื่อนาความตายอ่ะพระอาจารย์ตอนนี้เราจะอีกจะเน้นเรื่องของคือเพราะว่าเดี๋ยวจะไปที่วัดเนี่ยอยากจะให้ผ่านข้อสอบเรื่องของไม่กลัวตายอ่ะพระอาจารย์ก็จะเลยไปที่วัดนี้ก็เคืออาจจะไม่ได้อยู่ไปได้เพราะนี้อาจจะทดสอบเราเนี่ยเราเตรียมข้อสอบนี้ไว้ปะ ปีิทินา่ะพระอาจารย์ก็ที่ทีบอกบพระอาจารย์ถ้าเขาไม่ให้ไปก็เดี๋ยวไปบ่อยๆก็ลองดูว่าเขาเตรียมก็ดูภูสังโคด้วยนะคะพระอาจารย์เพราะ<ม>ว่าอาจารย์พูดถ่ายชุดแล้วอ่ะก็ไปเปิดดูภูสังโคก็คือแบบดีมากพระอาจารย์เนี่ย ว, ว่ามันจะค่อนข้างไกล<ม>แต่ว่าแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าก็มีเตรียมไว้เพราะว่าอาจารย์บอกก็ไปเปิดดูก็ไปฟังที่หลวงพ่อเทศุนาวิชัยอะไรเนี่ยค่ะ ก็ค <idée> <Okay>. ือพยายาเตรียตัวเองสมมุติอย่างตรงปั้นุทธยว่าเนี่ยก็ดูของพระอาจาร์ตันแล้วก็ไปย้อนดูที่ท่านเทศเพราะท่านจะเทศสุดมากท่านจะเทศให้พระฟังอ่ะก็คือท่านเทศนี่ก็จะมีมีมีหลายอย่างเลยที่มันเกี่ยวกับตรงกับที่เรากำลังกําลังตั้งใจอะเรื่องมรณานุสติเรื่องของการละกายะกตัสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์ถ้าท่านไม่ให้อยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์วันมหาบูชาอันนนนะก็ไม่โกด ไปกดแน่ต้องเตรียมข้อเตรียมเตรียมทําข้อสอบทุกข้อเสียเตรียมเรื่องข้อนี้ได้พอไม่นับเาเสียใจอ๋อไม่เสียใจก็อาจจะเม็นเพาะว่าเราอาจจะดูแบบต้องอาจจะแบบเพิ่งทํามาจริงจริงจังๆอันนี้เราไม่น่าจะบอกข้อสอบนี่เลยปล่อยให้เจอเองดีกว่าโอ้ยพระอาจารย์วันนั้นที่ไปวัดปิดก็ยังไม่โกรธเลยพระอาจารย์วัดปิดก็ไม่ได้เสียใจเลยนะอุเบกขาเลยอ๋อโควิดวัดปิดคือเรารู้สึกว่า เราเกรงใจเขาเราไม่โทรไปเองอะ่ะเราเราไปเลยเราไม่มีโทรศัพท์นะพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กก็มีแต่เราไม่ได้โทรเพราะรู้สึกว่าเกรงใจไม่อยากโทรเดี๋ยวไปรบกวนก็เลยขับไปแล้วก็เออกลับไปดูสถานที่ด้วยพอไปถึงวัดปิดอะ่ะพระอาจารย์เข้าไม่ได้ก็เลยได้โทรเข้าไปก็เจอโยมโยมผู้หญิงอะค่ะเขาเขาก็ถามว่าจะทำอะไรเขาบอกว่าจะมาภาวนาเขาบอกว่าเนี่ยต้องเคยมาไหมถ้าไม่เคยมาต้องเจอหลวงพ่อก่อนก็ได้คุยกัน แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกก็ต้อนเข้ามาเปิดหรือว่าอะไรไม่รู้สึกเลยนะพ่อาจารย์เพ ร, รู้สึกว่าเออเราเราเราเราไม่ดูดีๆเองมือครู้สึกว่าไม่ข้อสอบอันนี้น่าจะผ่านอะพ่ออาจารย์ไม่โกรธเตรียมทำใจไว้แล้วก็ให้แฟนไปด้วยก็สัมภาษณ์ทั้งสองคนแฟนอาจจะไม่ได้ก็ยังทําใจว่าถ้าเกิดแฟนไม่ผ่านสัมภาษณ์จะเดวเองผ่านก็ไปคนเดียววันที่รับรับได้เราก็จะขับรถไปคนเดียวพ่ออาจารย์ไปดีโยวคนเดียวได้ไม่เป็นไรเรม่มีปัญหาได้โอเค มีอจ้าีใช่ไหมวันนี้ถามไว้ที่นีแล้วก็คือทาำคําเพียงพระอาจารย์คำถามในคำถามหนึ่งคือคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเราเตรเียมใจไปอยู่วัดเนี่ยอันแรกคือมันมืดใช่ไหมพระอาจารย์คือเราก็จะต้องพิจารณาใช้ปัญญาดูว่าเรากลัวอะไรในความมืดใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วก็ต้องดูว่าถ้าเรากลัวอะไรคือถ้าเรากลัวความมืดเราก็ต้องไปแต่เช้าเพื่อไปดูว่าสถานที่มันคืออะไรอันนี้ก็จะผ่านแต่ถ้าเกิดว่าตอนคืนเราต้องดูว่ากลัวความมืดเนี่ยเรากลัวอะไรถ้า สุดท้ายถ้าเป็นกลัวตายแปลว่าอันนี้เราต้องยอมรับแล้วก็ต้องเราก็ต้องแบบใช้ใช้ทุกอย่างที่เราที่เราทํามาเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาตรงนี้ใช่ไหมคเพราะว่าเราต้องต้องตรวจสอบไมได้ว่าเรากลัวอะไรในความมืด อ, อย่งนีป้าพระอาจารย์นี่คือการเต<อ>รียมตัวก่อนค้นหาดูววาเรากลัวอะไรคะก็จะกลัวที่เราไม่เคยไปมากกว่า Ed, แล้วก็ไม่รู variety, ้ว่ามีอะไรแค่นั้นเองแต่ถ้าเรากิดเราละเราคิดว่าเราจะละกายล้วก็ต้องกล้าเผชิญหน้าว่ามันจะมีอะไรเราก็ต้องกล้าเผชิญเราเพราะเราเรารู้ว่าเราเตรียมตัวพร้อมเอาไว้แล้วตั้งสติไว้ดีแล้วกันตั้งสติกับสมาธิเราไม่ได้ไปตามคืนไปแล้วก็ไปตามกลางวันแล้วก็เราก็สำรวจบริเวณที่เราพับอยู่อะไรว่ามีอะไรบ้าง ถ้าสมมติมีงูอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วก็คือเราเรายอมตายจริงแต่ว่าถ้าเราเจองูเนี่ยเราต้องไม่กลัวแต่ว่าเราก็สามารถจะเดินหลบได้หรือว่าเราแผ่เมตตาให้เขาใช่ไหมคะทางคนต่างอยู่<ม>คือเราไม่จําเป็นต้องโดนงูกัดใช่ไหมพระอาจา ร, ร ย, รา ย, ย, า ย, ย, ย์คือว่าเราเราสามารถที่จะเราก็คืมีสักษะลายอย่างเงี้ยพระอาจารย์ที่เลี้ยงอยู่ว่าเอ๊อย่างเงี้ยเราคือว่าเราเราเห็นเขาแล้วก็แล้วก็แบบไม่ได้คงแบบเหมือนกับว่า หมอยัเขาผ่านไปเองใช่ไหมพระอาจารย์ก็ดูแลปฏิบัติอย่าไปคาดเลยไปเจอเของจริงแล้วดูว่ามันเป็ น, ย, ปนยังไงก็แล้วกันเรียนไปแทบตาย๋ย่าไปเชืนั่นก็มั น, ม น, มนลงวยลงขึ้นเวทีก็เติรนวทีได้พระอาจารย์ไม่บบยังไงก็ไปพระอาจารย์ไม่รู้เพราะว่านี่ทาไม่รู้สึกว่าพร้อมพระอาจารย์เนี่ยพร้อมขึ้นจากที่ทแล้วชิ้นนี้พร้อมขึ้นเพราะว่ายัางตั้งใจทา อะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็ส <kidnapped zu> <Edge> <S <S <The> ักแต่ว่ารู้ไปอันนี้เป้าหมายของการปฏิบัติก็ให้สักแต่ว่ารู้เห็นรู้ก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินไปพรุงแต่งไปคิดไปนู่นไปนี่เป็นอะไรให้อยู่กับปัจจุบันนายฟ้าจันจะไปทางานบ้านต่อนี่คุณทวิษาจากสวิตเซอร์แลนด์เชิญ การนามัสการท่านาพระอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงวันนี้หยุดทํางานใช่ไหมปิดล่างนะค่ะท่านปิดทุกวันพุธค่ะเป็นวันพระของเรานะค่ะจะได้จะได้สะดวกแล้วก็อ่าคือสะดวกค่ะคือสะดวกในการในการปฏิบตัติค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ ฝึกค่ะอยู่ในขั้นฝึกค่ ะ, ะเหมือนที่สติพยายามควบคุมใจอย่าให้คิดมากะา น, นะะให้มีสติอยู่ปัจจุบันพุทโธพุทโธไปอยาคทีด่ได้ค่ะพยายามฝึกสติให้มากขึ้นค่ ะ, ะ, ะเพราะว่าเหมือนเมื่อเช้าก็ฟังเทศของท่านอาจารย์ก็เลยแบบ อจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเรามีเวลาเหลือน้อยเท่าไหร่เหลื อ, อมากน้อยเท่าไหร่ก็เลยกำลังยังไม่มีแต่ก็ใจสู้ค่ะใช่พยายามเอาเวลาที่เราว่างนี้มาใช้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดจะดีที่สุดเวลาอื่นถ้าจาเป็นต้องทำก็ทำไปงานอย่างอื่นถ้ามีความจเป็นก็ทำไปถ้าไม่มีความจำเป็นปก็น อ, อย่าไปทำมันค่ะ ทำมาเจริญสติมานั่งสมาธิดีกว่าพญาณนั่งบ่อยๆนั่งนล่งมากๆวิญญาณมันจะไม่ชอบนั่งเลยใช่บางทีบางทีก็ขึ้นขึ้นเหนื่อยแต่แบบคือกล่าวไว้ว่าอนั่งนานแต่พอเป็นแบบร่างกายมันรู้สึกเหมือนกับกิเลสมันมันมันมันมามันมาเราก็คือต้านมันไม่ไหวเราก็ โอเคสามสิบนาทีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไหวลูกก็ลุกมาเดินก้เราไปค่ะลุกมาเดินจ้กงโคมใจอ่ค่ะก็เลยพยายามพยายามไปนะาพยายามอยู่ทไหนคามเร็จอยู่ทีนันค่ะท่านพยาบาลค่ะสาธุค่ะก่าวขอบพระคุณค่ะโอเคเด็กชายพิรษิตตอนนี้ขับรถอยู่คุณมาเลยอยาเข้ามาไมมลึกเดี๋ยวรอก่อนทีหลังค่ะนักศาของพ่อค่ะ เค่ะคุณยังทำรถอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวค่อยคุยในทางนี้ไหมได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนครับได้แต่ขอฟังไปด้วยนะคะหลวงพ่ออ่เอาเลยแล้วเลไปหาคุณคเอกต่อคุณเอกแข็งแรงไหมครับธรรัศาสการพระจานทร์ครับผมเอ่าเป็นยังไงบ้างครับผมเอ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ ผมว่าอยู่ในการปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เกิดความสงบในช่วงช่วงเย็นนะครับพระอาจารย์ช่วงเย็นและช่วงก่อนนอนครับก็นิ่งสงบครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดมีความรู้สึกแบบว่ามันจะมันจะทันนะครับจะทันกับความรู้สึกแบบว่า เ, เวลาไม่พอใจหรือ ยังไงมันจะเกิดมันรู้ขึ้นมาก็เออเราก็หยุดบรรทงที่ใจก็ไม่ออกมาทางเอ่อทางวาจาหรือทางกายอะไรฮะอืมบางทีมันมีเสียงแบบว่าบวรบกวนเราไม่ชอบอย่างเงี้ยผมก็เออพยายามเดินออกจากที่ที่มันแบบว่าวุ่นวายอะฮะใช่แต่ว่ารู้ว่าสั่งสัแต่ว่ารู้โอสั่งแต่รู้รรครับผมสั่งแต่ว่าได้ครับอยไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้รับเนยครับผมแต่ก็ แต่ก็ไอเวทนาก็จะมีจะมีอยู่ฮะในช่วงช่วงตอนเช้าอะครับอาจารย์ในช่วงที่ีเออก็นั่งก็ตื่นตีสี่ก็นั่งไปก็ประมาณตีห้าสี่สิบนี่ก็จะรู้สึกก็ทนทนเมื่อทีก็มันมันก็ไม่ไหวไม่ไหวเขาก็ออกมาเดินจยกมมฮะจกกมุมดีกว่าเพราะช่วงเช้าเขาจะทำตั้งแต่หกโมงจนถึงเอ้ยทําตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงนะฮะแล้วก็หลังจากหกโมงคึ่งก็ฟังเอ่อฟังเทศของพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็ ทางสายเออทางปัญญาไปฮะจนถึงหกโมงคึ่งประมาณเนี้ยรับเราไม่ต้องทํางานตอนนี้ก็ก็มีอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้ทํางานอะไรมากครับผมก็เกษียณนั่นแหละหรืไงแล้ว่าก็ยังไม่เกษียณก็คือช่วงนี้มันโควิดก็มีมีมีอยู่บ้างครับอาจารย์งานงานสดเถอไม่ได้เป็นลูกจ้างก่อนแล้ก็ก็เป็นลูกจ้างอยู่แต่ว่ามันเป็นโครงการก็ไม่ได้ไม่ถึงกับทําทุกวันนะฮะอาจารย์ ส่วนใหญ่ก็จะทํารีพอร์ตก็ไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็มีเวลาอยู่ครับอเพ่าผมก็เพิ่งกลับมาจากเอ อ, อสเตรเลียกลับมาจากซิดนีย์ได้ประมาณสักปีกว่าปีกว่าสองปีครับอาจารย์อืก็ทุ่งนี้ก็อยู่อยู่ที่บ้านก็ทําเกษตรทำอะไรไปฮะเศรษกี่พอเพียงไปเพราะมันเจอโควิด ม, มาก็ก็ไม่ได้ไปทําอะไรมากครับรอาจารย์อครับ ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะข้าพผมพระจันทร์เออมีแล้วอยากจะกระตุ้นก็ต้องใช้มาตรการอดข้าวหรืออะไรอย่างนี้บ้างก็ได้เดินเดินนานๆอย่าเป็นได้แค่เอามันเป็นชั่วโมงดูชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงดูทำต้องทําอะไรที่มันมันหนักๆหน่อยมันจะได้กระตุ้นกิเลสกระตุ้นธรรมให้เกิดข้าพผม เดี๋ยวผมลองดูครับเพราะว่าอช่วงเย็นนี้ผมไม่ทานข้าวอยู่แล้วแล้วก็เอวันพระผมก็ถือศีลนุบโสถกินข้าวมื้อเดียวอยู่แล้วครับอาจารย์ออก็เดี๋ยวผมลองดูครับลองลองเดินทักสองชั่วโมงนะเพราะปกติช่วงเย็นจะเดินเดินทุ่มจะถึงสองทุ่มแล้วก็นั่งสมาธิจะถึงสามทุ่มฮะอืหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาห้องนอนก็ขอนอนก็นั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งครับก็ลองดูลองเดินยาวๆดูครับ ข้างสองดูว่าเป็นยังไงบ้างลองลองเดินสักสองชั่วโมงนะคอัอืออมครับได้ครับได้ครับพยายามทําอะไรให้มันนานเดิ น, นก็นานนะั่งก็นานครับนนผมนั่งนี่มันมีสองแบบนะเป็น น, นั่งแบบไม่ทรมานร่างกายแต่ทรมานใจคือบางกรั้มให้มันนั่งแต่ถ้าเมื่อยก็ขยับได้เข็นนุกขึ้นยืนหรอะไรแต่ไม่ให้มันไปทําอะไรให้อยู่ทุกจุดนั้นจุดเดียว เราต้องทํำห ล, หลายชั่วโมงมันสู้กับความอยากที่อยากเคลื่อนไหวไปนู่นมานี่ทํานู่นทํานี่ครับผมอ่เราอันนี้เป็เป น, เ ป, นเป็นการมาตรการควบคุมนู้ลดความอยากของใจให้มันน้อยลงครับผมถ้าเราทำมากๆมันก็กําลังที่มันอยากมันก็มันก็จะลดลงแล้วมันทำให้เรารู้สึกเบามันไม่มีอะไรมากดดันให้เร า, ารู้สึกหมดเย็นอยู่เฉยๆไม่ได้ ข้าพูมข้าพูมข้าบมเราเคยรำนั่งนั่งทีห้าชั่วโมงนั่งแต่นั่งก็อี้นะั่งสบายสบายแต่ไม่เป็นทำอะไรให้นั่งอยู่ตรงจุดนั้นทำแต่พุทโรเรื่องดูลมเรื่องพิจารณาปัญญาของเราไปถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนหายเมื่อยก็กลับลงไปนั่งใหม่ล้วมันได้ข้าพมอันนี้คือการอต้านความอยาก ตามความธรรมดาใช่ล้วพออยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็อยากจะลุกไปตรงโน้นพอตรงนั้นก็อยากจะลุกไปตรงนี้ครับผมครับผมโอ้ครับผมอยู่ในอริยบทเดียวนะฮะคือคือนั่งแล้วก็ถ้าปวดก็มายืนแล้วก็นั่งต่ออย่างเงี้ยครับง่ายครับผมแล้วก็ถ้าหิวน้ำเขาน้ํามาวางไว้ที่ข้างที่นั่งครับผมถ้าต้องเท้าน้ำก็ยอมไมนไปแต่ไปเอาน้ําอย่างเดียวไปเสร็จก็กลับมาที่เดิมครับผมเพราะว่า ผมผมเองจ ะ, จะเอ่อเจริญสติอยู่ตลอดะฮะพูดโทพุดโธเดี๋ยวนี้พูดโทพูดโทตลอดครับอเข้าวพุดโทพุดโทโทอย่างถ้าจะนั่งอยู่นั่นได้มันต้องใช้สติคอยคุมจิตถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็เ อ, อดาดขึ้นมาอือครับผม เ, เคยไหมไปเคยนั่งเฉยๆตั้งสี่้าชั่วโมงนั่งกับที่ไม่ทําอะไรยังยังยังไม่เคยเลยครับเดี๋ยวต้องต้องลองหนึ่ครับอาจจะเคยนั่งทํางานเนี่ยถ้าทํางานทําได้หลายๆชั่วโมงนั่งทําได้ ฆ่าผมให้น่งเฉยๆไม่ทําอะไรกับสบายกับไม่ทําครับเดี๋ยวต้องเพราะมนเคยทําผมไม่ให้มันมาทำเลยมันก็เลยอึดอาดขึ้นมาฆ่าผมฆ่าผมครับผมอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราสามารถเอามากระตุ้นการปฏิบัติของเราได้อพอเมื่อเรามีมีเหตุการณ์นี้มาคับเราก็ต้องใช้เราก็ต้องปลุกสติขึ้นมาเรื่องอะไรอเงี้ยครับครับครับกสติ พุทโธบ้าสวดมนต์บ้างพิจารณาอาการธาตุบี่สองาศาศาบ้างดูลองหายใจให้มันสงบบ้างอะไนี้ต่อจากความอึดอัดความอึดอัดที่อยากจะลุกไปนู่นลุกมานี่ทำนู่นทำนี่อะไครคือคือผมผมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันนะครับพระอาจารย์ไว้ผมจะนั่งตอนกลางคืนให้มันสว่างไปเลยดีไหมให้มันตีส <ừ, S 1> ีดมผมก็เคยคิดอยู่นะไว้จะนั่งไหวไหมเงี้ย ผมผมคิดว่าไอ้ผมต้องฝึกสติก่อนหรือว่าต้องเดินจงกรมสักสามชั่วโมงก่อนแล้วก็เข้ามานั่งอะไรประมาณเนี้ยถ้านั่งแบบถ้านั่งแบบธรรมดาให้ร่างกายเจ็บไม่ได้ก็นั่งแบบเป็นนิยาบปดได้ผิดพลาดถ้าตอนถ้าเรายังไม่ไหวสู้สู้ทุกเวทนาไม่ไหวก็เอาเอาเอาพอมันปวดมากๆก็ลองขยับอยู่อืถ้าไม่ขยับได้ยิ่งดีแต่ถ้าแต่ถ้าเราจะเอาแบบอย่างน้อยก็ควบคุมแม่มัน ทำอะไรตามใจมันบังคับมันครับผมแล้วมันฝึกสติให้มันนั่งสมาธิอะไรของมันไปครับครับลองทำดูนะครับครับเดี๋ยวผมผมลองดูนะาจรยยากจะกระต้นการปฏิบัติให้มันจะก้าวหน้ามันต้องเพิ่มมาตรการให้มันอครับผมเข้มขึ้นเขีอยวเข้มขึ้นพห้นขึ้นให้มันมีข้อสอบให้ต้องทํายากขึ้นโอ้ครับ เช้หนวดอาหารครับผมแล้วนั่งไม่นอนก็ได้เคยนั่งนั่งเองครับถือเนสันชิกไปเลยนะครับเนสันชิกไปหรือเดินก็ได้เดี๋ยวต้องลองสักวันเดี๋ยวต้องลองสักวันหยึ่งมันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงน่าน่าลองเหมือนกันครับพระอาจารย์ครับใช้หนวดอาหารก็ได้อืมแต่หนวดอาหารนี่ยังยังไม่เคย แล้วแต่จลิตแล้วแต่ว่าอันไหนเราชอบอานไหนก็ลองมาอย่างนั้นอยู่อืมครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ข้อข้อคิดนะไม่ได้ข้อบังคับไม่ได้อะไรครับผมไม่ได้หรือว่าผมน้อมไปปฏิบัติครับอาจารย์ปฏิบัติอยู่ที่ดอยู่กับที่นานๆมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีการคืบหน้าเพราะมันทําเท่าเดิมนะครับมันก็ต้องมีมาตรการบังคับให้มันทําให้มากขึ้น หรือไม่เช่นนั้นก็เราไปหาที่อยู่ที่บ้านมันปลอดภัยนะเนี่ยคุณาศนาก็จะไปอยู่วัดอยู่โอครับผมแต่ว่าผมผมก็แพนอยู่ในใจอยู่เหมือนกันครับพระอาจารย์ว่าเออถ้าเกิดเออผมผ่านเวทนาได้สักประมาณสักหกเจ็สิบเปรเซนผมผมมีที่แล้วครับพระอาจารย์เพราะว่าเออมี ม, มีมีพระอาจารย์อีกท่านที่เป็นลูกศิษย์ของผู้ชาอยู่ครับที่ผมเ อ, อไปไปปฏิบัติกับท่านนะฮะ ก็มีปกติม <mur> ีอะไรอยู er ่ฮะอืมก็ก็ผมว่าดูว่าเออถ้าผมเวทนาผมได้ผ่านได้ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบผมก็เออลองลองจะไปดูฮรได้ก็ลองทดลองดูข้าผุมข้าผุมข้าผุมครับโอเคครับพระอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสาธักผันนะครับพระอาจารย์กรับขอบพระคุณครับคุณตรดาจากสัติศรีกรเบี่ าการราชการค่ะาวันที่ยังพรุง่นงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอาจาอดเนอะค่ะอดตลอดเลยเนอค่ะอาจารย์คะหนูได้ยินพอาจารย์อตอบญาติโยมวันเมื่อวันอาทิตย์อะค่ะว่าถ้าเรารู้ว่าเราใช้การอดอาหารแล้วแล้วความเพียรเพิ่มขึ้นให้เราใช้ตลอด อใช้่ตลอดแต่ยังไม่ได้ก็ต้องสลับกลับมากินด้วยน <c oughs> ั้นะค่ะหมายถึงว่ามีโอกาสก็คือใช้ใชมันมันจะเป็นวิธีกระตุน้นเพราะมันเวลามันหิวเนี่ยมันมันทุกเกิดแล้วมันทุกเกิด <c oughs> สติปัญญาก็ต้องตามมาอมัไรเงี้ยสู้กับมันได้ถ้าเราไม่มีกินใช่ไหมธรรมดา <c oughs> เราหิวเราก็มีกินแล้ <c oughs> มันเลยไม่มีสติปัญญากัน <c oughs> ถ้าเราถูกบังคับไม่ให้มีกินเราก็ต้องใช้สติปัญญาเวลาอาหารแทน เป็นอาหารใจมันก็ต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดถ้าคิดถึงอาหารก็ต้องพิจารณาให้มันเป็นปัดสิบุญเพรารู้สึกว่าได้ผลดีคราวที่แล้ววันที่ก่อนก่อนจะครบนะคะมันเพียก็จริงแต่พอวันที่มันวันที่ที่ครบแล้วอ่ะมันก็เหมือนใจมันไม่ได้เหนื่อยอ่ะค่ะเวลานั่งสมาธิ สู้กับพวกเวทนาก็สู้ได้ง่ายกว่าค่ะใช่ค่ะรอดอยู่รอดร อ, อดอยู่เขาในเจ็บมากอยู่กินสบายาเวลาเจ็บเนี้มันก็ทนไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามันทนยิวมาได้เป็นหลายๆวันนี้คเวทนามันก็ทนมันก็สู้ไหวแล้วแล้วหนูไปอยู่เนี้ยคือรอบนี้ทําทําเหมือนเดิมหรือว่าหรือว่าเราต้อง ก็หนูนทำอะไรอยู่ก็หนก็นําสมาธิเดินโยกงพิจารณาที่ที่เขาที่เราวทำสองเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงแล้วต้องเมื่อกี้เห็นพระอาจารย์แนะนําพี่พเอกก็<ม>อลองทำก็<ๆ>แล้วแล้วแต่ ง, งานนี้ <c oughs> ไม่ได้แนะนําพียแต่ให้ข้อคิด <c oughs> ให้ค้อคิดนะคะหนูก็หนูได้ยินหนูว่าลองถ้าอยากจะอให้มันก้าวหน้ามันก็ต้องมีมาตรการที่กระตุ้นกระตุ้นความเพียรไย หมายควาะว่าเรานั่งอยู่แบบที่แล้วก็ถ้าเมื่อก็คือทํำไงคะขยับได้อะคะถ้าเรายังไม่ต้องการนอนแบบขั้นที่แบบว่าให้ซสงบทุกทุกเวทนาได้แล้วก็นั่งถ้ามันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนหรือขยับอ ะ, อะไรต่างๆ น, นั่งกับเก้าอี้อะไรนั่งกับขอบเพียงก็ได้แต่อยู่ที่เดิมเอไม่ให้ไปทําอะไรคือห้าชั่วโมงอ่ะเราเดินไปไ <laughs> แล้วเขแค่อยู่นั่งก็เอาหน้ามาไว้กันไขย ปวดฉีก็เดิเข้านะก็รีบกลับพอเสร็จแล้วก็กลับมานั่งต่อไม่แต่อ ะ, ะไทลายไปทําอย่างนี้เพราะจะมีเวลามากค่ะอลองแต่ลองปรับแล้วเวลานั่งก็อย่านัง่งเฉยๆนัง่งเฉยๆมันยังทรมานพูดโทรมดูลมหรือพูดโธค่ะหรืออะไรไปถ้าอยากให้มันจิตมันสงบ <c oughs> อ๋อค่ะค่ะพอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูค่ะท่าน หรืว่าถ้านั่งแล้วอยากจะนั่งสู้กระทวกแม่ธนาก็ไม่ต้องปขยับก็ได้ก็ไม่ต้องา5ชั่วโมงเลยอ่ะก็ไม่รู้แหละถ้าสู้ถ้สู้ได้ก็ดีนั่งยาวเลยเหรอคะก็แล้วแต่เราดูเลยนี่ไม่ไม่ไม่ไม่บังคับหนูหนูได้สองที่มากสุดอ่ากที่ไม่ขยับที่ไม่แบบคือนั่งจนแบบจนหายเจ็บจน ก็มีหลายวันหลายรอบก็ลองมารอบนอ๋อเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูเอาถ้าเาไหวบรออย่างนี้หลายรอบนะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลองค่อยๆเพิ่มอทดลองไปนะเดี๋ยวมันจะหนักไปใช่มันเดี๋ยวหักโหมเดี๋ยวมันจะทําให้ไหวแล้วมันจะท้อได้ค่ะคเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มดีกว่าค่ะแต่แต่อย่ายืดกับที่ถ้าอย่าอย่าอยู่กับที่ถ้าปฏิบัติถ้าเดิมก็จะอยู่กับที่ค่ะ ที่บอกมมาตรการมาเสลิกระต้นนี่มันก็ต้องปฏิบัติเพิ่มากขึ้นแล้วมันจะก้าวหน้าสติจะดีขึ้นปัญญาจะเร็วขึ้นจิตสงบง่ายขึ้นอะไรพราะบางทีถ้าจิตสงบแล้วมันมันถ้าถ้ามันอยู่นานมันอยู่ได้ค่ะแต่ถ้ามันบางทีมันแป๊บเดียวมันก็มันแล้วแต่ใช่เวลาการปฏิบัติได้อย่างเงี้ยทดลองดูทดลองลองผิดลองถูก่อันไหนถูกกับเรา ทำให้จิตเราเบา <au S 2> ม, ม, มีสติเบาควบคุมมันได้ง่ายวันวันนั้นหนูไปห้างอ่ะพระอาจารย์แล้วเจอเจอลด ร, ราคาสินค้าลดราคา<ด>และและอันเนี้ยหนูเห็นแล้วแล้วเห็นรองเท้าเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เห็นมันพังหนูหนคิดถึงมันตอนพังหนูว่ไม่ได้ซื้อแบบเหมือนไม่อยากซื้อแต่ว่าเ ด, เดินเดินเดินอยู่เดินเดินอยู่แล้วมันก็มันก็เบาไปเลยเห็นอันนี้จังใช่ไหม แล้วซื้อมาเด็กก็ทำแต่มันเป็นก็คือเป็นเราคิดนะคะมหมายถึงว่ามนันคิดนันก็ต้องใช้ <หา S 2> คิดไปก่อ <หา S 2> คิดไปต่อไปเไม่ต้องคิดพอเห็นพูกมันก็ <c oughs> มันได้แลเดินห้างอยู่อ่ะมันเดินมันเบาเหมือนตอนเราเดินจงกรมแล้วมันเบาแว๊บหนึง่งต่อไปแม่จะถามครูมันเดินทําไมวะเนี่ยหนูเดินหนูก็เบาเบอ้าวเฮ้ยมันก็แบบแล้วแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วหนูก็ มัใบไม่ต้องมีเหตุจําเป็นต้องไปซื้อของต้อไม่มีจําเป็นไปเดินดูนี่ไหนูไปเป็นเพื่อนแฟนเฉยๆไปเป็นเพื่อนหนูไม่ได้ซื้ออะไรมันแปลกก็เลยแบบเล่าให้ภาจันทร์ประมันแปลกปะหลาดเนี่ยเลิกเห็นเลิกเนใจรักเลิกเริ่มเห็นนันทิจังแปลกต้องเดินห้างอยู่ไม่ดีมันก็เบาขึ้นมาเฉยเลยก็เลยแบบอ๋อก็รู้มัน ดีแล้วแหละเห็นอะไรสวยๆอย่าไปอยากได้ขนาดเขาลดราคาเยอะขนานลดราคาด้วยถ้าเขาแจกก็ไปรับหเปล่าต้องลองดูค่ะไม่รู้ถ้าแจกต้องอาจจะดูอีกทีเพราะไม่เสียเงินแต่ความอยากยังอยู่เขาถามตัวเองก็มาทำไมใช่หนูก็ไปหนูไปดูเดินไปเดินไปก็ มองไปเฉยๆมันเหมือนมันมองแสดงว่ายังโลภอยู่ใช่เสียเงินเขาจ่ายเขาเอาอาจจะเอาแสดงว่าไม่ได้ค่ะไม่ถึงค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่เอาแต่ถึงแม้จะแจกให้ก็ไม่เอายังไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ต้องเจอก่อนก็ยังจะได้ต้องใช้เหตุผลว่ามันจําเป็นต้องมีะ เป็นรองเท้าคู่มีคู่เดียวมันขาดต้องมีคู่ใหม่อะซื้อก็น่าจะแจกก็ได้เหมือนมันนึกถึงตอนพระอาจารย์บอกว่าเต็มตู้เหมือนเรามีอยู่เต็มตู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยพอจะซื้อก็เหมือนว่าโอ้ยเต็มไปหมดแล้วใส่แล้วเท้าเท้าต้อมีกี่คู่ถามคือเดียวนนัหทํามอืใส่ไม่ไหวบางคู่ซื้อมายังไม่ได้แบบแทบจะไม่ได้ใส่เลยลองข้างลองท้างสองครางก็อยู่นะ บางทีมันตัดท้าเพราะมันใหญ่กระสายมันใช่ค่ะซื้อมานต้องแพงวางไว้อย่างนั้นจะเหรอว่าอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุมความโลภความอยากทำใช้เหตุผลชันเใช้เหตุผลว่าจําเป็นไหมถ้าไม่มีมันแลตายไหมขาดมันได้หรือเปล่าได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะค่อยค่อยฝึกไปเรื่อยๆค่ะโอเคขอความคุณนะคะ S <S <S <S ค่ะท่านต่อไปคุณพ น, พนุเดชนะคุณพนุเดชเช่นอยู่ที่ไหนนรมาสการพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนคุณพนุเดชอยู่ที่ปาจีนบุรีครับปาจีนเคยเข้ามาปะเคยเข้ามาอยู่ครั้งหนึ่งครับนานแล้ว อ, อันนี้มีอะไรไหมมี คำถามมาถามพระอาจารย์ครับว่าผมฝึกนั่งสมาธิแต่ว่าเมื่อหลับตาไปก็แบบเหมือนมันวุ่นวายมันคิดอะไรไปเรื่อยเลยครับแล้วทีนี้ผมก็กําหนดลมหายใจเข้าออกโดยการภาวนาพุโทโธแล้วแต่ว่ามันก็ยังคิดอะไรไปเรื่อยครับเราควรทำยังไงครับก็สติเรามันไม่ไม่ค่อยมีไงแล้วว่ามันก็เลยคิด ก็อย่าไปสนใจมันให้เราสนใจอยู่กับพุทโธของเราไปอย่างเดียวเพตอนตอนใหม่ๆนี่จิตมันยังคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่ในใจอยู่ต้องฝึกไปไเรื่อยใช่ไหมใช่เราเริ่มพุทโธแล้วก็พยายามเกาะติดกับพุทโธไปแล้วมันจะคิดอะไรห้ามันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจอย่าไปคิดตามมันก็แล้วกันครับมีมีครั้งหนึ่งครับเมื่อผมผมเคยนั่งอย่างนี้ครับทนไปคิดอะไรไปเรื่อยทีนี้เพราะนั่งไปนานๆมันก็แบบ มันเหมือนมันสงบแบบว่ามันไม่คิดอะไรแล้วแล้วเหมือนตัวเรามันมันลอยลอยครับทีนี้พอเข้าไปพอได้สักพักหนึ่งที่มันสงบได้สักพักหนึ่งมันมันก็เหมือนออกมาเลยครับแบบดีออกมาเลยมันเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าสติหมดกําลังกิเลสมันก็ดันดันออกมาอกิเลสมันมันชาบดันให้รออกมาข้างนอกให้เราไปนู่นมานี่ครับ พอสติที่ดันมันเข้าไปมันหมดกํำลังทู้มไม่ไหวมันก็เดดจิตออกมาครับก็ต้องพูดโธรใหม่ถ้ามันเด็ดถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ต้องพูดโธใหม่ต่อเรื่องการภาวนาใหม่นะครั บ, รบต้องควบคู่กับเดินจงกรมด้วยไหมครับก็ถ้านั่งต่อได้ไม่ต้องลุกก็นั่งต่อไปเลยก็ได้ลุกถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกมาเดินจงกรมต่อ ครับพอหายพอพอพ่อ พ, อ พ, อ พ, อพอี่จะนั่งมากลับไปนั่งใหม่ครับตอนนี้ผมก็ฝึกฝึกนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบอยู่ครับแล้วผมก็มีมีคํำถามถามพระอาจารย์ครับว่าการที่เราแผ่เมตตากับการที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมันมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงครับคือการอุทิศส่วนบุญนี่เขเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่ง จะเราต้องมีบุญเราต้องทําบุญก่อนเช่นเราใส่บาตรนี้ใส่แบาตแล้วเราก็มีบุญที่ยาแบ่งให้ให้ผู้ผู้รงรับไปแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับผู้รองรับ <Okay. S 1> ก็เท่ากับเป็นการให้แผ่ความเมตตาให้กับผู้ที่รงรับไปค <Okay. S 1> แต่สำหรับคนที่ย่คนทียังมีชีวิตอยู่เวลาเราพบกันเราก็ต้องแสดงความไม่ตีจิตต่อกันอ เจอกระทักทายยิ้มให้การถามสารทุกข์สุขเด็บอย่างนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแต่ถ้าเรานั่งสวดนี่ไม่ได้แผ่ให้ใครเวลาเรานั่งสวดคนเดียวนี้ไม่ได้แผ่เป็นการสวดการสวดนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการซ้อม <ninja> เป็นการซ้อมแผ่การที่เรานั่งสมาธินี้คือไ ด, ได้ได้กับตัวเราใช่ไหยครับหรือว่าถ้าเราแผ่ตาขึ้นเป็นั่งสมาธิเราก็จะได้ผลแต่ การนั่งของเรานี้ยังส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผลเป็นการเพียงแต่พยายามพยายามให้มันได้ผลยังมันไปยังไม่มีผลบุญไปอุทิศให้กับใครเราไม่เอถ้าอยากจะอุทิศบุญนี้ต้องอุทิศด้วยการทํทททททท า, า, า, าทําทานสังฆทานใส่บาตรหรือบอริจาดเงินให้โรงพยาบาลอะไรนี้ก็ได้ทำเสร็จก็เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจอันนี้แหละคือบุญ นั่งสมาธิเรายังไม่ได้ถึงขั้นอิ่มใจสุขใจมันก็เลยไม่มีอะไรจะไปไปทุทิศให้เขาครับคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่านั่งสมาธิเสร็จก็อุทิศบุญที่เปิดจากการนั่งสมาธิแต่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลน่ะนั่งสมาธิส่วนใหญ่มันยังไม่จิตไม่สงบไม่รวมมันก็เลยฝึกมันต้องฝึ ก, กมันหายจิต ถ้าจิตสงบรวมแล้วจิตมีความสุขอิ่มใจก็อุทิศส่วนนั้นไปได้ครแต่ถ้ามันไม่มีก็มันก็ไม่มีอะไรจะอุทิศกั น, น้นะครับเหมือนทํางานเงินเดือนยังไม่ออกนี่จะเอแบ่งงานให้คนอื่นเขาก็แบ่งไม่ได้๊อืมต้องรอให้เงินเดือนออกก่อนครับของาะงั้นเราเพิ่มเราสะสมเนี่ยงานสมาธินี่มันส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่ได้ผลยังไม่ได้รับเงินเดือน แต่ถ้าทํําทาบุญใส่บาสนี่มันได้รับทันทีเราทําบุญกับเราจริงไหมครับที่ว่ามีคนเขาบอกว่าถ้าทําบุญกับพระที่แบบมีบุญมากมาๆเป็นพระอริยาบุคคลหรือพระอรหันต์อย่างนี้จะได้บุญมากกว่าใช่ไหมมันได้บุญอีกอันหนึ่งคือบุญทางปัญญาอะไยได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจากแต่ถ้าบุญที่ก็จากการทําทานนี่ทำกับใครก็ได้เท่ากัน ทำก็พ่อแม่ที่บ้านก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพ้าอาหารของเราเนี่แต่บุญกัารหนึ่งหรือปัญญานี้ต้องทำกับพระอริยะเท่านั้นถึงจะได้เข้าใจไหมเข้าใจครับอาจารย์ครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับคือตอนนี้ผมผมสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยไปแล้วผมก็ตอนนี้ผมก็ กำลังอ่านหนังสืออยู่แล้วก็เตรียมการสอบสัมภาษณ์อยู่ครับมผมขอความเมตตาจากพระอาจารย์นะค่อยอวยพรให้ผมหน่อยครับให้ผมติดภารกิจอะไรก็พยายามาทาการบ้านให้ดีก็แล้วกันพรเท่าไหร่หไม่ดีแล้วกับตัวเราเนี่ยครับต่อให้พระเจ้ามาให้พรถ้าไม่ทําการบ้านมันก็มอนก็มันก็ไม่ผ่านนะครับนั้นพยายามทําการบ้านให้พร้อมนะครับแล้วก็ เราก็ถามแล้วก็ตอบได้เลยครับหมือครับโอเคนะข้าพกลั บ, บห้กันรักษานมาลีกลับถึงมานแล้วใช่ไหมคุณม า, าลีเด็กชายวัยละสิบเียแดงหายนิ้วให้กัโอเคขยันคุณมาลีกลับหลงพ่ออีกครั้งค่ะหลวงพ่อพอดีวันนี้หนูงานดึกไปหน่อยคะ่ะเลยวันนี้ขอตัวรีบรี บ, รบขับออกมา ผมพ่อาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะหนูก็ปฏิบัติทุกวันปฏิวัติปฏิบัติเช้าที่ที่เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังอะคะ่ะแล้วก็ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนตื่นมาตอนดึกก็คือจะเพิ่มเหมือนเพิ่มเวลาให้มันเยอะขึ้นและทีนี้ยใจมันก็เหมือนกับแบบว่าดูว่าเราอะจะแก้ไขยังไงให้เราอ่ะรู้สึกมันพัฒนามากกว่าเดิมก็ที่หนูฟังหลวงพ่อเทศหลวงพ่อบอกว่า เออต้องเหมือนเข้าสมาธิให้ได้ให้ได้ตามที่เราต้องการแต่อันเนี้ยหนูก็ยังยังไม่ถึงและทีเนี้ยหนูก็พยายามพยายามอยู่ค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ทีเนี้ยหนูมาฟังที่หลวงพ่อเทศหนูสงสัยตรงที่ว่าคนที่เขาปฏิบัติจนถึงเขาที่หลวงพ่อบอกว่าถึงอถึงรูกประชานใช่ป่ะคะแล้วต่อไปมันจะมีอัลลูก อาลูปชานใช่ป่ะคะออตรงเนี้ยหนูยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วหนูก็ไปไปหาความรู้มาว่าอาลูปชานมันก็คือการเหมือนกับแบบเราเราละความจําละอะไรอะ่ะวิญวิญญาณใช่ป่ะคะหลวงพ่อประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยให้ดูความว่างเนี้ยคือหนูยังไปไม่ถึงตรงนั้นคือแค่แค่ แค่ให้หนูเข้าใจว่าลำดับขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่หนูยังเข้าใจไม่ไม่หมดค่ะหลวพ่อคือขั้นอารูุปรชาเ น, นี้ไม่จําเป็นจะต้องไปได้จำเป็นใช่ไหมค ะ, ะได้รู ป, ปรชาสีก็พอเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบิอขา อ, อ๋อค่ะหลวง่อจากสีขึ้นไปถึงแปดนี่ก็ได้บุเบิขาเท่ากันค่ะเพียงแต่ว่าได้สงบมากขึ้นเราใช้กําลังของสติมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์จาก ลมจากจากการดูลมมาดูความว่าดูวิญญาณที่ว่าดูอะไรอย่างเงี้ยเขามีลองไปอ่านดู่คะเราก็ไม่เคยเข้าหรอก แ, แต่เราพอจะเข้าใจแต่ว่าแค่หมายหมายว่าคือทําอย่างอย่างพวกคนทั่วไปอย่างเงี้ยคือทําให้ได้สมาธินานๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมใช่ได้ถ้มันแค่นานๆชั่วโมงอย่างงี้ยสองชั่วโมงอ่าค่ะหลวงพอ่อ การนี้ก็พอแล้วให้มันให้มันว่างแบบอุเบกขาเบาอกเบาใจสบายใจหลวงพ่อมันคือมันพอมันทําได้ถึงตรงที่หลวงพ่อบอกว่าอุเบกขาเบาใจแต่ว่ามันเหมือนระยะเวลามันสั้นนิดนิดเดียวค่ะหลวงพ่อก็สติแล้วอย่างน้อยเขาเรียกคันธิการสมาธิค่ะหลวงพ่อพอมีสติเพิ่มมากขึ้นเราจะรับสติได้มากขึ้นเวลาเข้ามันก็จะเข้าได้นานขึ้น หลวงพ่อคนแล้วเวลาลที่เราปฏิบัติแล้วความแรงของเวทนาเนี่ยมันมันจะเพิ่มขึ้นตลอดใช่ใช่หรือเปล่าคะหรือว่าไม่จำเป็นคือตามที่หลวงตาท่านนล่าให้ฟังเวลานั่งแบบแปบดบชั่วโมงเนี่ยท่านจะเจอเวทนาสามขั้นตอนต้งก็เป็นขั้นหนูแล้วก็ขั้นหมาแล้วก็ขั้นช้างขั้นสุดท้าย ตลอดขั้นสุดท้าเนี่มันเหมือนว่าร่างกายก็มันจะแยกออกจากกันใช่ใช่ค่หลวงพ่อรวดร้านเลยหลวงพ่อมันเหมือนมันอีกตอนที่มันรู้สึกว่าที่ที่ความรู้สึกที่หลวงพ่อเคยเขียนหนังสือว่ามันเป็นอันเดียวกับพื้นที่เรานั่งตรงเนี้ยค่ะคือมันก็ได้ไปถึงตรงนั้นแต่ว่าหมีความรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันเหมือนเราใจเรามันมุ่งที่จะเพิ่มเวลาปฏิบัติแล้วที้เนี้ย เหมือนเวทนาเขาก็เพิ่มความแรงขึ้นมาค่ะหลวงพ่อมันแรงแรงแบบแรงจนต้องต้องคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็พยายามที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าจะให้มันหลุดตรงเนี้ยมันต้องเหมือนใช้ปัญญานิดนึงใช่ไ่มคะหนูก็คิดว่าอ่ะก็นั่งนั่งนั่งดูมันไปทนไปเวทนาก็อยู่ของมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่มันก็เกือบ เกือบจะไม่รอดแต่ว่ามันก็รอดมาทั้งอาทิตย์ค่ะรอดรอดจนได้ค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันรุนแรงค่ะหลวงพ่อเหมือนเหมือนมันเนื้อขาเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลุดออกไป อ, อ, อ่ะหลวงพ่อความเจ็บปวดก็เกี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันเราไปห้ามมันไม่ได้ค่ะหลวงพ่ อ, อมันจะปวดเข้าเรื่องของมันเราก็รับรู้ไว้เฉยๆค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็มาคิดว่าเออตอนเนี้ยหนูพยายามจะ เข้าให้ได้แบบเหมือนตามที่หลวงพ่อสอนว่าให้ให้ได้ตามที่ต้องการก็คือพยายามดูว่าตัวเองอ่ะทําทําแบบเหมือนมันผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยก็พยายามพยายามทําอยู่ค่ะหลวงพอ่อทําทําทุกวันค่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มเวลาแต่อย่างอย่างจะมีบางช่วงอย่างที่หนูรีบทาํางานเงี้ยหนูก็จะตรงเนี้ยคือไม่ได้เลยค่ะหลวงพอ่อมันมันเหมือนมันมันภาวนาในใจไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องคิดงาน<อ>คิดอะไรเนี้ย ก็ยอมรับสภาพไปว่าตอนนี้เรามันยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนขับรนใต้ทางดว้วยห น, หนูหนูก็เลยคิดว่าจะพยายามทำให้เรามีเขาเรียกอะไรสติให้ให้มันเยอะๆไว้ก่อนอค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อห้าหนูถามอีกนิดนึงได้ไหมคะอ่าเลยคือเอ่อมีคนสมมติมีคนมาถามว่าทําไมต้องทําทานทุกวันทำไมต้องทําทานทําบุญทุกวันแล้วเสร็จแล้ว เมาว่าไหมเล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าอย่างอย่างคนบางคนเนี่ยเขามีตำแหน่งเขาเป็นอายการเป็นผู้วิพากษาเนี่ยเขาก็ปฏิบัติเขายังได้เป็นแค่นางฟ้าแล้วเหมือนประมาณว่าหนูปฏิบัติแบบอย่างเงี้ยมานานแล้วอะ่ะเขาเขาเหมือนประมาณว่าอย่าไปหวังวิมุตต์หลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อเขาเขามาพูดอย่างประมาณเนี้ยแล้วเรา<อ>ค่ะแล้วตอบว่าเธอมาเธอเป็นใคร ก็เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าถามว่าดูาา เ, ธเธอเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าค่ะเหมือนถ้าไม่ไม่ไม่เป็นแล้วเธอมาพูดมันพพูดมันพูดไม่เหมือนกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์พูดคือเหมือนจะพพระสงฆ์ท่าหลวกใครปฏิบัติก็ได้อย่แค่ค่ะเขาบอก คือเขาพูดเหมือนประมาณว่าหนูก็คือทั่วทวไปไม่ได้ไม่ได้รวยไม่ได้มียศไม่ได้มีตําแหน่งอะจะไปสู้กับคนอย่างนั้นได้เหรอที่เขาปฏิบัติแล้วเขาได้เป็นคือมีพระมีพระเหมือนเหมือนบอกเขาเขาไปถามหลวงพ่ออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะว่าเขาทําขนาดเนี้ยเขาจะได้ยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าเหมือนเหมือนเราทําทุกวันเนี้ยมันไม่ได้หรอกประมาณเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อ ขนาดแซมมานีนยังเป็นบรรลุเป็นพระอาหารได้แต่หนูก็บอกว่าทําแล้วสบายใจแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขานะคะแค่แค่ว่าเออทําไมถึงมีคนคิดว่าทําไมต้องทําทุกวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็สูปฏิปัโ诺เลยบอกเขาสุตรปฏิบั诺ก็ต้องทําทุกวันค่ะลงปฏิบัติดีใช่ไหมถ้าทําวันไม่มันก็ไม่ใช่สูตรปฏิบัโ诺แล้วครึ่งครึ่งสุปฏิบั诺ค่ะหลวงพ่อ แต่หนูก็ไม่ได้ไปฟังอะไรค่าหนูก็ยังทําของหนูทุกวันแล้วก็ปฏิบัติไม่จำเป็นฟังพวกหลวงตาบอกฟัความพูดพ่อทำพ่อสมดีกว่าเขาก็จะมองว่าหนูเพี้ยนไงค่ะหนูก็ใช่เลยเราเพี้ยนจากเขาเขาเพี้ยนจากเราะขาดหลวงพ่อใช่ไหมเราไม่เหมือนเขาหรอกจะเหมือนเขาได้ไงถ้าเหมือนเขาเราก็เราก็ทําแบบเขาสิขาดหลวงพ่อ เราเหม<น>ือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพียนหรือเปล่าเนี่ยสาราชสมบัติที่เพียนบบหรือเปล่หลวงพ่อตหนูก็จะพยายามนะหลวงพ่อหนูจะไม่ไม่ท้ออะ่ะหนูจะต้องพยายามจะไปฟังใครฟังพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะค่ะหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเคยบอกว่าหน้าตายอย่างเธอไม่มีวันเมียบรรดูหรอกมีการทพัอย่าง หลวงพ่อคะแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติการที่เราไปทําบุญแล้วแบบว่าเหมือนเอาหน้าเอาตาอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยเป็นบาปไหมคะเป็นกิเลสเด้เป็ น, นี่ยตาตัวตนตลอยปิดทองหลังพระโดยจากโดยไม่ออกนาผู้ไม่ประสงค์ออกนา่ทําเพื่อใจเราไม่ได้ทำเพื่อหน้าตาเร า, าทำเพื่อใจเราสุกยิ่งคนไม่รู้ยิ่งสุขยิ่งคนรู้แล้วถ้า ยิ่งทำแล้วให้ยายคนรู้แล้วเขาไม่รู้นี่มันเสียใจโกรธนี่ทำไมไม่ประกาศชื่อฉันเขาคือเพื่อนคนเนี้ยเขาเข า, เขาทําแล้วเขาก็ไปถ่ายลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยเราอนั้นแหละก็ เ, เป็นคนรันแนวกับเราไงเขาเอง<ต>นหนูหนูไม่ชอบมไงหนูไม่ชอบให้ใครมามาวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องเขายังแนวเอาหน้าเอาตาอยู่มีอัตราตแล้วเขาก็ามาบอกมาบอกหนูว่า เหมือนแบบทำไมทำทุกวันทำไปก็เหมือนไม่ได้อะไรหรอกอะไรประมาณเนี้ยหลวงพ่อเออนั่นแหละนี่เขาเรียกพลผ่านพระเจ้าบอกอี่ยพูดพผ่านก้บัณติตค่ะหลวงพ่อเพราะสิ่งที่เขาพูดนี่มันไม่เป็นธรรมะเล ย, ไ ม, ยไม่เป็นความจริงเลยขัดต่อหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าที่สอนให้ทําทุกวันให้ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อยิ่มากยินดี เข้าใจไหมเข้าใจค่ะหลวงพ่อต่อไปนี้ก็ไม่ต้องคบเขาไม่ต้องไปฟังเขาไม่เสียเวลาคบกันได้แต่อย่าไปเสียเวลาฟังเข า, ขาไม่ต้องไปปรึกษาเขาไม่นจะพูดอะไรก็ฟังไม่แล้วผ่านไปอย่ามาคิดให้หนักสมองค่าหลวงพ่อวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรค่ะตอนแรกจะไม่กล้าถามหลวงพ่อแต่ทีนี้แบบเหมือนคาใจค่ะหลวงพ่อเมพูดได้หลวงพ่อ คนส่วนใหญ่ก็ยังมีญาติพี่น้องอยู่เราสมัยเราปฏิบัติเาก็หาว่าเราเพี้ยนทั้งนั้นแหละ แ, แล้วตอนตอนที่หลวงพ่อบอกพ่อของหลวงพ่อว่าจะไปบวชแล้วหลวงพ่อของหลวงพ่ออ่ะแบบเสียใจอะไรเงี้ยค่ะ เ, เสียใจเพาะเขาค <ำ S 2> ิดว่าเป็นก็นยอมแพ้คนไปบวชนี่แบบคนไม่ไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้ทางโลกที่ท ที่ต่อว่าหลวงพ่อบอกว่าทําไมอุตสาหไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วแล้วทําไมถึงจะมาบวชอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับไปบอกน้องที่บ้านบอกว่าเอออยากจะมาทํานี้อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ทีเนี้ยเวลาเรากลับไปบ้านน่ะหลวงพ่อมันต้องมีงานเราต้องไปเหมือนว่าเขาทํางานกันอยู่เราไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็จะอดไม่ได้เราก็ใช้พยายามจะปีกมาข้างขงห่างอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบยังยังแบบเหมือนยังห่วงห่วงอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อเออเก็แบ่งรับแบ่งสู้แบ่งแล้วมันอยู่ขเขาบางทีก็ต้องร่วมเขาจะได้ไม่มีปัญหาแล้วทีเนี้ยเวลาตกตอนเย็นหรือมีเวลาว่างเงี้ยครอบครัว ก, ก็จะพากันออกไปกินข้าวไปอะไรเนี้ย หนูก็จะไม่ไปไม่กินข้าวก็มันมันเลยกลายเป็นว่าคนเดียวที่แบบว่าเอ๊ะมีอะไรไม่กินข้าวคือที่หนูเคยถามหลวงพ่อว่ากินข้าวอะไรนะท่านสุสินแปดไม่กินข้าวข้าวเพนใช่ไหมคะแอ่าข้าวเย็นหนูก็ตั้งแต่มาฟังธรรมะ ก, กับหลวงพ่อหนูไม่ได้กินข้าวเลย<ม>แล้วก็กินกินแค่บางทีก็เก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยู่อยู่ยาวซึ่ง เมื่อก่อนหนูจะกินตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อกินแบบเออหิวมเมื่อไหรก็กินแต่พอมาฟังหลวงพ่อหนูไม่ได้กินเลยตั้งแต่มาหลวงพ่อเนี่ยหลายก็หลายเดือนแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ทําให้หนูเวลาปฏิบัติตอนกลางคืนซึ่งหนูไม่เคยนั่งได้นานไม่เคยปฏิบัติได้นานเนี่ยมันเหมือนมันไม่หลับค่ะหลวงพ่อมันคือมันเหมือนแบบมันนั่งได้แบบยิ่งถ้าเวทนาเราทนได้มันจะรู้สึกดีมากๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อได้เขาไม่เห็นคุณค่าของธรรมมาก เขาเห็นคุณค่าของอาหารการกินเขห็นคุณค่าของรูปเสียงกินรถแต่เขาไม่รู้ว่านี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดคือคือเขาแต่ปกติที่บ้านแม่น้องอะไรเงี้ยเขาก็คือไปทําบุญไปผ้าปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเขามีเวลานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาเหมือนแบบหนูพิกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อใช่คนละขั้นเนาะมันขั้นเราขั้นปฏิบัติเขาขั้นทําบุญทําทานคนละคนละขั้น ขาดหลวงพ่อก็เลยดูแปดขาหลวงพ่อขอบพระคุณขาดหลวงพ่ อ, อ, อได้คุณยินดีเชิญเออเปอ็นไงเดวิดสบายดีเหรอนิวไปค่ะเดวิดกำทํางานอยูยวนี้ท่างอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินเดวิดก<า>ำลังงานอยู่ ค่ะไปทํางานค่ะท่านอาจารย์เมื่อชานี้น้องชายเข้ามาใส่มาบอกว่าพี่ชาบอกพี่ส า, าวคิดถึงขวัญ <c oughs> ขวัญ <c oughs> ข๋ยว <c oughs> อย่าไปยุ่งเลยค่ะอาจารย์ปล่ <c oughs> อยเขาไิดค่ะคบาลเขารู้ไงเขาจะได้นอจะได้สบายใจเขาไม่ให้หนูไปยุ่งนะคะหนูก็เลยไม่ยุ่ง <c oughs> <c oughs> อยากให้เขาไปนี่หนูก็อยากให้เขามา เครียดกับหนูพอเวลาหนูยุ่งแล้วเขาหาว่าหนูไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยหนูไปห่วงเขามากหนูก็เลยปล่อยว่าอกับเขาหนูก็เลยปล่อยเขาเออนี่ปล่อยไว้เถอะถ้ามีไม่มีธุระอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งก็ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ท่าอาจารย์สบายดีนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้อยู่รัฐไหนนะเซาท์แคโรไลนาค่ะโคลัมเบียค่ะที่นั่นมีมีเชลินะมีมีโรงงานเนี่มีค่ะ มีมีมีทั้งหมดอยู่ละแวกละแวกเดียวกันมีหมดสามโรงมีกรีนวิวหนึ่งโรงแล้วก็มีอ n d e r s ร n สอีกหนึ่งโรงอ่าพิเงษแทนนั้นก็มีโรงงานผลติตรถยนต์ด้วยนะค่ะเองด้วยเป็นเรืองเป็นเองจริงไม่หนูไม่ทราบอะค่ ะ, ะจานเพราะมีเพื่อนเข้าไปเปิดร้านอาหารไทยที่โคลัมเบียเหรอคะที่ g r e e n v กรีนวิวกรีนวิวค่ ะ, คะ อ๋อกรีนวิวก็ขับรถประมาณก็ประมาณชั่วโมงนึงอะคะ่ะถึงจะถึงกรีนวิวแล้วก็ที่อนดิสันก็อยู่ประมาณเกณฑ์ประมาณขับรถก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอ ะ, ค, ะค่ะค่ะเป็นไงสบายดีนะที่นะั่นสบายดีค่ะอาจารย์อยู่ยบ้างวันเดียวไม่เหงาเลยนอาจารย์ไม่เหงาค่ะท่านอาจารย์เพราะดีอย่างคะ่ะตรงเนี้ยคะ่ะตรงที่ว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่า คนเราถ้าเกิดเราสามารถอยู่ด้วยตัวของเราตัวตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้มันจะเป็นสิ่งที่ดี <ừ> ตรงนี้หนูก็ได้ตรงจุดนี้ค่ะค่ะ อ, อาจารย์อยู่บา้านเฉยๆไ ม, ไม่ไม่เคลียดไม่อะไรนะใม่ค่ะไม่ไม่เหงาไม่เครียนไม่ค่ะไม่ท่านอาจารย์ก็โอเคแล้วมีววออกำนเวลาอยู่ที่นั่นกี่เดือนกี่ปีเนี่ยต้องย้ายก็เอ่อทั้งหมดระยะเวลาคือสามปี หนูอยู่มาแล้วหนึ่งปีงก็เลยอสองปีอย่างค่ะสองปีแล้วแลช่วงช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้เพราะมันเราในโควิดใช่ไม้มค่ะเพราะโควิดอะคะ่ะท่านอาจารย์พา ส, สปอร์ตธรรมดาถ้าเห็นเวลาหยุดพัก ง, งานก็สามารถไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมอะไรได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเ น, นี่ยค่ะท่านอาจารย์พาสปอร์ตไทยหนูมดอายุหนูก็ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันเพราะว่ามันลําบากตรงเนี้ยค่ะเรื่องโควิดนะค่ะหนูก็เลยปล่อยไปก่อน ก็ส่งไปทางเวชนีไดันส่งไปที่วอชิงตันคือคือตอนนี้คือเขาเขาไม่คือตอนค่ะคือตัวจะต้องไปเองไปทำธุระเองเรื่องพาสปอร์ตนะคะมันเป็นมันเป็นพาสปอร์ตรุ่นใหม่อะค่ะถ้าอาจารย์ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราสามารถต่อยุดได้แต่ตอนนี้ที่วอชิงตันได้เลยไม่ค่ะที่นิวยอร์กที่สนามานที่นิวยอร์กใกล้ที่สุดค่ะแต่ตอนนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นโควิดตั้งแต่ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าพาสปอร์ตหมดอายุ เดือนมกราที่ผ่านมาวอชิงตันน่าจะใกล้กว่านะเซาแลนห์วอชิงตันมันใกล้กว่านิวนิวยอร์กใกล้กว่าค่ะจะนิวยอร์กเหนือขึ้นไปอีกค่ะมันใกล้ที่สุดต้องผ่านวอชิงตันก่อนถึงจะไปนิวยอร์กได้วอชิงตันนี่มันมีสถานทูตอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องไปนิวยอร์กน้องน้องลองตรวจสอบอดูซิค่ะหนูลองตรวจสอบแล้วอะค่ะที่นิวยอร์กมันใกล้ที่สุดมันมันใกล้ที่สุดเพราะว่าเราเราบิน ไปที่นิวยอร์กเลยถ้าเกิดขับรถมันก็ประมาณสิบสี่ชั่วโมงอะไรเนี้ยค่ะถ้าขับรถแต่ถ้าเกิดวอชิงตันมันจะไกลอะค่ะจะไกลงนมันผ่านวอชิงตันถึงจะไปนิวยอร์กมันจะเปไกลกว่าอะไรหนันงหนูไม่รู้เมันเซาแลนด์านดก็ขึ้นไปก็นอสแคลินาเสร็จแล้วก็เวอร์จิเนียแล้วก็ถึงวอชิงตันแแหละค่ะเนียหนูลองเช็คถึงจะไปเพนซิลเวเนียแล้วถึงขึ้นไปนิวยอร์กทีนู่นนะผ่านวอชิงตันก่อน ค่ะนนอยู่เครื่องทางระหว่างเท็กาัสกับวอชิงตันอยู่อยู่ระหว่างทางค่ะแล้วหนูก็เลยไม่ได้ก็ก็เลยแบบเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะผ่านรัฐไหนก็จะแบบโดนกักตัวสิบสี่วันเหมือนกันนะคะก็เลยแบบแล้วนี่ก็เริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วนี่ต่อไปก็ของพอถ้ฉีดแล้วก็สบายแล้วไปไหนมาไหนได้คสาธุเค่ะท่านอาจารย์อืม คงไม่<ต>น่าล่ะอเมริกาเร็วคงไม่เกินเดือนมิถุนาทุกคนคันไม่ได้ฉีดกันหมดเขาวางแผนไว้เขาก็คงต้องเอาคนของอเมริกาก่อนละมั้งคะเออเขาเอาอคนที่ที่มีความจําเป็นที่สุดก่อนแต่ของเดวิดของเดวิดได้เร็วค่ะเดวิดเดี๋ยวเห็นตามกําหนดถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าวัคซีนพอนะคะตามกําหนดของเดวิดได้เดือนได้เดือนเมษาค่ะเมษานะ ของเดวินนะคะเฉพาะของเดวินค่ะอาจารย์โอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะท่านอาจารย์หนูฟังเรื่ยฟังแล้วก็เอามาคิดก็ปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ตั้งแต่แม่ศรีใช้ก็พยายามนั่งสมาธิเดินจงกลมเจริญสติไปนะตามที่แม่ตามที่ท่านอาจารย์สอนนะคะโอเคก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอาจารย์เอออ่ะดีขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณมาก คุณวิไลไม่ทราบเปิดก้ามกี่บบเวิไลเป็นปิดก้มสีำมดำไอที่<อ>คุณอาอารีก่อนไหมอาลีสีมือสาคนคุณอาลีเชิญอันมิกดกดอันมิก่อนโอเคอ่ะได้แนะพูดได้แนะเชิญอยู่ที่ไหนคุณอาีจน ม, สมัสาค่ะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่โคราชค่ะเข้ามาครั้งแรกหรเอเคยเคยเข้ามาในอยู่ในเ c e b o o k อยู่ค่ะแต่ว่าที่ที่เข้ามาในซูมนี่เข้ามาครั้งแรกเจ้าค่ ะ, ะ, ะเคยไดไเ้เข้ามารับฟังครั้งแรกค่ะก็เลยก็เลยขอข อ, อฟัง ทุกทุกท่านก่อนนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปกราบพระอาจารย์อยู่นะคะเอตอนช่วงโควิดนะคะแล้วก็ไปใส่บาตรอยู่เออสาธุจ้ะไม่มีอะไรนะตอนนี้ฟังไปก่อนนะค่ะขอขอรับฟังเป็นเป็นผู้รับฟังก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเด้ดวมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติยังไงเดี๋ยวจะเรียนถามมาจ้ะพระอาจารย์นะคะได้โอเเดี๋ยวเราเรที่ทำก็ได้ไม่อยาจะถามอะไรนะค่ะสาธุค่ะ คุณออมคุณออจาอะไรนะบอวินนะคุณอ้อม A O M ออมได้ยินไหมใแล้วิมส ก, การค่ะพระอาจารย์บอวินใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงครั้งแรกตอนวันเสาร์ที่ไปฟังพระอาจารย์เทศค่ะเด้ค่ะนั่งที่ไหนนั่ ง, ง, ง, งตอนที่ฟัง ใช่ค่ะปกติทําไมฟังทําไมฟังแล้วนั่งไม่ได้สูงสุดได้ห้าสิบนาทีค่ะพู้อาจารย์มาถึงนั่งเองหรืว่าเวลานั่งความเจ็บนั่งนั่งเองค่ะนั่งเองยังไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะผู้อาวุโสตอนนี้ตกลงมาอยู่ที่สามสิบสี่สิบนาทีเหมือนเดิมต้องมาฝึกสติไว้บ่อยๆค่ะคือก็ ก็พยายามฝึกสติแต่บางครั้งมันก็ลืมค่ะพระอาจารย์แล้วยิ่งเหมือนเรายุ่งยุ่งทำงานอย่างเงี้ยเหมือนหลายๆเหตุการณ์เข้ามาแล้วเราจะลืมสติไปเลยมันเลยแล้วก็เตือนมันเลยว่าอย่าลืมค่ะบางคนเห็นเขียนสติใส่ไว้ในฝ่ามือไปเลยคอยดูฝ่ามาือเรืยค่ะ <c oughs> ก, ก็เลยคิดว่าต้องมาเอาต้องมามีสติเยอะๆจะได้ขับเคลื่อนสมาธิให้ได้นานขึ้น <c oughs> แต่ว่าจะลืมสติบ่อยมากค่ <c oughs> ะเขียนสติไว้ตามตามบ้านตามประตูตามฟ้าก็ได้ค่ะลองไปได้มีอะไรเตือนเราแต่ก็มีบางทีที่แอ บ, บคิดค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าสมมุติเราจะมีคือฝึกสมาธิแล้วทีเนี้ยก็คือการไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยซึ่งเราใช้สมองตลอดเวลาหรือบางครั้งเราก็ต้องทบทวนอะไรอย่างเงี้ย มันจะทําให้สมองเราตื้อไปเลยไหมอย่างเงี้ยก็ไม่เราเวลาเราจะคิดเราก็สั่งมันคิดได้ค่ะเดี๋ยตอนนี้เราสั่งให้มันหยุดไม่ได้ไมันต้องฝึกสั่งให้มันหยุดค่ะแต่เวลาคิดไม่ง่ายพออยากจะคิดอะไรสั่งมันมันก็คิดได้เลยค่ะให้ตือ้อค่ะมันเหมือนรถรถที่ติดเครื่องความเร็กกระจนนะแต่ปล่อยเบร ก, ม, กมันกะ็วิ่งนะ ม, มันมันมีตอนที่นั่งสมาธิข่ะผู้อาจารย์เราก็พุโทโธพุโทโธอยู่นะคะแต่ว่าคือมันมันก็แปลกนะจิตมันก็ยังคิดเรื่องอื่นได้อะค่ะทั้งๆ ท, ท, ที่เราพุโทโธพุโทโธอยู่เพราะว่าเอาสติอยู่กับพุโทโธไม่ไม่ไม่ไมเต็มที่ค่ะนั่นก็ไม่เป็นไรช่วงใหม่ๆสติเรายังมีไม่มากพอที่จะอยู่กับพุโทโธอย่างตลอดมันก็เลยว่าไปคิดเรื่องอื่นได้ก็ อย่าไสนใจให้สนใจอยู่กับพูดโทรไปก็แล้วกันมันจะคิดก็ผ่อนคิดไปล้วก็อยู่กับพูดโทรไปถ้าเราอยู่กับพูดโทรอยู่นเรื่องนี้นต่อไปมันก็หายเองค่ะพระอาจารย์คะอีกเรื่องหนึง่งเวลาที่นั่งสมาธิเวลาที่เหมาะสมที่ที่ทําสมาธิได้ของคนส่วนใหญ่นี้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงคะก็แล้วแต่ว่าว่างเมื่อไหร่ แล้วมีสติมากน้อยเท่าไหร่ะถ้ามีสติมากก็นั่งได้มากมีสติกก น, น, น, น้อยก็นั่งได้น้อยแล้วนั่งได้น้อยก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าไม่เวลาต่อก็เดินลุกขึ้นมาเดินก็ได้เดินแล้วก็พูดโทพูดโทต่อคือสงสัยว่าชั่วโมงนึงนี้คือเพียงพอไหมคะพระอาจารย์อ๋อเป็นสำหรับเริ่มต้นก็โอเคโอ้อ ถ้าจะให้ไปนิพพานนี่ก็ต้องทั้งวันเลยค่ะคงไม่ขนาดนั้นค่ะค <c oughs> ่ะเราไม่อยากไปนิพพานนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ก็พยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> คือเราก็เหมือนพยายามค่อยตัดออกทีละเรื่องทีละเรื่อง <c oughs> คือเรายังไม่ได้ขึ้นขนาด <c oughs> น, นั้นไม่เขนาดได้อยู่ขนาดไม่เห็นว่าเป็นโชคเลยเราเห็นว่ามันเป็นโชคมนันแครีบตัดเดียวมันเป็นยากที่จะ คือแรงแรงตัดเรายังไม่เยอะคะ่ะพระอาจารย์เราก็แค่ค่อยสั่งสมไปแรงแรงตัดคือปัญญาไม่มีไม่เห็นว่าเป็นทุกข์แต่เราเราก็เห็นข้างนอกเป็นทุกข์แล้วแล้วถึงมาทางนี้ะอะค่ะพระอาจารย์แต่แค่กําลังที่มันจะตัดแต่ละขั้นมันยังไม่เยอะเราก็เลยต้องมาสะสมตั้งแต่เริ่มต้นก่อนดูละครก็เป็นทุกข์นะไม่ดูค่ะไ ม, ไม่ไม่เขีย น, น<อ>ละนครนกคะกินก็เป็นทุกข์อ <c oughs> ่าต้องนิดน้อยก็เป็นทุกข์จะได้ตัดได้ง่าย ค่ะก็ก็คือโดยพื้นฐานก็คือไม่กินไม่เที่ยวไม่ดูละครค่ะอืมก็ทําอะไรก็ไม่ได้ก็ทำอะไ ร, รออไไ ก, ก็เนี่ยค่ะนั่งเล่นโทรศัพท์แต่ว่านั่งเล่นโทรศัพท์ก็เป็นทุกข์เหนกันเฟซบุ๊เนี่ยแ <c oughs> ะค่ะว่าจะเออตัอนะ้งหละพรนะเรียมรู้พอให้รู้ว่าต้องทําอะไรก็พรนะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูให้ติดตามเลยชาวบ้านเ็้ามาว่าคนนั้นชอบไม่ชอบคนนั้นไหวอะไรอย่างนี้อ๋ออ๋อันนั้นไม่สนใจค่ะว่าอาจารย์ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่ค่ะถ้าดูอะไรแล้วไม่สนใจไปดูอะไรก็เรื่องของคนอื่นก็ดูผันผ่านนะคะแต่ว่าจะจะไม่ค่อยไปลงรายละเอียดก็คือแค่เห็นเฉยๆค่ะค่ะก็ก็ฟังเพลงบ้างมาดูลงดีกว่ามาดูลงดีกว่า ค่ะค่ะว่าอาจารย์แลนั้นมันไม่สงบแบบดูยังไงก็ไม่สงบดีไม่ดีดูแล้วพุ่งมุ่นวายใจขึ้นเลยใช่ค่ะเหมือนเรามันทําให้เราไปติดด้วยนะคะนั่นแหละยาเสพติดค่ะค่ะนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะพระอาจารย์อาจารย์สายทิพย์จากมหาสารคาะตอนที่อยู่คอนแกนเรามาสารคามอันียู่กัน กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูอยู่อยู่สารคามค่ะค่ะวันนี้ต้องมาทํางานอยู่เวรร้านยาแล้วพรุ่งนี้ต้องไปบวชกับเด็กค่ะอืมค่ะอปเลยไปบวชนะไปบวชค่ะไปไปโรงพยาบาลค่ะเป็นอาจารย์เทศศักดิ์ค่ะก็เลยต้องพาหนสิทธิ์ไปไปลาบวอดด้วยเป็นเป็นเวรช่วงเวรของตัวเองค่ะไปทําอาไหน้าที่บวชเนี่ย พาณิชิ์ไปดูเทสคนไข้แล้วก็ไป อ, อถ้ามีปัญหาเรื่องยาก็จะได้คอนซอัลเลแพทย์เลยอะค่ะ uh huh. ไปดูปัญหาเรื่องยาบนบอร์ดให้ให้คนไข้พาณิชย์เพสต์ไปดูค่ะอ uh huh. เหมือนเราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเด็กค่ะ uh huh. ก็เลยก็เลยต้องต้องต้องมาอยู่แต่ก็ไปไปมามาอยู่ค่ะสลับมันอยู่คอนเทนต์บ้างอยู่สารคามบ้างค่ะ uh huh. ไม่มีอะไรรายงานด้วยจ้ะวันนี้ถ้ารายงานการปฏิบัติค่ะก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือทําสมาธิแบบมีความสุขมากก็คือเคลิ้มค่ะแล้ก็เอ๊มันกสบายจังเลยนะแต่ว่าทําไมมันดูแปลกๆไม่เห็นได้อะไรเลยขึ้นเหล่าขึ้นไปขึ้นเหล่าขึ้นไปคราวนี้พระอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะอันนั้นมันเคลิ้มแล้วก็อ๋อเอาใหม่ อะไรครั้นี้เลยนั่งสมาธิแบบเหมือนเหมือนไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงลึกไปถึงแบบเหมือนเหมือนปล่อยมันไปค่ะไม่หลับแบบปล่อยแบบนั้นคราวนี้ก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกมากขึ้น mm hmm. มันก็เลยกลับมาเหมือนเดิมค่ะก็เลยมีอาการเหมือนสมาธิมันมันก็จะเข้าไปเหมือนเดิมค่ะมันมีวูดไปแป๊บนึงค่ะแล้วก็เหมือนวูบไปแล้วก็ทีนี้แต่ว่าหนูก็ยังอาศัยวิธีฟังยู u ูบธรรมะไปด้วยค่ะเพื่อที่จะดึงตัวเองอยู่กับ อยู่กับออยู่กับเหมือนต้องฟังไปด้วยค่ยังไม่ไม่เข้มแข็งพอที่จะนั่งอย่างเดียวพอนั่งไปแล้วก็มันจะมีช่วงที่สงบจนเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นจะไม่รู้สึกตัวว่าเรามันสงบจนถึงไม่ได้ยินอะไรแต่ว่าเราจะรู้สึกเมื่อมันทอนออกมาค่ะแล้วก็เสียงคำมะก็จะค่อยๆดังขึ้นแล้วก็อ้าวเมื่อกี้นี่มันไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่นา พอเปน็น อ, อย่างนี้เรา ก, ร ก, ก็รู้สึกตัวเยอะกว่ารู้สึกตัวเยอะกว่ารู้สึกตัวค่ะไม่หลั บ, ลบนะตอนนี้อันนี้มันแต่ว่าไม่หลับแต่ว่าตอนที่งงไปนั้นอะคือคือไม่ทันค่ะหมายถึงเราไม่รู้มารู้เมือ่ออเมื่อกี้เอ๊ะเ๋มันค่อยๆดังขึ้นนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้ประมาณสองสองรอบก็คือพยายามนั่งนั่งต่อค่ะก็เลยออ่ถ้านั่งสมาธิไม่คนที่จะเคลิมเคลิ้มแบบนั้นไม่ใช่แต่สดงว่าต้อง ต้อเหมือนเหมือนดึงขึ้นมาอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ค่ะตอนนั้นสนใต้สบายค่ะ<ม>แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูเพิม่มตับไปแปลกอะไรถามพระอาจารย์ว่าคือมันไม่ได้รู้สึกว่าสมัยที่มันดีขึ้นแต่ว่าสงบดีนะสบาย<ม>ดีนะอะไรเงี้ยค่ะ<ม>คราวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เหมือนมันจะเป็นเป็นมีสติมากขึ้นค่ะดีดีเรา ก็ในระหว่างวันก็พยายามมีสติให้มากขึ้นค่ะพยายามเท่าที่เหมือนพอรู้ตัวว่าเริ่มหลงไปกับอะไรต่างๆก็จะไถยกลับมาได้บ้ว้ขึ้นเหมือนพยายามฝึกตัวเองให้อยู่กับลมหายใจหรือพูดโธมากขึ้นค่ะก็เลยทำให้คิดว่านั่งสมาธิทำให้สงบมากขึ้นค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพระอาจารย์บอกให้มรณานุสติ ก็ได้ฝึกคิดเรื่องของความตายแบบไปขึ้นด้วยค่ะพอคิดเรื่องความตายการสะสมขอ ง, งต่างๆเราก็ลดลงเราก็เริ่มมามองค่ะว่าอถ้าเผื่เราเป็นอะไรไปวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะอะไรบ้างที่ทำเป็นภาระให้คนอื่นพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เริ่มมองว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ถ้าเป็นปละโยนคนอื่นก็ก็คิดว่าจะเอาไปบริจาค แต่ว่าถ้าดูแลเราไม่เป็นป่ะนแต่เราไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เริ่มทิ้งค่ะห้องห้องนอนก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วก็มองไปอันนี้ก็ไม่ได้ใช่แต่มันก็แบบะเก็บไว้ทีนึงอะไรอย่างนี้ค่ ะ, อะอพอมรณะนุสติก็เลยทําให้รู้สึกว่าอไม่ค่อยไม่ค่อยสะสมเหมือนเดิมค่ะนดความร้อนได้เยอะ แ, แต่ก็มีบางอย่างที่เห็นแล้วก็อดไม่ได้เหมือนกันค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะ ต่ดไปซะทั้งหมดบางันเราเห็นแล้วก็อุ๊ยอันนี้ก็สวยดีนะ mm hmm. แต่กระโปรงโดยต่อยมาอย่างปี่แพ้มันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ทุกครั้งที่เป็นแบบนี้คือมันจะมีกิเลสที่เป็นเหตุผลให้ตัวเองโยงค่ะเราก็แบบอ่าอันนี้ไม่ทันใช้เงนินไปแล้วท mm hmm. ําหนเอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไเรื่อยๆค่ะพยายามคิดว่าจะตั้งใจปฏิบัติหรือว่าฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาบาณานุสติ ไป ด, ด้วยค่ะอก็ต้องระวังหน่อยแล้วกัน เ, เ, เวลาพิจารณามโมานะสติถ้ามันทีมากไปมันอาจจะทําให้เบื่อเบื่อโลกขึ้นมาเกิดความเศร้าทุกข์ก็ต้องหยุดมัน อ, อือแต่จะทําให้จิดติดเราตกได้ใช่ไหมคะนั่นกินยาเกิดขนาด อ, อืมออมีไว้สําหรับดับความโลภดับความอยากต่างแถ้ามันมันไม่มันไปไ ป, ไปใช้ผิดเวลานี่บางทีมันอาจจะมองแล้วทำให้ ดวงนี้เดี๋ยวก็ตายกูไม่รู้อยู่ทาไมแล้วระวังกันแ้ว้องแผเมตตาจรเมบเมตตาแทนสัตว์ทั้งหลายอไม่มีเวรกันเถิดจงไมรับสุดรักษาตนเถิดแต่เรื่องที่มีปัญหาตอนนี้นจะเป็นรืงัตตาเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ก็คืออ่าปกติเป็นคนโกรธยากแต่กับบางคนที่เรารู้สึกแับคนนี้ คน ง, ง, ง่ายง่ายค่ะเหมือถึงว่าเขาพูดอะไรมาเราก็จะแบบเอาต่อต้านอะไรเงี้ยค่ะเราควรทํายังไงดีกับกับทำใจเฉยๆป๊อกเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเรามีหน้าที่ฟังก็ฟังไปไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปตอบโต้เนี้ยค่ะหนูจะพยายามที่จะมไม่ไม่ เียวมีสติให้ทันค่ะเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราไปคําเราไปกําหนดว่าจะเจอวันนี้ไม่เจอวันนี้มันกําหนดไม่ได้เดี๋ยวก็ระําดธรีมใจเฉยๆถ้าถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีอืกก็คือหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกแต่ถ้าเผชิญก็ไม่ไปปะทะหรือว่าไม่ไปมีอารมณ์ออค่ะแต่เราจะพยายางทบทธนอืมค่ะ ถาแตะได้ก็ยิ้มให้เขาหน่อยนะยิ้มเวลาสบายดีเลยค่ะอืมอาจจะพริ้วอยากสับดูมาเป็นมิตรก็ได้อืมค่อยๆดีกับเขาไปเรื่อยๆนะคะชพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เนี่ยค่ะหนูมีปัญหากับกับคนเนี้ยคนอื่นอ่อนน้อมได้แต่คนนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบมันเหมือนกับแบบเอเราต้องทําตัวเราเหมือนปัตถภีกับทุกคน อืมค่ะหยยบจะย่ำปล่อยว่าเหยียบเขาย่ำไปใครก็จะเก่งอล้วก็ปล่อยเขาเก่งมาค่ะคนนี้น่าจะเป็นครูบาอาจารย์เรื่องนี้ให้เราค่ะเป็นแบบฝึกหัดให้เราใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะยังมีอัตราตัวตนหรือเปล่าเนึ้อแผ่นดินไปแล้วหือยังเป็นเป็นอันดิงไปแล้วตอนนี้ใเป็นติดไปแล้วค่ะไม่ไหวจะค่ะ เด okay. so okay. mm. totally ี๋ยวหนูค่อยๆพยายามทาไปเรื่อยๆค่ะนํามานางงานนะครับค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่ไม่มีคําถามค่ะได้ค่ะตามไปแล้วมีข้อคิดอะไรที่ได้ยินก็เอาไปใช้ต่อได้วันนี้พูดหอะไาเรื่องกระตุ้นความกระตุ้นการปฏิบัติด้วยวิธีการต่างๆค่ะจริงๆก็เหมือนบางทีเราก็ง่วงๆแต่ว่าเอ๊ะเข้ามาเข้ามารายงาน ได้งานการปฏิบัติให้ผู้อาจารทราบแล้วก็จะได้แบบกําลังใจจากการยานมิตรค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ฟังแต่ข้างนอกก็เลยรู้สึกว่าเข้ามาดีปะ่างน้อยเราก็ได้ฟังแล้วก็คนอื่นก็ไดฟังต้นอะไรของเราที่ตลาดตลาดดิ้งนั้นจะได้มีกําลังใจเราแบ่งประสบการณ์กันทุกคนจะได้จะได้สามารถวัดได้ว่าแต่ละคนอยู่ในระดับไหนสูงกว่าเราเท่าเราหรือต่ำกว่าเรา ค่ะขึ้นๆลงๆลงบางทีละอายใจด้วยค่ะอาจารย์ก็มาแล้วทําให้ต้องขยันขึ้นถ้าตังั้งอกก็จะแบบไม่มีใครรู้อะไรเนี้ยค่ะอืมค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสาธุสาธุค่ะคุณพันธ์พันธเรียนคุณพันธเรียนกราสนะกราสนะอ เช่อนนิวอนิวยังโอเคอยู่ที่ไหนธรรมาศาย์พระอาจารย์เจ้าค่ะอืมอยู่ที่ไหนจช่นุงเทพค่ะกุงเทพครั้งแรกเหรอไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์หนูหนูวายยูเอ็นค่ะวายยูเอ็นวายยูเอ็นยุนค่ะเคยเข้ามาหลาครั้งแล้วโอเคค่ะหนูเสียหนูเลยให้ลูกเลยเอาคอมมาให้ใช้อะค่ะเลยเป็นชื่อคสาว มีอะไรไหมอ่ามีค่ะอยากจะหนูอยากจะกลับเรียนให้พระอาจารย์ทราบว่าหนูว่าหนูรู้สึกตื่นเต้นจังเลยว่าหนูว่ารู้สึกว่าเกิดความเขาเรีอยกอะไรอัศจรรย์ใจอะค่ะพระาอาจารย์อ่เป็นยังไงนะห น, หนูเห็นการดับปกติแล้วเนี่ย หนูก็เหมือนกับมันมันมันรู้อยู่แล้วคําว่าดับมันหมายถึงอะไรรู้จากการอ่านได้ยินได้ฟังแต่ตอนเนี้มันดับดับที่ใจหนูเลย อ, อะไรดับบ้างนะความสุขค่ะความสุขดับเลยค่ะแล้วหรืออะไรหรือว่างค่ ะ, ะแล้วอันไหนดีกว่ากันความสุขกับความว่างอันไหนดีกว่ากันว่างดีกว่าค่ะ ความว่างไม่มีความว่างไม่มีวันดับใช่ไหมใช่ค่ะงั้นอย่าไปติดสุขเข้าใจไหมความหมายใคืออย่าไปติดทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราคิดว่าเป็นสุข ม, มันมันต้องดับไม่ใช้ก็เลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่กับความว่างอยู่คน อ, อยู่ตัวคนเดียวสบายกว่าว่างเลยค่ะอาจารยนะ์ถ้าอยู่ได้ก็ดี ินเดียวได้ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปอาศัยใครแต่ว่าหนูหนูยังไปอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยปฏิบัติตามเท่าที่กำลังที่ทำได้อยู่ณตอนนี้ออหนูเคยเกิดความหาสัจ ร, รันขอเล่านะคะพระอาจารย์หนูไม่เคยเล่าให้ฟังหนูตื่นมาแล้วขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วมองไปทางหน้าต่างนะคะ หน้าต่างเนี้ยมันมันไม่เหมือนปกติที่เคยเคยเห็นทุกวันมันมีแสงแบบแสงจ้ามากเลยพระอาจารย์เป็นซองมาที่ทางที่หนูเห็นน่ะแล้วจ้าแบบแต่ว่าจ้าแบบมันมันไม่เคยจ้าอย่างนี้มาก่อนแล้วมันมหัศจรรย์มากเลยในในใจที่หนูคิดนะคะแต่มันไม่แสบตานะคะแล้วก็ในใจมันคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะพระอาจารย์ เออเพราะนั้นใจมันสงบนะพอใจสงบมันก็เห็นสจมันแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นมาได้แล้วหลูก็เห็นโต๊ะตู้เตียงมันก็คือโต๊ะตู้เตียงแต่มันไม่มีความหมายคือคือมันแต่มันไม่ได้คิดนะคะอาจารย์แต่ว่ามัใจหยุดคิดไงใจหยุดคิดเก็เลยธรรมดาใจเราเป็นผู้ให้ความหมายสิค่ะค่ะงๆความเป็นนู่นเป็นนี่พอจิตสงบแล้วมันหายไปหมดเลย เป็นแต่ภาพที่เฉยภาพไม่มีคนภาพไม่มีคนภาพนิ่งทุกอย่างนิ่งหมดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ความสงบเป็นอย่างนั้นเวลาจิตสงบค่ะแต่มันก็ไม่นานเนื่องชั่วข้ามเนี่มันก็หมดเนี่ยมันกลับมาคิดใหม่ไม่เออก็ก็มีความรู้สึกก็หลายอึดใจอยู่เหมือนกันนะคะคือณตอนนั้นอะเรารู้ตัวเลยว่ามันมันแปลก มมัันนเราได้เรี้นรู้ว่าสมมุติกับวิมุตเป็นยังไงที่เราเห็นมันเป็นวิมุตอ๋อหรอคะอ๋อจากสมมุติเวลาถ้าเราเห็นโต๊าเตียงมันเป็นเตียงเป็นเต๊ะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นลาวเป็นเขาเป็นสมมติถึงมันใช่ไมใช่ใช่ของจริงของจริงไม่มีชื่อของจริงไม่บอกว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมใช่ใช่แต่เราเห็นมันเป็นอันนี้เห็นมันเป็นรูปเนี้นั่นแหละคือของจริงเห็นของจริงไม่ต้องมีคนพา เล่าจะเล่าให้ใครฟังก็กลัวเขาไม่รู้เรื่องเรื่องแบค่ะเกาไม่ต้องเล่าหรอไอ้นี่ไม่ถ้าไม่คนบางคนก็ไม่ปฏิบัติเหมือนกันเขาไม่รู้เรื่องอย่างทันพูดเนี่เขาจะหาว่าเราว่าปฏิบัติเหมือนกันค่ะแต่ว่าอืมทุกทีหนูมีอะไรหนูก็จะเล่าให้เขาฟังแต่ครั้งนึงลักษณะของจิตเวลาจิตมันสงบจริงจริงมันจะไม่มีอะไรมันใจไม่มันจะเห็นใฉยเฉยจะยินก็ได้ยินเฉยเฉยต่าง ไม่มีชื่อไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีนะไม่มีชื่อไม่มีอะไรเราไปตั้งให้มันเองนค่ะพระอาจารยคะหนูขอเล่าต่อแล้วนี่หนูตอนนั้นน่ะหนูหนูมีความรู้สึกว่ามันจะไปแล้วอ่ะหนูไม่บอกไม่ถือว่าใจหนูจะไปแล้วอ่ะคะ่ะอืมแต่นี้มันมันมีความคิดหนึ่งมันขึ้นมาเลยว่าเรามีหน้าที่อยู่นะเรามีหน้าที่อยู่นะมันย้ําเราหนูอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยะคะ่ะตอนนั้นอะคะ่ะอืม แล้วกิเลสนั้นผ่าเลยค่ะกิเลสนันมาดึงเราไว้อ๋อนั่นคือกิเลสเหรอคะเราพอมีเราก็ตัวอัตตาตัวตนนั่งอ๋อมันเล่นงานหนูใช่ไหมคะเนี่ยเออมันดึงไว้เนี่ยค่ะแล้วมันมีอีกอีกอีกสภาวะหนึ่งนะคะที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองหนูนั่งสมาธิอยู่แล้วคือหนูภาวนาอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี้ยหนูจะพอถึงเวลาแล้วหนูก็จะลุก กัดลูกเองใช่ไหมคะนี่มีคนหนูมีความรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วล่ะผ่านเวลานั้นไปนแล้วแล้วเอ่อหนูเห็นว่าโจกิเลสเนี่ยมันบอกหนูว่าลูกเธอไปเธอพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีอีกในใจิตในจิตหนูหนูบอกว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปก็นั่งอยู่งั้นน่ะนั่งอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะ hmm. จนกระทั่งมาบอกว่าไปกินอะไรได้แล้วหนูหนูก็ไม่กินหนูก็ อือขอโทษนะค่ะหนูดุมันนะคะอแล้วเสร็จแล้วมันก็หายไปเขาคิดว่าหนูว่าไม่ไปแน่เหมือนเหมือนกันหนูไม่ไปแน่นอนหนูก็นั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่หนูมาตกมาตายตอนไหนรู้ไหมครับอาจารย์หนูเห็นตัวมันนะคะหนูเห็นตัวจะไม่เป็นรูปร่างนะคะมันเหมือนเป็นเป็นเป็นควันขาวๆดำๆแล้วก็เห็นดวงตามันที่เป็นไฟอะค่ะมันหันห้ามองหนู น, นั่ะแหละค่ะหนูตกมาตายตรงนี้อะค่ะนั่นว่าเอ๊ะนี่มันนิมิดหรือว่านี่มันของจริงวะ <laughs> ขอโทษค่ะเออก็ <laughs> มันจริงแต่มันจริงโชคข่าวพิจารณาให้นะ ม, ม, มันตายลักไปอมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเป็นอนัตตาไปสั่งไม่ได้ปกติยังไม่อ่าให้ดูเฉยไม่ต้องไปอะไรกับมันค่ะ แต่ถ้าเราคิดไปในทางที่ดีอหรือคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ผลจาฝืนอย่างกิเลสบอกให้ลบ ก, ก็ไม่ลกอีกอย่างนี้ใช้ได้แต่มาตกมาตายตอนเนี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรมันก็ให้รู้ทันดมวยก้ว่ามันผ่านไปได้มันเป็นอดีตไปแล้วจิตเราก็กลับมาอยู่ปัจจุบันมแล้วต่อไปเวลาแจ่มันเอง ก, ก็เฉยๆไปแล้วก็พระอาจารย์มีอีกสภาวะหนึ่ง ว่าหนูทําถูกไหมเออเวลาหนูคุยคุยกันแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ฟังหนูไม่เชื่อฟังหนูแล้วก็คือคือหนูเกิดเกิดความโมโหแล้วล่ะรู้เลยว่าเกิดเปความโมโหไม่พอใจอยากอยายกให้ฟังอย่าให้เชื่อเรค่ะแต่ตอนนั้นอะ่ะมันไม่นึกถึงความอยากหรืออะไรนะคะแต่หนูรู้เลยว่าตัวรู้หนูว่า มันคือเขาเตือนหนูว่าคือเขาจะโกดก่อนจะโกดความโกรธก่อนจนความโกรธจางแล้วเนี่ย<ม>แล้วเขาบอกให้กลางกลางสิกลางเขาพูดอย่างนี้ค่ะอาจารย์อ<ม>ืแล้วหนูก็หนูก็เหมือนก็เหมือนกับใจจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันก็กลางจริงๆอ่ะค่ะอาจารย์<ม>ถูกไหมคะกลางกลออกางก็คือแบบว่าไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องต้อง ปล่อยวางปล่อยวางใช่ใช่ใช่ปล่อยวาค่ะก็ถูอก็ถ้าปล่อยวางได้ก็ถือหนูต้องทำนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะยังปล่อยวางเลยไม่ว่าเจออะไรก็ปล่อยวางเห็นปล่อยวางเห็นมันเป็นตายรักก็ปล่อยวางเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะมาเขาจะไปก็เรื่องของเขาเขาจะเชื่อจะคลั่เราหรือไม่ก็เรื่องของเขาค่ะอย่าไปอยากไม่ใช่ไหม เพทุกวันเนี้มีความรู้สึกว่าหนูมีหนูขอใช้คําว่าตัวผู้รู้เลยนะคะเพราะหนูคิดว่ามันน่าจะใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาเขาเขาจะบอกมีอย่างนี้ตลอดเลยอะคะ่ะให้รู้เฉยๆผู้รู้ให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดไม่ให้ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เรารับรู้ใช่ไหมต้องใช่ค่ะไม่ต้องไปด้วยกับอะไรนะเฉยไว้ แล้วความเฉยเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยตอนช่วงแรกๆนะคะช่วงแรกๆที่แบบว่าเหมือนกับหนูมีอุเบกขาแต่ว่ามันไม่เหมือนตอนอุเบกขาตอนเนี้ยคือเฉยตอนเนี้ค่ะ ม, มันมันนานกว่ามัญยาวกว่ามั น, กมนเกิจากปัญญาค่ะอันนั้นมันเกิดเหมือนเกิดจากสติใช่ไหมคะอุเบกขามันมีสองแบบอุเบกขาที่เกิดจากสติกับอุเบกขาที่เกิดจากปัญญา ค่ะคือแลักสตินี่มันแบบมันแบบเป็นชั่วข้างชั่วคราวใช่ใช่ถ้าปัญญาแล้วมันจะอยู่อยู่เลยค่ะคือระยะหลังเนี่ยหนูหนูมีความรู้สึกว่ามันเกิดจากปัญญาใช่ไหมคะอ่าแผลเฉยๆสามารถเรียกว่าเรื่อคือปัญญาหรือว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นชั่วหรืมันเกิดล้วดับใช่ไหมหนูว่าหนูเห็นดับแล้วไม่เห็นนั่นแหะคือมันดับการดับนั่นคือปัญญา ค่ะดับคือดับดับมันบอกไม่ทุกคนดับตัดขาดยาดับหมดเลยขันความคิดปรุงแต่ง น, น้ญาอะไรอยู่หมดแล้วแต่จิตตัวรู้เฉยเฉใช่ค่ะก็ดีนะพยายามอยู่ตรงจุดนะั้นทํำอะไรง่ายจิตให้เราอยู่ตรงจุดพูดรู้เฉยเฉไม่ต้องไปยุ่งุ่วนวายวมีหน้าที่อะไรก็ทําไปตามหน้าที่ก็แล้วกันค่ะ หนูกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะเรียนกับพระอาจารย์เนี่ยแหะค่ะเดียวเพื่อนๆจะได้ยินได้ฟังไว้เวลาปฏิบัติไปถึงจุดน okay. exactly evet ั้นจะได้รูว่เป็นยังไงไม่ไม่น่ากลัวไม่มีอะไรเวลาเจ็บข้างในมันดับหมันก็จะเหมือนกันเน่องหมดเงียบใช่แล้วใช่ค่ะมันฟิเวกวางเวจริงๆอะไรเงียบเสียงขึ้นทุกอย่างเลยอะค่ะคำพูดทายไปหมด ค่ะก็เป็นรู่นเป็นที่อ่านให้หนึ่งค่ะดีนะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็พยายามมาเจริญปัญญาแล้วก็มีโอกาสก็เข้าพักสมาธิด้วยเข้าไปในสมาธิด้วยอย่าเจริญปัญญาอย่างเดียวสลับกันค่ ะ, คะพระอาจารย์คะบูขอฐานข้อได้ไหมคะเออเออท่านที่สำเร็จพระอนาคามีนะคะท่านจะ ท่านทุกก็เรื่งะฮะท่านท่านต้องเห็นอสุภะของทั้งคนอื่นทั้งของเราเอาเฉพาะเจอเฉพาคนที่เราไปหลงรักนะคนที่เรายาังมีความด้วยออไม่ต้องกับตัวเราก็ได้เพราะเราไม่ได้รักเราไม่เกิดการมาหลงอกตัวเราก็ไม่ต้องดูตัวเราก็ได้ดูดูกับคนที่เราเกิดเวลาเห็นแล้วเกิดความไข้นัดความใข้ ข, ขึ้นมาหนูหนู อใจค่ะหนูว่าหนูว่าหนูละการมราคะได้แล้วนะคะก็ไม่แน่บางทีมันคิดไปก่อนก็ลองทดลองนึกถึงภ pues าพสวยๆงานนึนึกถึงภาพที่มันจะทําให้กระตุ้นการอารมณ์ดูว่ามันแล้วจิตใจะเป็นยังไงเคยเป็นหลายครั้งแล้วค่ะแลก็ดีถ้ามันไม่มีก็ด bueno)> ีถ้ามันบางอย่างได้จ um> ริก uh ็ดี ถ้าบางครัง้งบางคราวมันเกิดเป็นเกิดเราทังเผอขึ้นมาแล้วมันเกิดไปนึกถึงภาพที่ทําให้กระตุ้นอารมณ์ขึ้นมาได้ถึงที่ว่ามันเรามันมันจะเกิดหรือเปอืมก็คอยเฝ้ดูไปแล้วกันแต่แต่ก่อนตอนแรกช่วงแรกหนูจะใช้อาสุดท้าพอช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าหนูแค่แบบมันว่าสะกดแล้วมันก็ไม่มันก็หัางเนี่ยค่ะเออ ก็เห็นหลวงตาท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ให้นึกถึงสุภาพแล้วก็ดูอ่สุภาพเราขึ้นมาถัดดับรือเป่านึกถึงสุภาพดูสุภาพสวยๆเงางามแล้วก็ดูว่าเกิดอารมณ์หรือเปล่าพอจะเกิดอารมณ์ก็สุภาพขึ้นมาดับมันได้หรือเปล่าช่วงช่วงแรกๆเนี่ยหลูกก็ใช้ใช้ทําอย่างที่อาจารย์ บอกนี้แ่ะค่ะแต่กระแต่เงนี้มันไม่ขึ้นก็ไม่มีอะไรขึ้นมาขึ้นแล้วค่ะมันว่างหมดนะครัค่ะก็ดีก็อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของเราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังนะอันนี้สามีค่ะบางทีสามีก็ทําหน้าที่ไปเป็นโสเภณีไปก็แล้วกันเป็นหน้าที่ได้เหรอคะอ่าก็เราไม่มีอารมณ์ทุกอย่าง มันก็เป็นกิริยาเท่านั้นเองใจเราไม่ได้มีอะไรเหมืนก็เป็นหน้ากายถึงทุ๊กตาก็ให้เขามาคลายความใขของเขากับทุกกตาตอะไรถ้าเรายังต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องทำหน้าที่ของภรรยาไปไม่ใช่หรอหรือว่าจะให้เขาไปหาใหม่จะหนูหนูว่าถ้าถ้าเขาไปก็ไม่เป็นไรค่ะอ่อันนี้ก็ต้องคุยกันดูก็แล้วยัยงติดเรื่องลูก เขาก็เป็นคนดีค่ะเขาดูแลครอบครัวดีนล่นแหในฐานะที่เรายังเป็นภรรยาเราก็ยังมีหน้าที่ต้องตอบสนองต้องทําหน้าที่ของเราไปหรือว่าถ้าเขาเข้าใจก็เราตกลงกันแล้วว่าถ้าที่มีความต้องการก็ไปหาคนอื่นแทนแทนหนูก็แล้วกันนะโอเคค่ตอนแรกหนูก็ไม่ได้มีหนูปฏิบัติที่หนูหนูก็ไม่ได้เล่าไม่ได้อะไรให้เขาฟัง แต่เขาก็เห็นบ้างแล้วก็พากันไปหาพระอาจารย์บ่อยขึ้นแล้วก็หลังๆเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อเริ่มจะเขาา้าใจเขาก็เลยไม่ค่อยตั้งก็ถ้ายัางอยู่ด้วยกันก็อย่าทะเลาะกันพอเรื่องนี้ก็แล้วกันน ะ, ะหนูว่ายังกลัวว่าหนูอ่ะเดี๋ยวหนูจะไปติดจมอะไรกับเขาหรือเปล่า ไม่หรอกถ้าเราไม่ไปทำอะไรขเขาไม่ติดไม่นะคะนีมะม่มีอะไรแล้วค่ ะ, ะคแล้วก็สังเกต ด, ดูไปใช้ปัญญาิจรนาดูไปเรื่อยๆนะอโอเคอยา่าอย่าเพิ่งช้าใจน ะ, ะ, ะคุณออนอุนมาแก้วรัวจากุดอนธานีเจอมีอะไรไหม การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะเช่นเดับค่ะสาธุค่ะคุณสุทัศนีเชิญยุ่แท่แก่คุณสุทัศนีอยู่ประชุมธานีเจ้าค่ะอาจารย์ประชุมธานีวันนี้มีอะไ้วันนี้ขอรับฟังการสนทนาธรรมค่ะรู้สึกว่าได้ประโยชน์มีความสุขแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจในการปฏิบัติเจ้าค่ะ ทำนะทำจากการปฏิบัตินี่ต่างากับทำจากที่เรียนนะคนละเรื่องเลยนะคเพราะประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะค่ะได้ยินอ่าพี่ๆที่เขาปฏิบัติไปไกลแล้วทาให้เรารู้สึกเรายัางยังเป็นเต่า อ, อยู่เลยต้งตงรงนี้ก็ทําให้นำเป็นความหวังว่าไม่เป็นหมันนะธรรมะของพระเจ้ า, ม า, าไม่เป็นหมันเนี่ค่ะมาเราปฏิบัติให้ถึงงานใช่ไหมจะพยายามเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ เด็กอ่ะเห็นไปที่ท่านต่อไปคุณหมอแอนเชิญคุณหมอแอนอ่าพูดได้เลยของพ่อเจ้าค่ะหนูมีคําถามอันแรกก็คือว่าฝึกเมื่อกี้พี่เขาบอกฝึกสติอะค่ะหนูหนูก็ฝึกสติทํางานไปก็คือไม่เผลอไม่ไม่เหมือ่รอยเหมือนเดิมนะเจ้าขาพอพอทํางานเสร็จก็มาบริกรรม ถ้าดึ ก, ดกได้อะค่ะบริกรรมต่ อ, อะระหว่างงาอเจ้าค่ะหนูก็เลยว่าเอ๊ะสติที่ทํางานกับสติบริกรรมของหนูเนี่ย ม, มันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะ่อที่ทํางานมันได้เครื่องเดียวไงคือรู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่แต่ในขณะเดียวนั้นยังต้องใช้ความคิดอยูอ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เราก็จได้ทั้งสองคือรู้ว่าเรากําลังบริกรรมแล้วเราก็ไม่คิดอะไรด้วยอ๋อเจ้าค่ะแล้ว แล้วเวลาหนูบริกรรมเอ่อถ้าหนูเหนื่อยๆเนี่ยหนูหนูจะบริกรรมเป็นพุทโธไม่ว่านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมมันก็สบายเจ้าค่ะแต่ว่าเอ่อถ้าบริกรรมเป็นอาการ32เจ้าค่ะมันมันเหนื่อยได้ไม่จําเป็นก็เปลี่ยนได้อาการเดียวก็ได้อาการ32เอ็กซ์กระดูกระดูกดก็ได้ถ้าเราอัติอัิบริกรรมคําว่ากระดูกคาเดียวก็ได้แล้วค่ะก็คือ เราก็เดินไปไม่ให้เผลอสติก็แค่นั้นเองนะจ๊ะใช่แต่ด้วยความไม่จําเป็นจะต้องเอา32อาการทุกครั้งไปาม32อาการเวลาเราเบื่อเวลาเราคิดมากๆแล้วเราให้อยู่เขาเรื่องเดียวไม่ยอมอยู่ไว้มันเป็น32อาการอ๋อถ้าฟุ้งจัดก็ต้องอาการทาบนะคะถ้าแม่ฟุงแล้วก็เฉยๆก็อันอาการเดียวกปได้ผมก็ได้ถอนก็ะด้รบก็ได้อ๋อเพราะ จตมันบอกว่ากลัวมันจะไม่แน่นเจ้าค่ะให้รู้ให้มีปให้มันอยู่ปัจจุบันแล้วไม่คิดมันก็จะแน่นอ๋อเจ้าค่ะเออวันก่อนฝันฝันว่าหน้าตัวเองจากหน้าหน้าตาผิวดีๆเนี่ยมันก็มีก้อนเส้นเลือดปูดท่อมลูกมะนาวสามลูกแล้วก็มีเส้นเลือดกระจายในตากับหน้าคิดมาแล้วมันก็ตกใจปป๊บนึงค่ะแล้วแล้วมันก็บอกว่าเอ มันก็ออกเหมือนเหมือนเขาให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่สวยไม่งามแล้วนะแล้วเราก็ตกใจอื๊ตกใจแป๊บเึงแล้วใจมันก็บอกว่าเฮ้ยช่างมันเถอะปล่อยมันซะอะไรอย่เงี้ยพอปล่อยแล้วมันก็สบายแล้วค่ะในฝันเนี่ยมันก็บอกคือมันก็ตกใจแป๊บนดิงว่าเออปล่อยมันง่ายกว่าอะไรเงี้ยสบิปัญญามันตามกันปล่อยวางค่ะก็ในฝันก็บอกอ่ะแป๊บเดียวค่ะ คือมันบอกเห็นมาสิบวินาทีบอกช่างมันเถอะถ้าขนาดนี้แล้วก็ปล่อยแล้วเพราะว่ามันมันแย่ไปแล้วจเจออ้ามันก็มันจิตมันก็สั่งเลยว่าปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องดูแล ร, รักษาละ อ, อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงคือเมื่อเช้านั่งสมาธิไปเจ้าค่ะตอนนี้กําลังกําลังนั่งสมาธิแบบแบบว่าดูลมที่ปลายจมูกแต่ว่าใช้การสวดมนต์กำกับไปด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้ว แต่ว่าสวดมนต์ช้าๆแล้วก็ดูลมกํากับไปด้วยให้จิตมันเบาๆเบๆบๆแล้วจิตมันก็เงียบไปเงียบไปเสร็จเงียบไปว่างๆแล้วก็มันก็บริกรรมรอบๆขึ้นมารอบอีกรอบหนึ่งแล้วหายใจให้ให้รู้รู้ว่าเราหายใจกับบริกรรมต่อแล้วก็เงียบไปอย่างเงี้ยเป็นหลายๆรอบหลายๆรอบแล้วก็เป็นชั่วโมงเจ้าค่ะถ้ามันเงียบเราเราหยุดบริกรรมดูก็ได้ให้อยู่กับความเงียบไปอ๋อไม่ค่ะงเียบไป มันมันมันก็เงียบไปเจ้าค่ะแล้วพอเงียบไปแับว่าเราเงียบไปสักสิบสิบห้านาทีแล้วมันก็จิตมันก็ขึ้นมาบริกรรมเองนะเจ้าค่ะหนูไม่ได้ควบมันนะคะได้ไมันก็จะเปรอบรอบของมันอย่างเงี้ยพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเลยค่ะพม่ได้เกินชั่วโมงค่ะชั่วโมงหนึ่งเสร็จมันก็จะพอแล้วหนูต้องจริงๆหนูต้องดันต่อไปถ้าอยากจะไว้ต่อก็นันต่อไป สวยไปดูลงไปพัฒนาขึ้นค่ะแต่เท้าก็เอ๊ะมันก็ไม่ได้หลับนะก็ค่ะมันก็ไม่ได้เอ็นียงง่วงแต่ว่ามันเงียบไปแป๊บหนึ่งมันมีช่องว่างสเปซแล้วก็ริกมดูลมต่อแล้วก็เงียบไปเป๊บหนงเนี้ยเป็นประมาณประมาณสี่สี่ห้าไซเคิลค่ะหลวงพ่อช่ยช่วงเงียบถ้าเรามีสติม่ตัวอยู่ก็ใช้ได้มันก็เงียบว่างเฉยเฉยแล้วค่ะมันไม่ได้คิดแต่งอะไรทั้งสิ รู้ว่าููมันเงียบขอให้คุณจนู้อยู่แล้วกม่เงียบไปแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือหนูเนี่ยเวลาหนูไปทำบุญมาแล้วถ้าหนูไม่อุทิศส่วนบุญกุศลให้ให้อีกอย่างเนี่ยค่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเออโคเป็นวิญญาณนะค่ะแวับแวบเวบให้เห็นแล้วถ้าหนูแผ่ไปก็จบไป แล้วหนูก็บอกว่าท่านถ้าหนูแพลไม่ถือก็ให้ไปรับกระหลวงพ่อแล้วจ้าก็บางทีมันเป็นอาการของจิตของเราก็ได้นะครเมื่อทําแล้วมันหายก็ทําไปไม่เสียหายตรงไหอกค่ะก็ทำไปบางีมีดวงวิญญาณมันเป็นพอจิตเราไม่ได้ทําในครบสูตรมันก็เลยแสดงอาการขึ้นมาก็ได้เขาบอกจะขอเราหน่อยขอนขอหน่อยอะไรเงี้ยจ้าก็ก็ก็ทิ้ไปไม่มีปัญหาตามให้เราสบายใจไปแต่ว่ามันมี มีตอนหนึ่งหนูก็ลองไม่อุทิศดูทําบุญมาทําบุญใหญ่มาหนูไม่อุทิศเลยหนูจะนอนเนี่ยลิ้นชักที่หัวเตียงหนูหนูไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเขานะคะของในลิ้นชักเนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นหนูก็เออสงสัยคิดไปเองมันก็เคลื่อนสามรอบให้ให้หนูให้อุทิศได้แล้วอะไรอย่างนี้ไปค่ะก็ทําไปแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นดวงจิตเราก็ไม่รู้เป็นได้ทั้งสองอยา่งยาง <c oughs> เออแต่ว่าเขาเขาเขาบอกเราสามครั้งก็ต้องต้องเชื่อเขาแล้วนะคะว่าออมา<ป>ทัดแล้ถ้า ท, ท<ำ>ําแล้วหายก็โอเคจริงทแ<ำ>ล้วหายแล้วค่ะแต่ว่าเนี้ยพอพอไปฟังฟังพระอีกองค์หนึง่งท่านบอกว่าเออถ้าถ้าเราอุทิศบุญให้เขาเนี่ยเราจะไปผูกพันกับเขาอีกไม่ผูกพันนะการอุทิศบุญกับเหมือนการให้เงินขอทานให้แล้วก็แล้วก็ไปอ๋อไม่ทําความผูกพันกับใครทั้งสิ้นนะจ๊ะค่ะเพราะเรา อย่างเราอุทิศให้บิดามารดาญาติที่สิ่งก็ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกพันอยู่ที่เราถ้าเราจะผูกพันก็ได้อยี่ยตอนนี้อาจจะรู้สึกผูกพันแล้วพอทํารูนแล้วไม่ได้อุทิศแล้วมันมีอาการขึ้นมานี้แสดงว่ามันไม่ผูกพันอ๋อไม่ค่ะเออปกติขี้เกียจอุทิศ ด, ด้วยค่ะเพราะว่าขี้เกียจอุทิศเลยคือทําแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้มาติดค้างแต่ว่าเออจะมีสิ่งอย่างเงี้ยมามาบอกว่าขอหน่อยขอหน่อยก็เออหยับได้ก็หนะ้ ทำไปก็รับกันทําไปให้มันจบให้มันผ่านไปก็รับกันแล้วเมื่อรอบที่แล้วหลวงพ่อบอกหนูว่าให้หนูทํางานแล้วหนูก็ดูคนไข้ว่าเ อ, อถ้ายากจนหนูก็ไม่ต้องคิดตังถ้าเอ อ, อ่มไม่มีก็คิดน้อยคืนคิดน้อยน้อยอะไรช่วยไปแล้วแล้วมันดีมากเจ้าค่ะคือมันทําให้เรารู้สึกว่า เออมันทำให้เรามีความเมตตาแล้วจิตเราละเอียดอ่อนมากขึ้นนะเจ้าค่ะใช่ความเมตตานี่คําจุนเริทําำให้เรามีความสุขคนที่ใช้คนที่แผ่เมตตานี้เติ่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันได้แต่เราก็ไม่สามารถที่ที่จะเมตตาเต็มที่กับทุกคนได้เพราะว่ า, า, วาเราทำตามกําลังของเร า, าเราทาราํทาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ถ้าส่วนเกินวันที่เราทําไม่ได้ก็ทําใจไป็นอูเบกาอะไรอเงยที่ว่าเป็นกรรมของเขาเลยอืมเจ้าอันสุดท้าย ท, ที่หนูสังเกตจับสังเกตได้ก็คือว่าเออเวลาหนูไปเห็นคนสวยๆงามๆตอนเนี้ยเจ้าค่ะหนูจะสังเกตเห็นเขาว่าเออมันไม่เขาสวยนะคะแต่ว่าหนูเห็นว่าเขาไม่ไม่สวยเหมือนเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลแบบเหงื่อใครทั้งตัวอะไรเงี้ยเป็นสิ่งไม่ เหมือนมีสารคัดหลั่งออกมามีเหงื่อมีใครมีอะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าเอา้าคือเขาน่ยสวยแต่เราเห็นเขาไม่สวยใช่ที่เราความจริงเราไปเห็นส่วนที่ไม่สวยของเขาก็เาไเปทั้งสวนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยเขาสวยค่ะอาจารย์ใชแ่แต่เขาก็มีความโฉกปลบห<ต>ลังออกมตลอดเวลามีือมีอะไรต่างไม่กินอะไร แล้ว เ, เห็นเป็นเขาเป็นของสกปรกใช่ไหมถือว่าเป็นคนที่เกิดจากการพิจ า, ารณาสุภาอ๋อเจ้าค่ะออันสุดท้ายที่หนูมีความไม่มั่นใจคือเราจะฉีดวัคซีนโควิดไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูกลัวมากามนคนก็ฉีดมาที่กันไม่รูกี่ล้านคนแล้วมีก็มีคนที่อาจจะแพ้หรือเป็นปัญหานคนสองคนอะไรท่านนีมก็คิดอยู่ไม่ฉีดก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวัง พอฉีดแล้วมั น, นมสบายมันมีคุปมีภูมิคุ้ ม, ม, มกันก็ไหนว่าเชื้อมันมิวเทชันไปค่ะจันมิวเทกมันม<ป>ิวเทกแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีมีมีแรงต้านอาจจะติดเชื้อบ้า้ไม่ถึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องใช้เครื่องหายช่วยหายใจ ห, หรือคือาอาจจะเป็นไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นหนักก็ได้อ๋อเจ้าค่ะถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรืออะไรที่ฉีดแล้แพ้ายาก็ฉีดไปเถอะบางทีจะไม่ฉีด กค่ะแล้วแล้วคนแก่ที่ที่ผูมอ่อนอ่อนนี่เขาฉีดได้ไหมเจ้าคะ่ะหลวงห่อก็ต้องให้หมอเป็นคนคนที่หมอฉีดนะถามหมอคนนี้เขาฉีดหมอเขาควรจะรู้ว่าว่าใครมีปัญหาควรจะฉีดก็ไม่ฉีดอ๋อแล้วค่ะก็ต้องเสี่ยงดวงเอานะเจ้าค่ะก็ไม่ต้องึงกับเสี่ยง่ะก็หมอมันเป็นวิทยาศาสต ร, ร์หมอหมอก็เป็นหมอมนี่ก็ไม่นานาจะมาถามเราเลยแล้วไข้ไไหวัดใหญ่นูก็ยังไม่ฉีดเลยเจ้าคะ่ะหลวงพอ่อ อันนี้เป็นเรื่องความกลัวมากกว่าเป็นเรื่องของความกลัวของเราพร้อมตายยังไม่พร้อมตายเจ้าค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าถ้าเราทํางานพวกนี้เราก็ต้องเสียงสูงกว่าแล้วก็ต้องฉีดไปใช่ฉีดถ้ามันสบายกว่าเถิด ค, คนไข้ก็เป็นเราก็จะได้ไม่ติดกาบเขาเออเจ้าค่ะหลวงพอ่อค่ะอันฉีดที่เขาไม่ฉีดนะเพะคนที่อเมริกานี่ก็แย่งันจะตายไปไปยืนเข้าคิวทำการหิมะเพื่อจะได้ฉีดก อ๋อเจ้าค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะหมดคำถามแล้วจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านต่อไปคุณอรวรรธเชิญคุณอรวรรธอยู่ที่ไหนอาจรยอาจารย์ค่ะกับกับธรรมสกานค่ะอยู่ที่ไหนอยู่นอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์เคยเข้ามาแล้วใช่ไหมยังไม่เคยเข้ากับอาจารย์มันมีเพื่อนจากนอร์เวย์หลายคนที่เข้ามาค่ะ เพิ่งครั้งแรกเข้ามาในซูมนะคะมีอะไรัหมไม่มีค่ะเข้ามาฟังทำจากพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่เมืองเอกสุนค่ะทางเหนือทางใต้ทางใต้ค่ะพระอาจารย์ติดทะเลค่ะเกิดเกิดสัญญาคือทำงานอยู่มี บางทีเหนื่อยเหนื่อยก็สัญญาเกิดคือคิดถึงพระอาจารย์โอ้ยอยากถ้า ก, กลับไปเมืองไทยเพราะปกติก็ทำอาหารไปที่วัดค่ะ <c oughs> โออก็มีความรู้สึกว่า เ, ออเราเหนื่อยนี응่กลับไปถึงเมืองไทยที่ไปหาพระอาจารย์ ไปเม็กโคไปซื้ออาหารทําเหมือนทที่ที่ที่ถ้ามีเวลาที่เมืองไทยก็ทําประจำค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็รอฉีดวัคซีนเลยฉีดแล้วก็มาได้สบายเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็รออยู่ค่ะอคนสูงอายุเขาก็จะฉีดคนสูงอายุก่อนนะเจ้าค่ะมีคนอีกไม่นานที่นอร์เวย์ก็เริ่มฉีดแล้วไม่เน้นเขาเริ่มฉีดแล้วกับคนสูงอายุแต่ก็ ที่เมืองที่ที่อยู่เขาก็กำลังกลังรอคิวอยู่ค่ะหนูกำลังรอคิวเหมือนกันค่ะโอะเคแล้วก็มีมีบัตรรับรองล้วก็มาได้เดี๋ยวค่ะไปอยู่มานานแล้วยังที่นอร์เวนีอ่อ่ไปไปปรามาค่ะพระอาจารย์จริงๆ อยู่มาได้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะที่ผู้อาวุโสแต่ทีนี้กลับไปเมืองไทยเอาลูกไปเรียนอนุอ่าเรียนที่ที่พัทยาจนเขาได้เจ็ดปีเขาได้ภาษาไทยแล้วก็ย้ายมาเพิ่งย้ายมาได้สามปีอ่ามาเข้าเข้ามัธยมที่นี่จะจบแล้วล่ะค่ะจะจบโมหกปีนี้แหละค่ะอยู่คนเดียวเหรออยู่กับสามีเจ้าค่ะอาจารย์มีลูกคนเดียวเลยมีลูกคนเดียวค่ะอาจารย์ ธรรมดากลับมาเมืองไทยทุกปีใช่เจ้าค่ะแต่ปีนี้ช่วงโควิดปีที่แล้วกับปีนี้ยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยเจ้าค่ะ อ, คองค์กล้นะเดี๋ยวองค์กายยัได้กลับนะเจ้าค่ะอาจารย์โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะเจ้า อ, อาจารย์ อ, อ, อาจารย์ทากขันนะค ะ, ะค่ะในใจที่ท่านต่อไปอคุณนอร์ดี้อาห้าคุณนอร์ดี้จัมนาเกลัตเทีย มนมาลการค่ะอาจารย์ก็วันนี้ดีค่ะได้ฟังหลายๆท่านเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ทำให้คิดว่าตัวเราต้องไม่ประมาทค่ะเพราะว่าหลายอย่างที่คนอื่นๆเขาพูดอธิบายมาเหมือนเราประสบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตัดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ า, เร า, เ, ราเราทำไมทำใจไวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็บอกตัวเองว่าไม่ให้ประมาทก็ยังต้องต้องต้องศึกษาต่อไปค่ะมีคนที่เขาอยู่ข้างหน้าเราก็มีมีคนที่อยู่ข้างหลังเราก็มีใช่จันค่ะข้างหน้าเวลาเราเราชนะใจก็คิดถึงคนที่ก็อยู่ข้างหน้าเราค่ะค่ะอีกเดี๋ยวเรามาไกลแล้วคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเราเยอะแยะแต่ยังมีคนที่อยู่ข้างหน้าเราอีเยอะแยะนั่นแต่เพียงแต่ว่าช่วงระยะหลังๆมาเนี่ยคือพอมีประสม ความทุกข์อะไรอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเราจะจมอยู่กับความทุกข์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พออะไรเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกได้เลยว่านี่มันเป็นเหตุของทุกข์แล้วตัดตัดได้ทันทีบางเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนจะยอมไม่ได้ต้องปุงฝ่ายแต่ตอนนี้มันมันหายไปจากใจคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความทุกข์อะคะ่ะอ<ค>าจารย์ทุกข์ไม่เกิดที่เราแล้วก็มาดับที่ตัวเราไม่ต้องไปดับที่คนอื่น ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้มันว่างๆมากแต่เพียงว่าช่วงนี้ก็มาถูกกับร่างกายแทนก็ก็ก็ดูมันไปค่ะตามที่พระอาจารย์บอกมาก็ดูมันไปกับร่างกายใจเราไม่เจ็บตัวมันจะจะให้มันเจ็บเราก็รักษาตัวเราไปแต่ว่าใจไม่เจ็ด้วยถูกต้องใจอย่าไปเจ็บกับมันก็แล้วร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปค่ะเจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บแต่ว่าใจเราไม่ใจเรายังสบายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ค่ะก็ไม่ไปติดขัดอะไรเลยตายก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะความคิดมันไม่ไมีความทุกข์มันจะตายไม่ตายอะไรยเงี้ยไม่สนใจอะไรอีกเลยดีอย่างนี้แหละ เ, เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเนาะค่ะอาจารย์เดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่หนึ่งอ่ะป้านจะมาม า, มาถือเสียที่วัดยาห น, นะคะ่ะจองห้องแล้วแล้วก็วันที่ยี่สิบหกมันเป็นวันมาคาใช่ไหมคะออ อ่าหนูว่าจะไปครั้งแรกไปถือสีอุโบสถที่วัดนะค ะ, ะเดี๋ยวจะไปทุกทีก็ฟังคำอย่างเดียวไปนั่งสมาธิแต่ว่าวันมาคาเดี๋ยวจะจะถ้ามีปฏิบัติโต้ลูกเลยคือวันมาคานี้ยใช่ไหมค ะ, ะมีการแสดงธรรมสับกับการสวมดมนต์ไหว้พระตหนึ่งตีสามตีสามแล้วก็ทําวัดช้าต่อค่ะเตรียมตัวละค่ะเตรียมตัวค่า<อ>ละ อย่าหนูจะได้ไปวัด น, นะคะดีครับสาธ <ใน S 1> <ะ>ุคะอะไรแ้ า, าหนูดีใจฟังธรรมะแล้วมันมันมั น, มนบอกไม่ถูกพระอาจารย์ยใจเราวนเเป็องย็นทําเป็นของเย็ย น, น, ยยนใจเราฟูทุกครั้งเลยเนะี่ยมีกําลังจะฟูมันเนี่ยหนูหนูบอกว่าหนูอะต้องบอกตัวเองว่าอย่าประมาทอะ่ะอย่าประมาทเด็ดขาดหนูต้องไม่มีจิตตลอดเวลา เขาไม่เป็นหมากก็คือการมีสตินี่เองค่ะถ้ามีสติแ ล, จจแล้วจิตใจเราจะปลอดภัยค่ะมีคืนก่อนพระอาจารย์ขออนุญาตเล่านิดนึงคือเมื่อสองสาคืนที่แล้วหนูฝันนะ่ะหนูไม่เคยฝันแบบนี้นะคะยังยังแต่ว่าก็รู้สึกดีมากเลยะคะ่ะไปฝันว่าได้กราบหลวงปู่เหลียญวอลลาโพที่ท่านอยู่ที่จังหวัดหนองคายวัด อ, อ, อนันตบันพุทธนะคะ่ะ หนูหนูก็ยังแบบยังงงงไปทําไมหนูถึงฟันถึงท่านได้ท่านมายืนให้หนูกราบแบบว่าหนูก็ยังตื่นขึ้นมายังยกมือสาธูอยู่เลยยังตกใจมันมันก็ไม่ใช่ตกใจอ่ะมันดีใจสินะมัแบบหนูเราคถึงท่านท่านก็เลยมาหาเราไใช่ค่ะพอดีหนูช่วงที่นี่หนูอ่านธรรมะของหลวงปู่เลียนฟังธรรมะหลวงปู่เลียนช่วงที่ผ่านมาแล้วอยู่หนูฟันหนูก็ตื่นเต้น เรียกว่าเป็นฝันดีฝันดีค่ะฝันถึงอาจารย์ด้วยอ่าดการเห็นสมณะนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแต่เนูว่าสมณะ น, น, นั่นจะ<ล>ทัศนนเอตมังกลมุตตามังได้นะพบได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอย่างยิ่งตาถูกค่ะตาถูกค่ะแกหนะาเป็นเทานี้ใชนะ่ไหม วันนี้ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาฟังวันนี้ดีใจวันนี้หลายๆอย่างเป็นประโยชน์มากเลยค่ะฟังแล้วมันฟูค่ะหัวใจฟูห็นไปต่อไปคุณที่วาคุณท่วาอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยอยู่ที่กรุงเทพจ้าค่ะกับนุสการพระอาารย์จ้าค่ะวันนี้มีอะไรไหมวันนี้มารับฟังอย่างเดียวเหมือนเดิมจ้าค่ะพระอาจารย์ไปที่ท่านต่อไปนะคุณแก้วตาแก้วได้ยินไหมแก้วแก้วอยู่ล่า มาแล้วอยู่เจ้าค่ะว่อมามีอะไรบ่าคุณแม่รบกวนขอกลาบเรียนถามปัญหาพระอาจารย์เจ้าค่ะข้อหนึ่งคุณแม่โอนปัจจัยเข้าบัญชีวัดเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนไม่ได้กลาบเรียนพระเจ้าอาวาสสมมติว่ามีทาบุญสร้างสะพานทาบุญ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นทางเนต็ตค่ะเจ้าค่ะก็ก็ก็โอนโอนเงินเข้าบัญชีวัดนะเจ้าค่ะแต่ ไ, ไม่ไม่ได้โทรไปกราบเรียนอ๋อไม่ต้องกราบเรียนก็ได้มันยัเป็นสัมพัน ท, ที่เราอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็ข้อสองเออถ้าเกิดเ อ, อฝากเงินคนอื่นทําของใส่บ่าแต่เจ้าค่ะแล้วก็ประเคนถวายแทนเรา เมือนได้ได้เต็มได้เต็มร้อยมันก็มอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็ข้อสามฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางเอ็มพีสามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทางเออได้มันก็ฟังต่อหน้าเลยเหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะอันสุดท้ายคุณแม่กราบเรียนว่าคุณแม่อยู่บ้านเนี่ยคุณแม่ก็จะฟังเทศสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวัน นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันเน้นอ๋อเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติดีอ๋อเจ้าค่ะคุณคุณแม่ถามว่าใช้ได้ไหมเจ้าค่ะจะจะพ้นนรกไหมเจ้าค่ะพ้นพ้นจะรักษาสีหน้าก็พ้นแลอ๋อเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติก็ใกล้นิพพานเขก็ไปแล้วอ๋อกลับเพรเพราะคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะมีมีแค่เนี้ยเจ้าค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะถ้าเราเป็นไงบ้างจิตใจเราสบายดีไ้มที่นี้ ป, ป ย, งง ย, ยังนั่งสมาธิไม่ค่อยได้เจ้าค่ะแต่อาศัยสวดมนต์จะล้างมือแปรงฟันอาบน้ําก็สวดมนต์ไปเรื่อยแต่แต่ถ้านั่งสมาธิยังยังเอาไม่อยู่เจ้าค่ะเอาสติไปก่อนเพกสติไปก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวขึ้นไป น, นะค่ะท่านต่อไปคือหมอพิลาพัฒน์ใช่คุณหมอ กลับหลวงพ่อครับเอหลวงพ่อครับในในในคารวาสที่ที่ที่อยังไม่ได้บวชในการทําทานเนี่ยมีผลต่อการภาวนาไหมครับหลวงพ่อได้พูดได้พูดถึงในเรื่องของเออ่คือสําหรับท่านที่เอาใช้เงินไปซื้อความสุแล้วเอาเงินที่ไปซื้อความสุข ต, ต่างๆมาทําบุญแทนอาจะไ ด, ตด้ตัดการตัดการมัดฉันทะไดย ว่าส่วนใหญ่เราก็ใช้เงินซื้อกามฉันชื่อ ก, กาลซื้อกาลมาคุณห้าซื้อความสุขทางตาหูจมูกนี้วกายพอทุกครั้งที่เราจาําเงินไปเที่ยวไปดูหนังความเพลงไปซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วก็ไปทำอุมแทนเราไปความอยากชีดาหาความสุขจากกามาคุณห้ามก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะทําให้เราภาวนาได้ได้ดีขึ้นตัดนิวรณ์คือกาลมฉันทน่าได้ส่วนหนึ่งช่วยตัด ส่วนใช่ครช่บางส่วนเพราะว่าเมื่อเราไม่ไปเที่ยวเมื่อเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปเที่ยวบ่อยๆเราก็ไม่ติดเที่ยวไม่ดูหนังบ่อยๆเราก็จะไม่ติดหนังไม่ติดละครไม่ติดกินติดเด็กอะไมันก็เลยเวลาภาวนามันก็จะไม่มีกล้ามาฉันท่ามาลบปวดใจแล้วแล้วการทําทานเนี่ยกรับพ่อถ้ า, ถ, าถ้ายังมีแค่ว่าผู้ที่ให้ทานเนี่ยยังเอเป็นห่วง ว่าทานอนั้นท์ที่ให้ไปเนี่ยเอจะถูกนําไปใช้ยังไง อ, อะไรอย่างไรเงี้ยฮะก็ต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนก่อนที่เราจะไปบริจาคให้ที่ไหนเราต้องมั่นใจว่าเป็นไปตามที่เขาพูดไว้หรือเปล่าครับทําบุญกับที่น่าเชื่อถือได้แ ล, ล้เราจะได้สบายใจถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปทําแต่ว่าอัออา น, นิสง์ในการสละออกในในทานก้อนนั้นก็เท่ากันใช่ไหมครับหลวงพ่อ เท่าันแต่มันอาจจะมีกังวลติดอยู่มันมีนมน ไ, มมนไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่อยแต่มันไม่ปล่อยร้อยเปอร์ซ็นยังมีเงื่อนไขยอยู่อย่างนั้ก็เราตัดสินใจว่าเมื่อให้ไปแล้วก็ตัดจบจะทําจะไปทําตามที่ที่ที่บอกไว้หรือเปล่าลก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันจะได้ไมันจะได้ขาดไปจากใจเรารแต่นนี้ไม่ใช่ตนเองนะครับหลวงพ่อเปิลเป็นใคร ท, <า>ทั่วไปใครก็ได้ถ้าจะทาแล้วก็ตัดไปเลย เมื่อเราไปทำงานดีแล้วเชื่อเขาว่าเขาสุดภาคีให้เขาไป็นเส้าจะไปทำข้าราชการเราโกหกหลอกลวงเราเอามาทราบทีหลังแล้วก็จะจาไว้ว่าต่อไปไม่ต้องทำกับเขาแล้วจริงๆแล้วมันก็สําเร็จตรงที่ใจนะใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ในตอนนั้นเราสําเร็จในที่ใจเราแต่แต่ถ้าเรามาทราบข่าวไปแล้วเราจะได้มีข้อมูลว่าอาจจะไม่เป็นบุคคลที่เราควรจะไปทํำบุญด้วยกันได้ครับพลก็ เขาหลอกลวงมันก็ไม่ได้ทําตามที่เขาพูดนี่ครับแต่ขณะที่เราทําเราก็ตัดใจไปเลยครับถือว่าเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นตไปเล้ครับเราจะได้สบายใจสุขใจไม่ต้องกัวงวลครับแสดงว่าเนื้อนาบุญที่ทํำนี่ก็ต้องต้องเรื่องนะครับหลวงพในยุคนี้ก็เนื้อนาบุญมันก็ทําให้เราเป็นความมั่นใจมากขึ้นครับถ้าเรางคนที่มีศีลมีสั์มันก็ทําให้เราสบายใจ เนทุกวันนี้นายหน่ยมีคนมาขอเงินอยู่เลยวันนี้เข้าไปมีคนเขียนข้อความเข้ามานทยพูดอันนว่าเป็นโรคอะเร็งผิวหนังอะไรต้องใช้เงินรักษาตัวเองนะครับขอให้ช่วยบริจาคด้วยการซื้อเครื่องรางของขังเขาที่เขามีอยู่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงเขาไม่จริงเขาไม่รู้ครับครับครับใจนึงก็อยากจะช่วยสงสารแล้วใจนึงก็ไม่รู้ไห้กูจะถูกหรอเปล่า คาดว่ า, วาครับหลวงพ่อก็ <c oughs> เรา <c oughs> ไม่เอาดีกว่าทํากับคนที่เราไม่รู้จักเเไม่เสี่ยงซ่วยไปทำกับคนที่เรามั่นใจดีกว่าค <c oughs> รับครับสถาบันที่เรามั่นใจเช่นสภากาชาติไทยมีอะไรอย่างเงี้ยพอเต็กเต็งร่วมกนันอยู่โรงพยาบาลต่างๆแล้วมูลนิธิของน้อยอย่างเงี้ยทำไมพอรู้จักกันมันมั่นใจก็ทํางันดีกว่าก็ได้ไม่ต้องมากังวล แล้วในการทําทานนะครับหลวงพ่อถ้าเกิดสมมุติคนที่ไม่ทําทานเลยภาวนาได้มั้ยครับหลวงพ่อได้ถ้าไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่นอนทำทานเลยอันที่ทำทานในกรณีของคนที่เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเอาเงินไปใช้ในซื้อกามฉันทะไปเสาะกามฉันทะเพราะมันมันใช้แล้วมันจะติดดูหนังว่ามันก็จะติดไปเที่ยวแล้มันก็จะติดพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะหมดเงิน ให้ภาว น, นาก็ภาว น, นาไม่หลงคือถ้ า, ามีกงินแค่ว่าพอเลี้ยงชีพตนเองได้เนี่ยก็ก็เก็ไม่เล้ยชีพนะยังสมัยเร า, าเราไม่เคยทําบุญเลยเป็นคาราวานเราไม่เคยทําบุญอืมเพราะว่าเราต้องมีกงินเ ก, เก็บไว้สำหรับเลี้ยงตัวเราเองเรามีกงินจำกัดอยู่ช่วงที่เราปฏิบัติเปีเรามีเงินจํากัดไม่ได้ทําบุญเลยแม้แต่บาทเดียอืม มแต่รับบุญม่แต่ <Okay. S 1> ม, มีเผื่คนสงสารก็ เ, เห็นเราไม่มีงานทำบางทีเขาก็ช่วยให้มัินมาบ้างแต่ไม่ได้ดยขอเขานนั้ไม่ได้ไปขอเข า, ขเขาแต่ถ้ามีเราไปใช้พ่ดเฟืยไปใช้กับกิเลสเนี่ยป็นท่อไปทําทานเข้ามาเจตนาอยู่ตรงนั้นถ้ามีถ้าไม่ใช่ปล่อยไว้เฉยๆให้มันอยู่ในธนาคารไปก็ได้เราไม่ถ้าเราไม่ไปต้อ ง, งกังวลกับมั เราภาวนาเต็มที่เลยรก็ได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องทาทานถ้าเราภาวนาได้แล้วเรื่องทานนี้ตัดไปได้เลยไม่ทนไม่ได้ทำก็ได้ถ้าทําแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาก็อย่าไปทําครับครับครับนนรบางทีต้องไปเป็นเจ้าภาพประทินม่านไ่จะไปไปภาวนาแล้วลงไปเป็นเจ้าภาพประทินอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้มันก็ทําให้เสียเวลาการภาวนาของเราได้ครับจริงๆทําทาน ทำทานแบบเงียบๆจะดีเปที่สุดครับหลวอพอทําง่ายๆทำเงียบ ๆ, ๆ, ๆง่ายๆไม่ต้องมีพิธีใดๆใถ้ามันถ้ามันสําเร็จประโยชน์จากนั้นแก็ได้ได้ช่วยเหลือสงฆ์ข้าพวกที่ก็ขาดแคลนตกทุกข์ได้างายเดือดรอนครับมันเหมือ น, นความขันน้ําลงบนทรายแล้วก็เดิดจับไปใช่แล้วก็จบเนีย่ยเป็นกำลังกับมันครับครับครับมหมดไม่มีคําถามกรับหลวงพ่อข อ, ขอบพระคุณนนครับไม่มีเรื่องภาวนาเลยนะแย่งเร้เนี่ย รู้แจ้งเหรอจริงนะไม่ครับไม่รู้แจ้งหลวงพ่อแต่ว่าก็ใช้ไม่สงสัยอก็คื อ, ค, อคือดูดูในสภาวธรรมในคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในเข้ามากระทบนะครับหลวงพ่ อ, อ ม, มันก็จะจะเห็นความชอบไม่ชอบอยู่ตลอดเวล า, าเพียงแต่ว่ายังไม่มีระเบิดขาพอครับเพียงแต่ว่ามันจะดับได้ก็เมื่อเรามีกําลังพอ แต่ว่าแต่ว่าเห็นมาตลอดนะครับหลวงพ่อเห็นมันตลอดแต่ว่าก็ก็เพิจนามันตลอดแต่ว่าถ้าถ้จังหวะที่มันดับไม่ได้เนี่ยก็มันก็แสดงว่ากำลังไม่พอคือชอบก็พิจนามันเป็นทาตนีลยที่ชาบก็เป็นทาตสี่ที่ไม่ชอบก็เป็นทาตสี่ในรูปร่างลักษณะต่างกันนั่นเองครับครับอย่างนั้นนะครับส่วนเวลาทําครับทําในปัญญาไปครับส่วนเวลาทําสมาธิก็ ก็กลับมาทำสมาธิได้ท่านหลวงพ่อก็ก็ทำได้ตามตามเหมือนเดิมโดยโดยยิ่งสงบมากเท่าไหร่อุณหครับมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นไปเองครับก็ใช้วิธีชอบมันจะน้อยลงไปใช้วิธีดูความว่างของลมครับอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกอืมส่วนใหญ่ลมมันจะว่างๆก็เลยได้ก็ดูความว่างไปดูที่มันว่างไปให้จิตมันจรอยู่ที่เดียวก็แล้วกันอย่าให้มันไปคิดปคูณแต่ ครับมันก็มีสัญญาเข้ามาบ้างครับหลวงพ่อแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ไม่ไปตามมันไม่ไปตามมันดูทานครับวายว่างครับมันก็เวลามก็ผ่านไปเร็วดีครับหลวงพ่อแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นได้ผลอะไรเขานะครับหลวงพ่อได้เท่านี้นะครับก็นั่งใบสก๊ปสองชั่วโมงวสติเรายังอาจจะมีกําลังไม่มากพอที่จะเดินมันเข้าไปลึกๆครับครับก็คงเป็นอย่างนั้นครับทําต่อไปครับหลวงพ่อับต่อไปต้องหาเวลาไปปิดวิเวกบ้าง เห็นได้เยอะครับแล้วทนี้วทำอย่างต่อนี่ครับครับครับาถูกครับโอเคนะครับคุณ W b r u n s k a l รสมาจาก Norway ท่านได้ยินหรือกปล่าณ b r u n s k a l ใช่ไหมอ่านถูกไหมสวัสดีค่ะนมัสการค่ะอาจาร ชื่อว่าอย่างนั้นบลูสโกค่ะบรูบสโกค่ะบลูสโกค่ะ W W นี่เป็นได้ชื่อแรกเป็นชื่อแรกค่ะเป็นชื่อวันนภาค่ะวันนภาฟาจสบายดีนะคะสบายดีอยู่ที่นอร์เวย์ใช่ไหมค่ะค่ะจากออสโลค่ะออสโลเข้ามาในรอบแล้วฟาจันค่ที่มตาเดนมาจากนอร์เวย์จากนอร์เวย์เหมือนกัน เห็นอยู่ค่ะเราดีดีใจค่ะได้ได้มีพายอาจารย์คนเดียวท่านเดียวกันเนาะอ่าได้มีอาจารย์ท่านเดียวกันอ่าไม่วันนี้ไม่ได้ไม่เข้ามารับฟังนะค่ะเพราะว่าอ่ามารับฟังเฉยเฉยอะค่ะดีดีนันถ้าไม่มีอะไรทางก็นั่งฟังต่อไปก็แล้วกันนะค่ะรู้สึกว่าสบายฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรานั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือน เหมือนเราได้นั่งสมาธิไปด้วยได้ฟังได้ได้จดจอ่อฟังแล้วก็ว่างอะคะ่ะได้เป็นการฝึกสมาธิได้แบบนี้ค่ะ <c oughs> <Okay, S 2> แล้วก็ <yeah. S 2> ได้ปฏ <c oughs> ิบัติสมาธิเหมือนที่พระอาจารย์บอกแล้วก็รักษาศีล น, นะคะเอ่ uh, ดีค่ะทำานมีมีโอกาสทําทานแล้วก็ทําไปทําทําทานตลอดกับพระอาจารย์เ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าได้มีโอกาสอ่าไม่ใช่ร่วมสร้างนะคะเป็นเป็น อช่วยช่วยที่วัดที่เนี่ยค่ะอื hmm. ที่นี่จะมีวัดหลายแห่งแล้วก็จะมีวัดอที่อยู่ที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งที่ได้ไปร่วมแบบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะค่ะ hmm. แล้วก็ได้ไปช่วยแปลเอกสารบ้างแปลอะไรบ้างอ hmm. แล้วก็ใช่มีอันหนึ่งเดี๋ยวต้องถามคระอาจารย์หูได้มีโอกาสไปไปร่วมแปลเป็นล่ามให้เด็กนักเรียนนะคะ่ะเด็กนักเรียนเขามีวิชา าาศาสนาที่นี่แล้วเขามาเรียนเกี่ยวกับาศาสนาพุทธเราอะค่ะเด็กนักเรียนแถวแถวัดน่ะค่ะเขาก็เลยพระอาจารย์ที่ที่เป็นเจ้าว่าที่วัดจะเลยให้ไปช่วยแปลให้เด็กนักเรียนเพราะว่าหนูก็เป็นครูอยู่ที่นี่เหมือนกัน<ร>ก็เลยช่วยช่วยไปแปลให้เขาแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์ที่เนี่ยค่ะ ทำให้เราไม่รู้คําศัพท์ทางด้านปะพูศัพท์ศาสนาที่เป็นศัพท์ภาษาเฉพาะของที่นอร์เวย์อ่ะค่ะบางศัพท์มันก็คือมันก็อะไรอ่ะเหมือนกับศัพท์บางศัพท์ในในเพื่อนวิชาภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราเรียนเวลาเรียนปะพูศัพท์ศาสนามาเนี่ยเราเรียนเป็นภาษาไทยศัพท์วิชาต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นศัพท์เฉพาะบางทีเราก็จะแปลไม่ค่อยได้ทั้งหมดนะคะ แต่ว่าแต่ว่าก็คือแบบก็ดีใจที่ได้แบบวัดมันมีวัดให้โรงเรียนใกล้ๆ้ได้เข้ามาดูมาศึกษาอย่างเงี้ยค่ะดีเรียกว่ารมวิทยาทานค่ะวิทยาทานใ ห, ให้ความรู้ธรรมทานค่ะแ ล, แล้วก็มีมีครูเขาถามครูเขาถามเขาบอกว่าชมว่ า, าศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นาศาสนาที่ peaceful ก็เหมือนสงบสงบสงบสุข อ่าเขาชอบแล้วเขาก็ถามด้วยแล้วก็หนูก็พานั่งสมาธิบอกว่าไอ้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เขาถามว่ า, าศาสนาเราอ่ะเคยมีไหมเพราะว่าด้วยความที่าศาสนาเราเป็นาศาสนาที่สงบสุขเคยมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางด้นานศาสนาไหมที่เกิดการสงครามขัดแย้งระหว่างสงกับกับสงกับอ่ากับคนบุคคลธรรมดานะคะ หนูก็บอกหนูไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเราประวัติศตสสาสตร์เราไม่ได้รียประวัติศาสตร์ศาสนาไ ม, มนไม่ได้สอนให้ให้ไปต่อสู้กับใครให้ต่อสู้กับกิเลสใช่ใช่หนูก็ตอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าศาสนาพุทธเราอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ถามเกี่ยวกับทั้ด้านประวัติศาสตร์แล้วหนูก็บอกอันนี้หนูก็ไม่รู้จริงๆเขาก็เลยยกตัวอย่างอย่างการชุมนุมประท้วงของเวียดนามในปลายปีเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด เจ็ดเอ่อเจ็ดสิบหรืออะไรเงี่ยค่ะที่เอาตัวเองอะไรนัเอ่ออันนี้อันนี้อาจจะตอนเออนั่ น, นแหละ ค, ค่ะก็เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ค่ะเป็นเป็นพระหัวการเรมืองก็ไปเล่นการเมือ ง, ง, งก็ในเมืองไทยก็มีบางทีก็มีพระวัดเนี่ยมีพระ อ, อยู่รูปนก็ไปเล่นการเมืองออกไปประท้ ว, ง เ, ทาาวงเขาสามริ้วเขา ใช่หลวพระอาจารย์พระอาจารย์คะรู้ไหมว่าที่หนูเริ่มเริ่มใส่พระอาจารย์ตั้งแต่ตั้งแต่ที่หนูบอกพระอาจารย์มาเนาะว่าว่าหนูหนูได้ตื่นขึ้นมาแล้วได้ฟังทำพระอาจารย์ตอนที่สามีหนูเสียมาสามปีก่อนตื่นขึ้นมาก็ได้ฟังพระอาจารย์อ่าหลับหลับไปก็ก็พระอาจารย์ก็ถ่ายทอดสดหนูก็หลับไปฟองกับคําสอนของพระอาจารย์มันช่วยขัดเกลีจิตใจเราให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเพราะว่าหนูก็ ฟังทำจากที่อื่นด้วยแล้วจะเราจะเห็นแบบพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ที่ปฏิบัติจริงๆอะคะ่ะอย่างเงี้ยอันนี้น ก, นนกินลกยอเย <laughs> <c oughs> อะเ จ, จริงๆค่ะเพราะว่า <c oughs> สําหรับที่คือสําหรับอ่าอ่ามันไม่ไม่ไม่เยอ ะ, อะค่ะที่เป็นพระพี่ที่มีพระปฏิบัติที่แบบที่ที่น่านับถืออะคะ่ะ คือจริงๆอะค่ะแบบเหมือนหนูก็ฟังกั บ, บเอ่อดาไลาลามะเนาะเหมือนท่านจะเป็นแม่เหมือนกับฟรัชญาสตมากกว่าปฏิบัตินะคะการใช้ชีวิตมากกว่าแต่อันเนี้ยพระอาจารย์ก็เป็นแบบเหมือนคําสั่งสอนทางด้านปฏิบัตินะคะเป็นคนแนวว่แล้วกันท่านก็ไปแนวทางเมตตามากกว่าสอนให้เรามันสอนให้หนูพ้นจากความทุกข์ อาจจะเหมือนกับเห็นแก่ตัวไม่ให้ไปยุป่งกับใครอยู่คนเดียวเก็บตัวทําใจให้สงบคนละแนวทางค่ะแต่ว่าหนูสําหรับหนูเองที่หนูก็หนูแบบฟังพี่ๆหลายคนอย่างเงี้ยเราก็ได้ได้รับความรู้ได้อะไรมากมายแต่ว่าเราก็เอามาปรับใช้กับเพราะว่าหนูเองก็ยังเป็นค า, าราวาสอยู่นะคะก็ยังทํางานยังเป็ น, เ ป, นเป็นแม่เป็นเป็นลูกเป็นก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ มักผลว่าเราจำเป็นจะต้องไม่พานแต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เราสบายใจอะค่ะแล้วก็เอานำนาความรู้ต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ให้มีความสุขค่ะได้ถูกต้องก็ทำตามฐานะของเราไปผู้คนเลยก็ต้องทำแบบนี้ไปก็เหมือนเหมือนที่เหมือนที่หลวงพ่อคุยเรื่องพานอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเรามีเท่ามี สมัยก่อนก็เราจะนั่งคิดคิดอยู่ว่าการให้ทานแล้วเราจะได้ไหมแล้วว่าเราต้องให้จํานวนมากๆด้วยการที่เราติดนิสัยคนไทยมาว่าสมัยก่อนพ่อแม่เราชอบให้ทานแล้วการให้ทานเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ที่เหมือนกับเหมือนสเตตัสว่าให้เยอะก็ต้องได้เยอะบุญเยอะให้เยอะก็จะมีมากน่ามีหน้าตาแต่พอเราได้ให้มาประมาณหนึ่งได้รู้ว่า จริงๆแล้วไม่ว่าเราจะให้เท่าไหร่มันอยู่ที่ใจเราถ้าเราให้ให้เท่าที่เราเท่าที่เราให้ได้เล้ให้เท้าเรามีความสุขะค่ะปะา้ายตาถูกต้องถูกต้องไม่ใช่อยู่จำนวนเงินต้องเหมือนกันค่ทั้งสองคนนี่ไม่จําเป็นจะต้องให้เท่ากันเราจะได้ความรู้สึกเท่ากันค่ะอันนี้อันนี้แบบมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆะคะ่ปะป้าย์จากที่เราได้ได้ฟังได้ปฏิบัติได้ มันเป็นความสุขที่ที่ใจอะค่ะพระอาจารย์ใช่ถูกต้องเอาท่านนี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์สวัส<า>ดีค่ะจะไปที่ท่านต่อไปอคุณวราินมีอะไรไหมคุณวราลินอดรับสมัชชิกาหลวงพ่อครับผมได้งานแล้วครับหลวงพ่อผมก็เออได้งานก็ถึง<ผ> ม, มันก็ทุกคนที่ไหมได้งานก็ทุกข์ไม่ได้งานก็ทุกข์ผสมผสมกันไปครับหลวงพ่อครับแล้วยังไง แล้วกล้องหลวงพ่อสรุปเสียหรือว่าเปิดไม่หถืออะไรครับพอดีโปรแกรมมันชนกันมันยากกันไปมันย่างเราภาพไปเราไม่รู้เราเปิดโปรแกรมไว้ที่ไม่โปรแกรมปรับภาพพอดีโปรแกรมซูมมันสะดุดมันหยุดมันก็เลยดึงภาพของในซูมไปไปใช้ในโปรแกรมปรับภาพมันก็เลยหายไปครพอไม่เปิดดูเอาไอ้ตัวนี้มันเปิดอยู่เลยต้องปิดตัวนี้ครับ หลวงพ่อสอบถามหน่อยครับว่าหลวงพ่อทำไมดูเป็นคนที่มีคําว่า a p p r e c i a t e ได้กับทุกเรื่องตลอดเวลาเลยครับมทำไมไงรู้แบบอะไรเข้ามาในชีวิตหลวงพ่อก็ดูไม่ไมันก็สันโดษไงใช้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดอะไรมาก็ให้ยินดีกับมันรู้สดชื่นตลอดเวลาเลยแบบก็บไม่มีอะไรต้องทุกข์เราไปทุกกัมันเองนะครับ เราไปลักไปชอบมันเราไปรักไปชามันก็มันก็ทุกข์กันครับอย่าไปรักีย่าไปชังแล้วมันจะไม่ทุกข์กับอะไรครั บ, รบการปฏิบัติธรรมคือการใช้ชีวิตประจําวันให้ทุกอย่างเป็นการปฏิบัติใช่ไหมครับแบบให้มองทุกอย่างพยายามมองทุกทุกอย่างเป็นการปฏิบัติรู้เปล่าครับก็การมีสติไงแล้ ว, ลวให้มีสติอยู่ตลอดเวลากับการการะทํตาต่างๆการเคลือ่อนไหวตา่างๆของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ครับแล้วการมีความสุขนี่ถือว่าเป็นการปรงแต่งเลยครับแบบเออแบบเป็นยังไงครับไม่ค่อยถูกเลยครับความสุขมันก็เกิดจากได้หลายอย่างความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นสุขแต่สุขแบบนี้เป็นสุขปลอมเป็นสุขชั่วคราวส่วนความสุขที่ได้จากการที่เราทําใจให้สงบอันนี้เป็นสุขจริงครับก็มีไลาแบบ แต่างนราที่ได้งานก็สุขเดี๋ยวก็แต่ได้เดี๋ยวเดียวเดียวหายสุขแล้วเดี๋ยวก็เครียดกับการทํางานนะครับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อตอนเป็นครรภ์ว่าหลวงพ่อไม่ได้ให้ทานแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ให้ทานที่เป็นเงินแต่หลวงพ่อให้ทานแบบการใช้แรงอะไรแบบนี้มั้ยหรือเปล่าครับไม่เลยตอนนั้นปฏิบัติอย่างเดียวไม่ยุ่งกับใครเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะนั่นติดวิเวกอยู่คนเดียว มีมีเรื่องหนึ่งตลกของผมเองไงคือผมได้งานปั๊บโอเคลองได้งานแล้วลองซื้อหวยดูสิเพราะเมื่อฝันเห็นเลขหรืออะไรซื้อปั๊บดูว่าจะถูกไหมโอ้ตลับกันไปโอ้ก็เลยโอเคหลังจากนั้นกลับ้านเห็นน้องลงไลน์ว่าวันนี้ถูกสลากออมสินผมเอ๊ะวนตอนหัวเพราะถูกหวยจะเอาเงินไปทำบุญแปดสิเปอร์เซ็นแต่พอน้องผมว่าถูกสลากออมสินปั๊บบอกโอเควันนี้จะเลี้ยงข้าว พ่อแม่เออผมลืมนึกพ่อแม่แจะไปทําบุญกับพระก็แล้วเออบุญจะทําบุญบุญแบบพ่อแม่มเลยททำบุญกับพ่อแม่ก่อนนะพ่อแม่เป็นตรอคุณกับเรามากผมเลยเออตอลกดีผมบอกเจะเาทาบุญไปทําบุญอ้าวน้องผมอะบอกให้กับพ่อแม่เออใช่เราลืมพ่อแม่เราไปได้ไง <c oughs> เป็นแบบนี้ผมแหละจะไม่ถูกหวยน้องผมเลยถูกสลัดปลอมสินทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรไม่เรามันอาจจะเป็ น, เ, ปนเรื่องมากเกินน่กปลาครับ แต่มันก็เป็นธรรมะสอนผมได้เลยนะครับพอน้องผมมาได้ปั๊บนึกว่าจะทําบุญกับพ่อแม่ทั้งนี้ผมแล้วผมอมองข้ามพ่อแม่ไปคิดว่าจะไปทําบุญกับพระเออมันเป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่แน่บางทีก็ก็อาจจะไม่รู้จักพระมากเลยไม่ได้ที่จากไปทําบุญกับพระก็ได้ทําบุญกับพระก็ได้ทําบุญกับพ่อแม่ก็ได้แต่ต้องดูต้องดูว่าถ้าพ่อแม่เขาเดือดร้อนก็ต้องต้องทําบุญกับพ่อแม่ก่อนถ้าเขาเดือดร้อนถ้าก็าไม่เดือดร้อนก็ไปทําบุญกับพระได้ครับ อาแล้วนะทนี้นะขอ อ, ะอีกนิดหนึ่งครับอ่ารีนึงมาๆหลวงพ่อสองโมงเกือบสองอยีมโงคึ่งฮนะเดีย๋ยวต้องรีบสรุปนะยังคนเข้าคิวยะหลวงพ่อมีเทคนิคยังไงในการเอ่อให้สติมันกับปัญญามันไม่เหลื่อมกันนะครับต้องสติก่อนแล้วปัญญามันเจะตามมาได้ต้องฝึกสติบ่อยต้องหยุดคิดก่อนครับเราจะสั่งให้คิดไปทางปัญญาได้ เพราะมันบางทีมันติดชอบคิดชอบคิดทางปัญญาอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันมันยังไม่เป็นปัญญาล่ะมันยังเป็นกิเลสอยู่แต่มันคิดว่าเป็นปัญญาครับนี่ต้อหยุดคิดก่อนถ้าเป็นปัญญามันต้องคิดว่าเป็นใจลับอย่านี้เป็นปัญญาจริงวยครับแล้วติดแบบติดภาพวิวธรรมชาติถือว่าเป็นการมาคุณด้วยไหมครับแบบต้องมการติดเติมรูปไงติมรูปของเป็นการมมรรคะ เพรสุภาษิ่งไหมก็แบบวิวเห็นก็คือต้นไม้สวยจางอะไ ร, ระก็เออก็น่ารูว่าเวลามันต้นไม้มันมันทางมันตายับครับแบบเมฆสวยจางท้องฟ้ามันก็ชั่วคราวเมฆเดียวมันก็ลมก็พัดหายไปนิําชิดอย่างงั้นโอเคครับันนีเป็นปัญญาเอานะโอเครอบครัวใบหยกภูผาบุกไหมเชิญอ่านว้นยัา พูดได้แล้วใช่แล้วค่ะกราบและพการครับอ่าสการค่ะกราบเด็กๆ ก, กรบาบ ส, <ะ>สอนเด็กต้องสอนให้กรบาบ <c oughs> โอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีไหมปู่ผาที่ริโยกอ่อนเลิอ๋อน<ย>ูมนไม่มีคำถามค่ะว่าหนมาฟัง พยายามจะมีสติให้มากที่สุดครับเพราะว่ า, าใชสาส่สอบโอเน็ตบอกพระอาจารย์สอบข้าวสอบโอเน็ตค่ะแล้วก็มีสอบใหญ่โรงเรียนด้วยค่ะเออแล้วทําได้บ้างก็ทาได้บ้างไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้ า, างก็ทำให้มันได้หมดมเลยพยายาม พระอาจารย์ครับคือว่าครอบครัวผมอะ่ะป้าที่เอเมริกาอยากจะชวนครอบรผมไปที่อเมริกาครับ <ไป S 1> ผมเลยม า, <ร>าถามเพื่อไปเรียนต่อครับผมเลยถามพระหลวงตาว่าควรจะไปดีไหมครับถ้าไปได้ก็ไปที่ที่นั่นเขาเจริญกว่าเราทางด้านวิชาความรู้แล้วเราไม่ต้องเสียเงินเดืองที่นั่นเรีเรนฟรี ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าพี่สาวโยมบอกว่าให้โยมไปอยู่เพราะเขาซื้อบ้านแล้วเขาก็อยู่คนเดียวไม่มีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยอยากให้โยมไปคาะหลานๆไปอยู่ด้วยแล้วก็ไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเรียนฟรีเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่โซนที่แบบโรงเรียนดีด้วยอย่างเงี้ยนี่อยู่ที่ว่าไปด้านหรือเปล่า เ, เองมันไม่ใช่ไปง่ายๆยินงถ้าเระพยศไปมันก็ต้อง คื อ, อยอมขออะไรโย ม, ยมพี่สาวโยมให้ทานายปรึกษาเพราะว่าเขามีธุรกิจอีกทโน่นอย่างเงี้ยค่ ะ, ะแล้วก็ก็เลยให้ทานายอทําเรื่องว่าโยอมไปร่วมทุนที่นู่นกับพี่สาวอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปะที่นูน่นก็เราทำดูทาได้ก็ทําไปให้มันจูกกฎหมายก็แล้วกันค่ะถ้าถ้าโยมก็กําลังเป็นกังนวลนโยมไม่ไม่มีใครยมเคารพแล้วก็ ศรัทธาหลวงตาที่สุดโยมก็เลยไม่พ่อแม่ก็เสียแล้วยมก็เลยอยากจะมาขอคำปรึกษาถ้าถ้าหลวงตาบอกว่าให้ไปได้ยมก็จะไปค่ะแต่ถ้าหลวงตาบอกไม่ต้องไปยมก็ไม่ไปค่ะไปได้ไปเถอดจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวเพื่อนพี่สาวเขาจะได้มีเขาไม่มีครอบครัวแล้วเขาอยู่คนเดียวนะเขาค่ะเขาเขามีลูกคนหนึ่งเขาจะเอาลูกเขาไปเรียนด้วยค่ ะ, ะได้ก็ไปอยู่ด้วยกันได้ ไปเรียนหนังสือที่นั่นก็ดีมือนก็เรียนโรงเรียนนานาชาติที่นี่โรงเรียนนานาชาติที่นี่ปีนึงก็ต้องหลายแสนต่อคนค่ะแล้วก็ไปแล้วถึงแล้เรียนจบแล้วก็กลับนะแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยได้แล้ ว, แ ล, วแล้วยมขอปรึกษาลงลงตาว่าถ้าไปพาลูกไปเรียนเนะี่ยควรจะให้เขาไปเรียนถึงแค่มหกแล้วกลับมาเรียนต่อเมืองไทยหรือว่าไม่เรจาจะมหาลัยที่นั่นเลย จบที่มา่นแลได้เรียนต่อที่นั่นเพราะว่าโยมได้ยินบางคนเขาบอกโยมว่าเด็กไปเรียนที่โน่นเด็กจะไม่กระตันยูเพราะว่าสังคมออที่อยู่ที่เราสอนเขาเนี่ยเราสอนนี้ทุกวันก<ม>็พามาซูมคุยกับพระอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมคะออคนที่อยู่บางไทยไม่กระตันยูก็มีเยื่อยงยไปมัม <c oughs> ันมันอยู่ที่เราสอนเขาไม่สอนเขามากปว่าพาเขเข้าวัดสอนเขาอยู่เรื่อยให้เขาอยู่อยู่ใกล้ธรรมะแล้วก็เขาไปแบบ เ้าก็จะมีธรรม ะ, ะถ้าเราไม่ฟังเ้าเ ข, าเขาา้าวัดเขาก็เหมือนเด็กที่เน้นเมืองไทยนี่ยไม่เข้าวัดเจอผ้าอยู่ไหมการที่จะเดินหลบไม่หลบผ้าจะเดินชนผ้าบางทีเดินมีรบาดต้องเดินหลบเขา <c oughs> เพราะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ <c oughs> เราเป็นมองไม่เห็นเร <c oughs> าบอกครูมาแล้วเดี่ตรองหลบน่าเด็กคนนี้จงตาค่ะแล้วโยมอ่ะคุณจะไปตอนไหนดีคะคือจริงๆตอนนี้โควิดมันก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าลูกสาวคนโตอ่ะเขาจบป .6 แล้ว พี่สาวโยมบอกว่าควรจะไปตั้งแต่จบป6แล้วไปต่อม1ที่นู่นเลยแต่ถ้าไปได้ก็ดีพี่มันจะไปได้หรือเปล่าเนาะมันต้องรอให้ผ่า น, นเรื่องโควิดไดอดิเห็นไหมต้องมีฉีดรักสองวัคซีนอะไรถ้าเขาอนุญาตให้เข้าได้ก็ไปดิถ้าเรามีฉีดรักซีนอะไรได้พี่<ๆ>พี่สาวของโยมอีกคนนึงก็เพิ่งไปอเมริกาเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะเขาเพิ่งบินไปถึงคือมึงไปอเมริกาไม่มีไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาเข้าไปเลยไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีใช่ไหมจิ๊บคนที่ได้ไปอเมริกาแบบนี้ไม่ใช่ง่ายนะมีคนอยู่ที่นั่นยังไงนี่จิ๊บจิ๊บเขาก็อยู่อยู่อเมริกาเหมือนกันถ้ามีอะไรปรึกษาเข้าดูก็ได้คุณจิ๊บอยู่รัฐอะไรคะอยู่แมริแลนด์ใกล้ๆวอชิงตันดีซีก่ับมาสักครั้อยู่แมริแลนด์ค่ะ แต่ถ้าน้องจะมาคือถ้าคลาสของที่นี่เขาจะเริ่มเปิดเทอมเดือนกันยายนนะคะถ้าถ้าจะมาก็ก็มาช่วงซัมเมอร์มาช่วงที่น้องเรียนจบพอดีแล้วมาก็จะดีค่ะเพราะว่าจะได้ปรับตัวแล้วก็จะได้มาโรงเรียนอีโซมันคือสําหรับเด็กที่อ่าไม่ได้เรียนมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะมีแผนกที่เป็นคุณครูที่ช่วยปรั บ, บ, รรบใช่ค่ะค่ะถ้าเกิดน้องมาได้ก็ดีค่ะเพราะว่า จางที่พระอาจารย์พูดนะคะว่าเด็กจะกะตันยูหรือไม่อยู่ที่เราสั่งสอนแล้วยิ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยอยู่ในศีลในธรรม mm hmm. จิ๊บคิดว่าเด็กเด็กรูกข่ของของคุณ mm hmm. ชื่ออะไรน้องใบห ย, ยบใบเอ่อมุกใหม่แล้วก็ภูผานเนี่ยโตแล้วที่รับรู้วัฒนธรรมและจริยธรรมแล้วก็ศีลธรรมที่ท ค, คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของความกระตันยูแล้ว ศา ส, สนานะคะก็ถ้าเป็นโอกาส<ม>ที่ดีของน้องถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยก็จิ๊ก็ว่าก็ดีค่ะอีแล้วมีโอกาสไปได้ก็ไปไปแล้วเราก็มีงานทําอยู่แล้วไม่ยา่เราไปย่อมทุนกันใช่ย่อมยม่อมคิดแค่อย่างเดียวคะ่ะยมไม่รู้ว่านาคตเป็นอย่างไรย่อมยมพ่อย่อมกับตรงๆพ่อกับแม่โยมเสียหมดแล้วยมก็เคารพ หลวงตาพระจารย์น่ะเป็นพ่อแม่โยมจากใจโยมนะคะก็คือถ้าหลวงตาบอกไปไปดีโยมก็ไปค่ะแต่ถ้าบอกว่าไม่ดีโยมก็ไม่ไปได้ทำไมนี้ติดต่อกันง่ายเนี่ยก็ทุกวันพูดก็เข้ามาคุยกันได้อยู่ที่ไหนคุยกันได้ไปแล้วปลอดภัยใช่ไหมคะอันนี้มันอนิจจังแล้วคนอยู่ที่ไหนก็อยที่ไหนไม่มันจะปลอดภัยก็ปลอดภัยมันจะไม่ปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยอย่าไปกังวล ขอให้เรามีสติเราไม่อยากประมาดก็ก็ก็แล้วกันแต่ถ้ามันเรื่องสุดวิสัยก็เราก็ก็ช่วยไม่ได้เนี่อย่าไปกังวลกัเรื่องที่มันสุดวิสยัยทำสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าป้าของโยมอ่ะคือคือโยมอ่ะญาติของโยมทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่อยู่อเมริกาหมดเลยค่ ะ, ะแล้วพวกเขาไปฉีดพวกเขาได้ไปฉีดวัคซีนกันแล้วค่ะเออ แล้วไ<อ>ปอยู่ก็อยู่เมืองไหนนะเอออยู่ชิคาโก้ค่ะชิคาโก้โ ค, ค่ะคือพอดีว่าญาติที่อยู่อเมริกาที่ชิคาโก้อเขาเอ่อมีที่ทํางานเกี่ยวกับพวกอัมพยาบาลเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี้ยค่ะเขาจะได้รับสิทธิ์ในการฉีด ก, ก่อนอเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าอ่าเป็นผู้ที่คนสัมผัสคนจำเป็นคนจำเป็นเหมือนกับต้องติตดติดต่อกับคนีว่า มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไปเนี้ยค่ะก็จะได้ฉีดก่อนแต่ว่าเขาฉีดแล้วเขาก็ปกติเขาไม่มีอาการอะไ ร, <ม> ร, รปลอดภัยนอกจากคนบางคนที่อาจจะมีภูมิแพ้เลยทังอยา่างแตถ้าอยู่ใกล้หมอหมอก็ช่วยได้ค่ะหมายถึง <c oughs> ว่าฉีดแล้วก็รอดูอาการสะสมนั้นใช่ไหมบางทีใครอยู่หกชั่วโมงก่อนอยู่แหมถ้าใกล้หมอสักหกชั่วโมง มันมีผลนั่นข้างเคียงอะไรหรือเปล่าไม่มีเขาม็ปล่อยกลับบ้านตาาไปใช้ชีวิอยู่ที่นู่นลําบากมากไหมคะมันก็อีกแบบอยนึงถามคุณจิมดูแล้วกันแต่ถามเราอยากจะกลับไปฟังเล็บฟังตัวด้วยนะคะถ้าอยากจะกลับไปไม่เราไม่อยากโยมก็กล้าก็กลัวค่ะคิดว่าไปเพื่อเด็กก็แล้วกันอยากคิดได้มีโอกาสใช่ครับก็คิดแบบนั้นนะไปเพื่อลูกกับไปเพื่อเด็กไป แล้วโยมก็คิดว่าแบบธุรกิจทางนี้ก็คือที่ทำทาอยู่มันก็ปิดไปด้วยด้วยสภาวะของโควิดส่วนที่เหลืออยู่มันก็เป็นพวกแบบอพาร์เมนต์ให้เช่ามันก็พอดูแลได้ผ่านออนไลน์อยู่อย่างเงี้ยค่ะโอเคไปเถิดไปได้ใช่ไหมจิ๊บเห็นด้วยไหมนะเออขอบคุณครับคุณจิ๊บมีอะไรก็ปรึกษาคุณจิ๊บือได้นะคุณจิ๊บอยู่กั ต้องรบกวนด้วยแล้วนะคะคุณจีนเนมะพิสูคานี่ก่อนนะขอบคุณค่ะคุณจีฟต่อเลยคุณจีฟเมลันเราละวัฒนกรรมอาจารย์ยินดีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าจะแอดกันในเ c e b o o กหลังมายังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะ ค่ะก็จิ๊บก็ยมไม่มียอมเรียกเรียกแทนเชื่อตัวเองยมไม่มีอะไรมากค่ะจะถามพระอาจารย์ว่าการที่เราทำทานแต่ถ้าเราทำบุญอย่างนี้ค่ะเหมือนเห็นวันนี้คุยกันเรื่องทำบุญทำทานเยอะถ้าเราทำบุญแต่เราไม่ได้มาให้คนอื่นมโมทนาสาธุกับเราเราทำทำเพราะอยากทำแต่เราไม่ได้ประกาศว่าให้แบบ เอ่อพ่อแม่หมายถึงให้พ่อแม่รับรู้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้บอกเพื่อนเออเราบุญมาฝาไกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอนุโมทามากก น, มนาบุญหมายความว่าอย่างนี้สมมติว่าเราจะเราจ ะ, เราจะไปทำทาบุญต้องลา ง, งานหนึ่งวันเนี้ยถ้าเจ้านายก็อนุโมทนาก็เขาแสดงว่าเขายินดีให้เราไปด้วย แล้วก็ไม่อนุโมทนาก็าบอกห้ามไปเนี้ยห้ามลายเนี้ยแล้วก็ไปไม่ได้อันนี้ความหมายอย่างนั้นแต่มาไม่ใช่เวลาไปทําบุญกลับมาบอกชาวบ้านว่าชรับฉันได้ไปทําบุญที่นั่นที่นี่ขออนุโมทนาด้วยมันไม่ใช่คนละเรื่อง<ม>คือมันเป็นการเป็ น, น, นการส่งเสริมให้คนเขาทําบุญเช่นเรามีลูกน้องเขาอยากจะขอลาไปทําบุญทั้งวันหนึ่งขอลางานเราเออไปเล ย, นเลยนอนุโมทนาค่ะโอเคอเค่ะยมจะได้แค่ ฝากคุณพ่อคุณแม่ทำฝากคุณลารทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็ได้ไบ<น>ุญ<อ>ด้วยไม่ต้องบอกใครแล้ว<อ>บุญเต็มน้อยอยู่แล้วบอก ก, บอกก็ไม่ได้เพิ่มบอกก็ไม่ได้เพิ่มแล้วเขาจะได้ด้วยไหมคะถ้าเราบอกเขาถ้าถ้าเขาเกี่ยวข้งของวมาเราก็ได้ที่นั่นเขาเป็นเจ้านายเราแล้วขอลางานแล้วเขา อ, อนุ ญ, ญาตออกไปเขาก็ได้บุญ แต่ถ้าเราทำสมมติเราทำแล้วเราบอกว่าร่างกายนี้เราเกิดจากคุณพ่อคุณแม่บุญใดที่เราทำเราขอให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมกับบุญที่เราทำอันนี้ได้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะไม่ได้หรอคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำเองต้องทำเองด้วยแต่ถ้าเราทำร่วมกันก็จะได้หมดเลยใช่ไหมคะเงินใครของของใครของมันเนี่ยอ๋ออันนี้นัตตยอมบอกให้คุณพ่อทาให้แต่เป็นเงินคุณพ่อที่ยอมฝากไปใช่ไคะ คือถ้าเป็นเงินของคุณพ่อต้องคุณพ่อต้างเป็นคนคิดเองว่าจะอยากจะทําบุญด้วยไม่ใช่เราให้เงินพ่อเราบอกว่าไปทําบุญนะนี้เขาก็ยังไม่ได้เลยอ๋อแต่เราเราบอกว่าเพราะว่าหนูอยู่ที่ยมอยู่ที่ไม่กาค่ะก็จะเห็นบุญที่เมืองไทยทําเยอะก็เลยบอกคุณพ่อบอกว่าช่วยทำเรนนี้ให้หน่อยช่วยทําำบุงพ่อก็ไม่ได้แหรอกถ้าพ่อคนจะร่วมบุญด้วยเขาฝากกระเป๋าของเงินสมทุกไปด้วยนี่เขาก็จะได้ หรอคะแต่ว่ามันเป็นเงินในบัญชีคุณพ่ออย่างเงี้ยนะคะมันก็แล้วกันมันเป็นของใครล่ะก็ก็คือเป็นเงินของคุณพ่อละคะ่ะเพราะว่าโยมอะ่ะโยโนให้คุณพ่อคุณพ่อก็โอนกลับมาเข้าบัญชีที่เมืองไทยของชื่อโยมแต่เวลาที่โยมบอกคุณพ่อทําบุญคุณพ่อก็จะใช้เงินของตัวเองอะ่ะในบัญชีตัวเองอะ่ะทําโยมก็เลยก็เลยแบบเออไม่ไม่รู้ว่าอันนี้เราจะได้หรือประดังถยายให้คุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยล่ะคะ่ะ คือมันต้อกมาจากจากจิตใจเขาเองแล้วก็ต้องอยากระทำเองเขาคิดขึ้ไหน ว, วันนี้จะทำบุญแล้วก็เป็นเป็นเงินของเขาเขาถึงจะได้บุญแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบตัตินั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญภาวนานี่คือเราได้บุญมากกว่าการทำทานใช่ไหมคะได้มากกว่าแต่ยังมันยังไม่เกิดเพราะว่ามันมยังไม่ได้ผล อ๋อแล้วมันจะเกิดเมื่อไหร่คะก็ตอนนี้ได้ผลตอนจิตสงบไปจิตเป็นสมาธิเองถึงจะได้อ๋ออันนี้คือเราก็คือเกิดความอิ่มเอิบอันนี้ความสงบใช่ต้องมีต้องมีผลก่อนถึงจะถึงได้การการปฏิบัติก็เป็นเหมือนการทําแบบทานข้าวแต่มันมันยังไม่สุกค่ะแต่เวาททานนี่มันมันสุกทันทีเลยเป็นฟ้านุถ้าทำทานในมืฟ้านุอ๋ออาหารจานด่วนอ่าจาน จ้าค่ะทีนี้ยมก็พยายามจะมาบอกพระเจ้าว่าวันนี้ช่วงนี้ยมก็ปฏิบัติมากขึ้นนะคะตอนเมนนื่อวานนยมเดินเยอะมากเพราะว่าต้องเดินไปซื้อของเวลาทเหรือเอิ่มรู้สึกว่าเวลาที่เราเก้าวลงจากรถปุ๊บเวลาเราเดินมันพุโทโธพุโทโธเองไปกับสเต็ปที่เราเดินนะคะ อ, อันนี้ถือว่าดีขึ้นไหมคะว่าเราิ่มมีสเต็ปเริ่มไหลเองไม่ต้องเขี้ยวเข่ง <laughs> เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ง่วงนอนน้อยลงก็ถือว่าเริ่มมีพลังสติขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมเจ้าคะเหมัอ น, นลดเหมือนลดชะตามไม่เห็นได้แล้วไม่สบายเข็มอยู่เลยพอเมื่อก่อนนะคะยมนั่งได้ดีมากเลยนะเจ้าคะแต่พอเริ่มช่วงหลังๆยุ่งมากกับเรื่องส่วนตัวก็เลยกลายเป็นว่ามันอ่อนกําลังลงไปเยอะมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวสรุปนายนะเพราะว่ามัค่ะแล้วเดี๋ยวจะยมจะพยายามอ่าปฏิบัติมากขึ้นครัอาจารย์แล้วถ้าเกิด ค่ะค่ะวันนี้มีเท่านี้ละค่ะพระอาจารย์รักษาสุขภาพเจ้าค่ะคุสลินทานยังไม่ได้เข้ามาเลยผมไม่ว่าสลินทอนทำงานค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เขาจะกลับแล้วค่ะโอเคดายาุนะค่ะสาธดูจอยจอยมีอะไรไหมจอยเชียงก่อนเลยสุดกว่าแล้วเร็วสุดกว่าแล้วพาชานเรียแล้ว หลวงพ่อเรีวเเขาบอกว่าฮะหลวงพ่อเรียกให้เรียกเขาด้วยีลมาเร็วมามาบปไนี้ยันต้องไปเอานมนะเอานมไหมเร็วเร็วเรวมาเอานมเร็วตื่สาเลยบ้างออว่าไงวันดีจ้าวันดีครับผมอยังยังไม่นอนเลยเดยกก็เนี่ยเนี่ยเกจะห้าทุ่มแล้ว ยังไม่นอนค่ะนอนดึกมากค่ะวันพรุ่งนี้ไปสายไปหรือเปล่าวันเสาร์ที่สิบเก้าไม่น่าได้ไปแต่ว่าวันมาค่ะออนวันมาหาะแล้วจะไปค่ะโอเคมีอะไรมั้ยวันนี้ไม่มีค่ะมีแต่เรื่องลูกอย่างเดียวเลยค่ะโอเคันปางไปกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะตั้งที่นอนไหนเวลาใกล้จะหมดแล้วคุณกลาง สุนทรเวลาเชยใช่ทำไหวเป็นอร์มาแล้ว่าสาารค่ะวันนี้เอาเร็วๆนะคะพระอาจารย์เออใช่ เ, เวลามันการยังวนคนยังเยอะอยู่ค่ะเมื่อวันจันทร์นะคะที่ไปถำไหวเพ็นเสร็จแล้วก็ไปนั่งสมาธิเปลี่ยนไปสัมที่ก็คือที่อุโบสถแล้วก็ไปที่พระพรมธาตุชั้นสามที่เคยแจ้งพระอาจารย์มานั่งไม่นานนะคะป mm hmm. รากฏว่านั่งมามันชั่วโมงครึ่ง แล้วก็พอดีมีมีญาติโยมที่ไปทําบุญแล้วก็ขึ้นไปสวดมนต์แต่มันเสียงมันกล้องค่ะพระอาจารย์มันก็เลยทําให้ให้สมาธิออกแล้วก็เลยนั่งฟังเขาสวดมนต์แต่ว่าพอเพระอิญโยมก็นึกในใจว่าอา้าเราเร า, เรานั่งสมาธินี่น่ะก็เลยก็เลยไม่ไม่ฟังเขาสวดมนต์แล้วก็พยายามจะนั่งสมาธิแต่ว่าโยมเข้าไม่ได้อันนี้มันเป็นสภาวะที่โยมไม่มีสติใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกมันเวลาจะนั่งสมาธิมันต้องที่สงบด้วย เถ้ามันไม่สงบไปย้ายที่ดีกว่านะะก็พระอาจารย์เคยบอกว่าควรจะไปที่ที่อะไรนะครับปีกวิเวกหรือเป็นพวกป่าช้าอะไรเงี้ยใช่ปะที่เงียบๆที่ไม่มีใครเข้าไปรบกนวนเราค่ะก็เดี๋ยวโยมจะลองหาวิธีดูค่ะแต่ว่าคิดว่าชั้นสามค่ะเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับโยมแต่โยมก็คิดว่าเอโยมเคยมาบ่อยละโยมให้คนอื่นให้พื้นที่คนอื่นดีกว่าโยมแล้วโยมก็ออกมา อแบ่งกันมากถ้าถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็ย้ายที่ถ้าไม่มีใครแล้วก็ขับเข้าไปใหม่ค่ะโยมไปถูกลอตเตอรี่ที่วัดด้วยนะคะพระอาจารย์อ๋อลอตเตอรี่อะไรก็พอดีโยมออกจากอา่สมาธิที่ที่<ม>ทอ่ที่พระพระมธาตุอ่ะคะ่ะ<ม>แต่แล้วยมก็กลับขึ้นมารถปรากฏว่ามีมีคนมาขายลอตเตอรี่แต่โยมก็ไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วแล้วโยมไม่กล้าซื้อเพราะโยมกลัวเป็นเป็นกิเลส<ม>ปรากฏว่าเขาเขาบอก พี่ช่วยซื้อหน่อยโยมก็มยมก็ช่วยซื้อไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอมาตรวจตรวจให้สามีสามีก็ไม่ถูกค่ะแต่ว่าพอยมถูกยมก็ไม่ได้ดีใจอะไรยมก็เฉยๆคนที่คนที่ดีใจก็เป็นสามีแทนมยมก็เลยคิดว่าเออเราเราก็สามารถคุมคุมสติได้อยู่เหมือนกันทําตัวเป็นอุเบกขาได้ดีกำเราทําไปเมื่อวานเบียจาของสารช่วยเขาก็ก็ดีไม่ไม่ทำนี้ไม่ติดไม่เสียหายอืค่ะ ก็นำเงินค่ะไปมาทำบุญนะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็รีบมาใส่บาตรพระอาจารย์เลยค่ะค่ะก็ยมีไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ต่อไปที่ท em ่านต่อไปนะใครเอ่ยคุณจอยคุณเป็นคุณเนี่ยภาษาเขมรเนี uh> ้ยภาษาลาวเนี่ยลาวอะรลาวฮอนนะคุณอะไรจากเวียงจันทน์ใช exactly ่ไหมเดี๋ยจากสมุนไพรเพื่อก้ามาคั เรั้งที่สองแล้วค่ะพระอาจารย์สวนเกตใช่มาจายสวนเกศอ่ออะไรงมีอะไรไหมเอ่ออยากจะถามเอ่อดังๆหน่อยได้มอยากจะขอเทคนิคพระอาจารย์นะคะว่าเอ่ออยากจะนั่งนานๆนะทยังไงดีก็พุทโธพุทโธไปแปลว่าพยายฝึกพุทโธก่อนมานั่งด้วยฝึกทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไป ไม่ให้คิดอะไรเลยใช่ไม่ให้คิดอะไรแล้วดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ก็ได้กำลังนั่งหน้าก็อยู่นั่งหน้าไปแปลงฟันเข้าแปงฟันไปอย่าไปคิดเรื่องนะไรแล้วเวลานั่งมันจะนั่งได้นานขึ้นน ะ, ะครับอาจารย์เวลานั่งก็ต้องขยันพุโทโธพุโทโธขยันดูลมอย่านั่งเฉยเฉยพอนั่งพอนั่งไปประมาณสี่สิบนาทีมันก็เหมือนแบบว่าหมดแรอยากจะลุก เหมือนล่างจะแตกแล้วก็ลุกออกมาก็ลองลองลองฟุดโทรหน่อยก็ลองสวดมันไปหม่ไม่ต้องลุกดูต่อท่านอาจารยแล้วจะทำยังไงให้แบบว่าพยายามแบบมีแรงจูงใจที่แบบว่าจะให้นั่งตลอดอย่างเนี้ยค่ะอรก็ทำบ่อยๆเดี๋ยวพอมันได้ผลแล้วมันก็จะเกิด แรงจูใจยอยากจะนั่งขึ้นเองตอนนี้ก็ต้องพยายามบั ง, บงคับหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอได้ผลน่ามันจะมีกําลังใจมากขึ้นอตอนนี้กาสายเขามาฟังเทศอย่างเงี้ยก็จะได้กําลังใจไปได้ยินคนอื่นนัปฏิบัติว่าเขาได้อย่างไรบ้ามันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติได้นะั่นแล้วครัอาจารย์โอเคอยู่ที่นั่นเป็นคนลาวเป็นคนไทยเนี่ย เป็นคนลาวคนลาวแต่พูดไม่มีสำเนียงอะไรนะค่ะพูดไทยได้คนไทยพูดคนลาวพูดไทยแบบมันได้ทุกคนหรือไม่ได้มันก็เป็นบางคนค่ะอารยบางคนนะมึมามามาพงไทยบ่อยเลยนก็ก็ไปเที่ยวบ้างอะค่ะอาจารย์โอเคสาธุคุณชนัญาเชอกันในคุณชนัญญา ไม่ได้ยินเสียงคุณสัญยามีปัญหาคุณเข้ามาผมไม่ได้กดไอตัว use microphone computer microphone ต้องออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่อันดดน้องพูดอยูย่ใช่ต้องพูดใหม่นี่ไม่มาเลยเสียงไม่ออกมาเลยสั ญ, ญ า, ญญาแตแตที่หน้าจอฮะแต่ที่หน้าจอจะเห็นปุ่มทางซ้ายมือ ได้ยินไหมครับเ <Okay. S 3> อาานัได้ยินแล้วได้ยินแล้วคุณทานพอดีเมื่อกี้ใส่สมอ l ท a l k ครับแล้วก็เมนก็ได้ถอดออกเปิดบูทูธเอาโอเคกกรครับผมน้มสการ์กับอาจารย์พอดี อ, อยากจะสอบถามว่าในส่วนของการเดินจงกร ม, มครับที่เดินนานๆสามารถเข้าสมาธิได้ไหมครับยากเพราะร่างกายมันยังเคลื่อนไหวอยู่จิตมันต้องทำงานอยู่มันได้ก็อย่างมากก็แค่ได้ไ ด, ได้ได้สติ ถ้าอยากท่านเข้าสมาธิก็ต้องนั่งเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ผมก็เดินจงกรมอยู่ครับอย่างถ้าเดินปกติก็จะเดินประมาณห้าชั่วโมงนะครับอาจารย์เก็นั่งเดินเสร็จก็มานั่งต่อถ้าอยากได้มันเข้าสมาธิต้องนั่งต้องนั่งอยู่เฉยจิตจะได้ไม่ต้องทํำงานถ้ากําลังเดินอยู่นี้จิตยังต้องควบคุมร่างกายมีสั่งให้ร่างกายเดิน ครับพ่อจะเพราะว่าก็คือเวลานั่งนานๆนะก็จะเกิดเวทนาครับทีนี้ก็สู้ไม่ไหวก็จะลุกขึ้นมาเดินครับพ่จาจย์ได้ก็ต้องทํำนี้ไปก่อนจนกว่าสติเราก็มีกําลังมากเวลาเวทนาเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับเวทนามันก็อาจจะผ่านเวทนาได้ครับอาจารย์เดี๋ยพยายามเ อ, อควบคุมสติแล้วก็ พยายามนั่งให้เยอะขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เน้นเดินไปเน้นเดินเยอะมากเลยครับอาจารย์ก็ดีเดินก็ดีแต่ก็ควรจะนั่งด้วยสลับกันนะครับอาจารย์วันนี้ก็มีปัญหาสอบถามอาจารย์แค่นี้ครับโอเคยนกอไปที่ท่านต่อไปนะคุณอออทีทีคุณออสได้ยินไหมกาบมนัสการครับอาจารย์คุณประวิท์ใช่ไหม ครับผมเอ่อมือตอนนี้ไฟดับหมดครับที่เท็กซัสมันเขาเปิดให้แค่สี่ถึบห้านาทีแล้วก็อากาศมันหนาวมากครับมันลบลบยี่สิบแปดแล้วในบ้านมันเย็นมากวันนี้ลูกชายของคุณของพระราชนก็เข้ามาด้วยเห็นไหมครับได้ได้ดูแล้วพอดีไฟมันดับไปนะครับนี่นี่ใช้มือถือเอาเอาของตัวเองครับก็อยากจะบอกเด็กที่จะมาอเมริกาที่ ที่พระอาจารย์สอนไปครับทัดช่วงปีสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยการศึกษาในอเมริกาแย่ลงเพราะว่าเขาใช้ออนไลน์มากกว่าที่จะไปเรียนในคลาส o ูมมันก็จะดีกว่าที่ว่าเด็กนักเรียนมาใหม่ๆเนี่ยมันควรเข้าไปเจอเพื่อนๆูงแล้วก็จะได้ฝึกพูดได้ดีขึ้นในช่วงปีสองหนึ่งนี่ถึงสองสองนี่ผมว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียนออนไลน์กันหมดมันจะมันจะไม่ดีกับเด็กนักเรียนเท่าไหร่เพราะการช่วงการศึกษาตอนนี้ผมว่า แย่ลงไปสองปีครับก็มันก็อยู่ที่การฉีดวัคซีนนี่ไงถึงเวลา น, <อ>นั้นอาจจะอาจจะเปิดได้ไครับผมก็ก็ตอนนี้ก็ยังถึงปีสิ้นปีสองหนึ่งผมว่ายังเป็นครึ่งหนึ่งยังเรียนออนไลน์อยู่ครับเพราะเด็กจะไม่กล้าไปเรียนสืังสือครับส่วนใหญ่แม้จะเด็กไฮสคูลก็จริงครับนน ก, ก, การศึกานี้ผมว่าช่วงเวลาที่เขาสามารถทำเสร็จที่ว่าจะมาอเมริกาได้นี่ ก็คงจะเป็นปี22เนี่ยผมว่าอาจจะดีที่ว่าเด็กมาเรียนอาจจะเข้าไปเรียนในห้องได้ได้เจอเพื่อนฝูงครับเด็กก็ท่านก็รับทราบและพิจารณาเอาแล้วกันนะว่าจอาอครับรผมก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเพิ่งเห็นว่า เ, ออเวทนาก็ดูความตายเพราะมีช่วงเมื่อสองวันก่อนนี่อากาศในบ้านมัน มันถึงสิบสองสายเราก็นั่งสมาธิดูมันก็เย็นมากนะครับอาจารย์ลักษณะพวกเราใส่เสื้อหนาวแล้วยังสงสารว่าโหนี่ความตายมันมันเป็นไปได้ถึงว่าถึงขนาดนี้นะครับอืมดีจะได้ความจริงจะได้ตรงได้ครับแล้วก็มันก็เห็นว่ามันไม่มันไม่มีอะไรแน่นอนแม้แต่เราอยู่ในบ้านไฟดับนี่เขาให้เวลาแค่ สี่ส้านาทีหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งนี่ต้องรีบออกมาทํากับข้าวหุงข้าวอะไรให้เรียบร้อยนี่ก็คือเห็นเห็นเลยว่ามันมันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่ว่าจะอยู่ประเทศที่เจริญหรือไม่เจริญเมื่อเจออัคคะพาวประกาศที่แย่ลงใช่จะได้อย่าประมาทครับผมเกรีมตัวเตรียมใจรับกับความแน่นอนอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นความจริงเลยครับมันมันไม่ว่าจะเจริญแค่ไหนมัน เมื่อเจอธรรมภัยธรรมชาติแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆใดีก็ดีได้เป็นบทเรียนนอนใจนะครับนี่นี่นี่บทเรียนบทใหญ่เลยครับนี่ตัดต้องใส่เสื้อหนาอยู่ในบ้านกันโอเคกราบนักการครับขอพระอาจารย์แข็งแรงครับสาธุสาธุคุณสุภาพาเชิญเลยต่อจากเท็กซัสเหมือนกันจากดาลัลลัสกราบนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่าะมีอะไรห <laughs> ด, ดีใจได้เจอคุณปวิตยัยงยุยังคิดอยู่เลยว่าจะรอดมเนียเพราะว่าสถานการณ์เดียวกันคุณจะมาบ้านคุณมีไฟเลยเขาไม่มีอ๋ออ๋อตอนนี้ไฟยังมาค่ะเดี๋ยวก็คงะจะดะะับแล้วค่ะเดี๋ยวมามาไปไปอของคุณปวิสิบ2องศาในบ้านของของลูก4องศาวนะันนันโอ้่าดูไม่มีไม่มีไม่มีเครื่องทำกร้อนเลยนะ คือคือไฟมาประมาณนี้เราเจ้าค่ะมาแล้วก็ไปมาคือบางทียังไม่ทันให้อุ่นนะเจ้าค่ะก็ดับไปแล้วอะเจ้าค่ะก็ก็ก็ตามที่พระอาจารย์สอนให้อยู่กับตามความเป็นจริงแล้วก็ ส, สันโดษยินดีต้องมีต้งเกิดเจ้คะได้ไดเอาปาหอมใช้ปากหมแทนก็แล้วกัน เธเจ้าค่ะตอนนี้ไฟใฟตอนนี้มานานเจ้าค่ะชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ดับเลยแต่คิดว่าถ้าดับก็คงจะดับนานพอควรเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ก, ก็ก็บอกสามีไปแล้วว่าช่วยเตรียมก๋วยเตี๋ยวอุ่นไว้ให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปกินเพราะลูกไม่กินหลังเที่ยงอ่ะเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ก็เออนั่นลูกขอนิดนึงเจ้าค่ะที่ที่คุณประวิ๊กพูดนะครัลูกลูกเห็นด้วยนะเจ้าค่ะเรื่องการที่น้องๆจะมาช่วงนี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าคือลูกมองในเรื่องของ สาธารณาสุขนะคะเรื่องโควิดซึ่งสถานการณ์ถึงแม้ว่าที่นี่ยังมีวัคซีนฉีดแต่ว่าการดูแลยังไม่ได้เท่าที่ไทยอ่ะเจ้าค่ะคและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าปลอดภัยจริงๆลูกคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่าเจ้าค่ะจะสถานการณ์ดีขึ้นฟังไว้นฟังไว้นะต้ออยู่ที่นี่ค่ะคุณป้าที่นี่ว่าเป็นทางนั้นก็จะว่างไง เล้วค่ะเห็นด้วยกับคุณปวิดนะคะเพราะว่าเพราะว่ายังเรียนออนไลน์อยู่ถึงมาก็ยังเป็นออนไลน์แล้วก็สาธารณสุขที่นี่ยังยังไม่เข้าที่นะคะเพิ่งพิ่งจะพยายามเพิ่งจะทาดีขึ้นนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังไม่เท่าที่ไทยเพราะถ้าที่ไทยเป็นโควิดปุ๊บก็ได้รักษาแต่ที่นี่ต้องอยู่ที่บ้านนะเจ้าค่ะทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าคนป่วยเยอะคนคนป่วยเยอะมากยังเยอ ะ, <น>ะยังเยอะเ <นะ S 2> ท็กซัสยังสูงอยู่ด้วยเจ้าค่ะยังเยอะอยู่เจ้าค่ะที่เงที่คนคนตายน้อยแค่แปดสิบคนนี่เองเจ้าค่ะที่นี่ยังสูงมากถ้าถ้าเรื่องเรื่องนี้ลูกเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าเจ้าค่ะแล้วเด็กด้วยการดูแลจะค่อนข้างเจ้าค่ะลำบาก น, นิดนึงญาติโยมเขาอยู่ที่นั่นเขาเห็ น, นหเห็นเหตุการณ์ดีกว่าเราแล้วลองมองไปปรึกษาดูคิดดูนะ อ่ปีปีหน้าคิดว่าถ้าปีหน้านี้คิดว่าน่าจะสบายขึ้นเยอะแล้วเจ้าคะ่ะจะจะโลคงที่จะลงตัวเจ้าคะ่ะคิดว่าปีหน้า <bey mean. S 1> ค่ะเมื่อเช้าไบเดนก็ออกข่าวประธานาธิบดีก็บอกว่าปลายปีคิดว่าจะมีการดีขึ้นจะลดลงดีขึ้นจะเห็นได้ชัดเด จ, ะะจ้าค่ะเขาก็บอกเจ้าค่ะก็ ค่ะเจ้าค่ะไม่มีอะไรครับค่ะลูกดีใจครับก็ได้นั่งได้นั่งอย่างเดียวบอกสาอีทาอะไรไม่ได้ก็ได้นั่งสมาธินะะโอเคสวัสเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าแก้วเวนแก้วเวนต้องต้องพูดภาษาไานะแก้เวนวันนี้เป็นภาพภาษาไทยพูดได้ไหมครับนิดหน่อยครับครับครับนมัสการพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมไม่มีครับแค่ฟังดูครับฟังเฉยเฉยเหรอไม่มีคําถามเลย ไม่มีคำถามครับโอเคคำนึงเรื่องไหม่วนมากครับนะโอเคเี่ยจ้าเดพ่อเข า, าบว<อ>ชที่วบัญญาคุณพ่อเขาบวชที่นี่แล้วบอกจะตามมาบวชทีหลังเลยเดี๋ยวเจอย้ายไปอยู่เมืองไทยครับแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านครับโ okay. อเคที่บ้านก่อนแล้วบางบ้างก็มาลองที่วัดดูนะ โอเคเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปนะว่าเวลามันแบบจะสามชั่วโมงครับคุณยิ่งส่อเลยคนเดิ่งสุโขทัยมีอะไรไหมคุณยิ่งตามธรมะสการ์เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะมีอะไรได้ตามมีเจ้าค่ะพระอาจารย์คะค่ะอเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วค่ะหนูติดปัญหาตรงที่หนูเข้าสมาธิไม่ได้คือน้ำลายค่ะเจ้าค่ะครั้งนี้หนูพิจารณาแล้วค่ะพระอาจารย์หนูเกิดจากความอยาก หนูไปดูที่ผลมันนะคะทีหลังมาหนูก็เลยไม่สนใจเลยเข้าได้เข้าไม่ได้หนูก็ทําไปเรื่อยๆเจ้าค่ะคันนี้มันเข้เข้าได้เองเจ้าค่ะ <c oughs> ีเอยากไป <c oughs> ดูผลให้ดูให้อยู่ที่เหตุอยู่ที่รา่างกายอยู่ที่พุโทโธเจ้าค <c oughs> ่ะแล้วก็คันนี้พอหนูก็ลองว่า สุขเสาร์ที่เนี่ยหนูจะนั่งแบบทั้งคืนอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็คือแบบจะลองดูว่าอินซีเราจะไหวไหมไม่ไหวเลยค่ะรอาจารย์อินซีอ่อนมาก ป, วปว่วยป่วยอีกแล้วเจ้าค่ะลองไปโดยนจงกรมสองชั่วโมงโอ้โหเดี้ยมมากเลยเจ้าค่ะก็เลยเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำไปเรื่อยเดีย๋ยวทำเกินตัวนะเดี๋ยวมันจะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจาย์หนูนั่งสมาธิไปแล้วครั้นี้มันนิ่งนิ่งไปเสร็จแล้ว ก็คือจิตมาสว่างมากเลยเจ้าค่ะแล้วคนนี้ยมันก็ไม่มีเวทนาเกิดนะคะแล้วหนูลองเอาจิตไปจับดูตรงขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ปวดนะคะแต่พอเราไม่คือเราก็ไม่สนใจก็ลองดูใหม่เอ๊ะปวดหรือไม่ปวดไม่ปวดอีกลราพอเราไม่สนใจเราก็แบบนิ่งอยู่เฉยๆควนี้หนูก็ไปจับใหม่มันก็ปวดอีกเงี้ยเจ้าค่ะก็คือหมายเพราะว่าที่จริงมันแยกกันใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ามันก็เลยปวดถ้าเราไม่แต่มันก็ไม่ปวดนี่เจ้าค่ะ แล้ว อ, อหนูก็นอนภาวนาดูเจ้าค่ะคันนี้ยพอภาวนาไปเรื่อยๆอ่ะหนูคิดว่าเอ๊ะบนอาคารมีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจิตมันวิ่งไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันเห็นดาวเห็นเดือนไปเรื่อยเลยเจ้าค่ะหนูก็เอ๊ะมือก็ไม่มีเหมือนกับว่า <c oughs> อันนี้มันจิตส่งออกหรือเปล่าคะหนูก็คิด ใ, ในใจว่าเอ๊ะเจ้าค่ะหนูก็เลยค่ะดึงดึงใหม่ว่า แต่ว่าไม่ได้หลับแน่นะเจ้าคะเพราะว่ารู้สึกตัวตลอดเลยแล้วก็ลงมาลองขยับมือเออกลับมาเข้าสู่ร่างกายเหมือนเดิมก็รู้สึกใจใจชื้นว่าฉันไม่ได้หลุดไปไหนแล้วทําอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมเจ้าคะอ่าไม่ถูกเจ้าค่ะกโทรอยู่กับลมนะเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวหนูจะไปอ่าเข้ากรรมฐานที่อยุธยาเจ้าค่ะพระอาจารย์เก้าวันลาพักผ่อนไปเจ้าค่ะไม่ไม่ได้ยองเลยเจ้าค่ะ ก็ดีไหมคะดีเจ้าค่ะเห็นว่าไม่ค่อยมีแบบกิจกรรมมากค่ะไปอยู่กับตัวเองเจ้าค่ะให้เป็นปฏิบัติเจ้าค่ะก็ลาพระอาจารย์นะคะที่มาอาจจะไม่ได้เข้าซูมเจ้าค่ะเพราะว่ายุดโทรศัพท์เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกับขอขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะหมดแล้วค่ะสาธุคุณเก้าเชริญกำ กับธรมศสการพระอาจารย์ครับอ่าเร็วๆหน่วันนี้จะขาดหมดเวลาอสามชั่วโมงนะการปฏิบัติครับพระอาจารย์พออยู่ที่หอเนี้ยครับมันไม่มีเกมให้เล่นนะครับพระอาจารย์ถ้ามันรู้สึกว่าปฏิบัติดีมากเลยครับแต่พอมันอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราสบายแล้วก็มีมีคอมอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันก็เหมือนแล้วเหมือนเหมือนกับเราเปลี่ยนไปคนละคนเลยครับพระอาจารย์ก็เล่นเกมเยมากเลยครับเราไม่มีวินัยตัวอะไรควบคุมตัวอะไรไม่ได้ ครับก็ต้องพยายามคิดว่าเราเหมือนอยู่ที่หอแล้วกันอ ย, อย่าไปใช้สิ่งที่ที่หอไม่มีครับไม่งั้นในจิตใจงั้นเราก็ปฏิบัติก็จะล้มเหลวครับในจิตใจเรายังไม่มีกําลังไม่มีวินัยก็ที่จะควบคุมใจเราได้ครับตอนแรกผมมาคิดว่าเออแบบมันดูสงบมากดูเหมือนแบบเออเราสงบนะแต่พอแบบ เจออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับยังไงครับมันก็เท้าอครับพระอาจารย์เห mm hmm. มือนกับเปลี่ยนเลยครับแล้วพยายามมาข้ามจิตใจนะครับโอเคมีท่นี้นะวันนี้เราแค่นี้ก่อนครับครับผมคุณนางฟ้าจำแรงเชิญเป็ยังไงหายหน้ า, หายตาไปแล้วนะอาจารเจ้าขาในมัสการเจ้าค่ะเออมีอะไรไหม พอาจารย์ไม่หายจากพระอาจารย์ไปนานเลยค่ะเออ ร, างงรา่างกายมีตุลาและบาดเมฆครับถามเลยไหมเด็กจะบอกพระอาจารย์ว่าพอเวลาห่างจากพระอาจารย์มาแล้วชีวิตไม่ดีเลยอ <laughs> ๋อไม่เกี่ยวแล้วอยู่ที่ตัวเราต่างๆมันจ่อยู่ใกล้ๆอยวิธีการกระทาตัวของเรามางไม่ค่อยมีแบบสติ ค, ค่ะพระอาจารย์ พระพุทธเจ้าบอกต่อให้เกาะ อ, อยู่ที่ชายภาคเหลือแต่ถ้าไม่มีสติสตานมันก็เหมือนอยู่ห่างไกลเป็นโยอดส่วนคนที่อยู่ห่างไกลเป็นโยอดถ้ามีสติสตานก็เหมือนอยู่เกาะชายภาคเหนือมันอยู่ที่ธรรมะของเราส่ันปะยา <พบ S 2> ยนที่จะกลับมาไม่ดีพอเลยเจ้าค่ะอีกเยอะเลยเจ้าค่ะอแล้วพี่สาวพี่สาวอยู่กับบ้านแล้วกลับไปแล้วแก้วอยู่วัดที่สกลนครค่ะพระอาจารย์อยู่อยู่ยาวเลยค่ะ อารยังไม่ได้กลับไปบนนอกนะยังเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะวันนี้บนกา ร, รจะหมดเวลาแล้วแล <ขา S 1> ้วค่ะสา<ถ>ธุแล้วขอสรุปหน่อยอคุณอัธนาพรบวัวสุริโย่อเป็นย่างไรตอนนี้ขับรถอยู่เลยเดียวว่าไงมีอะไรไหมไม่มีครับมันนี้กลับเข้ามาฟังแล้วก็กลับมามนศักดิ์สิทธิคุณแม่กำลังทำรถอยู่เลย คุณม่อยู่นี่ครับกรับมาสักแกงเจ้าข่าหลวงพ่อสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะไปรับดูกลับบ้านกลับเจ้าข่าหลวงพ่อเจ้าค่ะก็เลยจอดรถฟังฟังอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่ออี้คนเข้ามาเยอะเรื่องเราเยอะฟังคขาเยอะไม่เลยหมดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะลูกมาฟังเฉยๆแล้วให้คนอื่นเขาเขาถามลูกลูกเข้ามาฟัง ให้หลวงพ่อไม่ให้หลวงพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะโอเคที่โอนโอนโอปัจจัยก็มาก็เข้าก็ได้รับแล้วนะสาธุนะ่ารของเลโอเขาเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุุเจ้ค่ะคุณวิไลคนสุดท้ายคุณวิไลมีอะไรไหมใบกล้องแต่ไม่มีตัวไม่มีครับไม่มีครับคุณลามีไหมคุณมีคำถามไหมครับ มีสิบมีสิบคำถามค่ะพระอาจารย์เอาเลยเรวๆอ๋อค่ะแล้วมีคุณสลินทรฝากกาบเรียนว่าทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีค่ะวันนี้เลยไม่ได้เข้าซูมแต่ว่ารับฟังทางยูทูบค่ะโอเคได้ค่ะคำถามแรกค่ะจากคุณเอฮอนตั้นกาบเรียนถามว่าการพัฒนาของสมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นพราะการใช่หรือไม่เช่นปฏิบัติสมาธิระดับสองก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดปัญญาระดับสองเช่นเดียวกัน ไม่ใช่หรอกมันต้องได้สมาธิสมบูรณ์ก่อนแล้วมันถึงจะขึ้นไปทางปัญญาได้ถึงจะตัสัมยोชนได้ปัญญาระดับสัมยोชนนี้ต้องมีมีสมาธิที่สมบูรณ์คือได้อัปปนาสมาธิก่อนคำถามต่อไปจากคุณวงษาอยากเ ร, เรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหลังจากนั่งสมาธิไปแล้วกําหนดลมหายใจไปเรื่อยๆจนไม่รู้สึกถึงลมหายใจแล้วเจ้าคะ่ะ อยากทราบว่าถ้ากำหนดต่อไปเรื่อยๆลมหายใจหายไปต้องกำหนดอย่างไรต่อไปเจ้าคะ<ก>แล้น ด, ลดูความว่างไปดูว่าจิตกำลังคิดอะไรหรือเปล่าดูความคิดไปถ้าจะจิตเรามคิดก็หยุดมันอย่าให้มันคิดให้มันอยู่ ว, าว่างๆไปคาถามต่อไปคาถามต่อไปจากคุณฟิสกราบเรนถามพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งสมาธิบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบทำอย่างไรคะต้องให้มีสติถึงจะสงบเวลาไม่สงบ ก, ก, ก, ก็ต้องพยายามพยายพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่ยนั่งเฉยๆดูดูลมไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณโชติกาโยมนอนภาวนาจนหลับทุกคืนกับองค์ภาวนาพุโทโธเจ้าคะ่ะแบบนี้ได้หรือเปล่าเจ้าคะก็ได้หลับเลยสิไม่จะไดั่สมาธิ ถาอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งอย่านอนอย่านอนภาวนาทัา้งถามต่อไปจากคุณภาวนาหนูนานมัสการค่ะพระอาจารย์หนูอยากถามเรื่องการปฏิบัติแล้วจิตไม่รวมลงค่ะพระอาจารย์หนูต้องนั่งยังไงคะหรือหนูออไม่ได้ปฏิบัติติดต่อกันคะก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสติยังไม่ต่อเนื่องสติยังมีกำลังน้อยชั่วฤกษ์ไม่ไหว เ้องมีสติที่มีกําลังมากกว่าทีเลยมันถึงทำจิตให้ดวเป็นสมาธิได้คําถามต่อไปจากคุณเอมออนจิตไม่ปรุงต่อเป็นจิตว่างอารมณ์เป็นจิตวางอารมณ์ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็จิตเป็นจิตที่สงบนะถ้าจิตไม่ปรุงแต่งก็เทว่าเป็นจิตที่สงบคําถามต่อไปจากคุณนัทธดบคุณนัธาดาพรเราฟังการสนทนาธรรมเราได้บุญไหมคะ ถ้าเราเข้าใจก็ได้เราต้องเข้าใจคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณดาร์คเทมพล่ากราบนรมาสการพระอาจารย์ครับขอถามครับต้องฝึกสติถึงขั้นไหนครับถึงจะขยับไปฝึกขั้นสมถะแล้วเกิดผลครับเราก็ฝึกพร้อมๆกันสลับกันไปเดินโยกงมฝึกสติไปทํางานทําการอะไรก็ฝึกสติไ ป, ไปพอว่างก็มานั่งฝึกสมาธิต่อ คำถามต่อไปจากคุณจอกแหนะแบกไหวจิตสงบอยู่แล้วให้ระวังความคิดใช่ไหมครับก็คอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดถ้าจะให้คิดก็ใ ค, คิดไปทางปัญญาพิจารณาทุกอย่าง ก, กันตายลักไปคำถามสุดท้ายจากคุณกระมลข้อธรรมระหว่างธรรมะข่มใจกับขันติอดทนควรจเจริญทำข้อไหนในการปฏิบัติครับ มันก็ต้องเจริญทุกข้อนะเจริญสติเจริญขันเตให้มีสติคอยค่มใจแล้วก็มีขันติให้อดทนเวลาอยังค่มใจไม่ได้ก็ต้องต้องอดทนเอาไว้เอาแ้นะวันนี้วมดได้ใช่ไหมคิว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลานะน้ำชั่วโมงกับแปดนาทีก็ไม่อยากจะเหนี่ยวล้างท่านที่อยากจะเราก็อยากจะเริกมือนกพรา่ามันพูดได้แล้วกันนะ ค่อยๆไ่ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรเจอณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเธอ